แมัสแกนเจ้าค่ะว่าไงคุณชายไม่ได้เจอกันนานนะสวัสดีครับหลวงพ่อครับสวัสดีครับมาเล่นจัดการ YouTube เหรอครับผมโอเคนะครับมีเข้ามาเท่าไหร่แล้วยูทูบยูทูบอ่ากำกำลังได้สัญญาณมากำลังจะเปิดแพร่ครับหลวงพ่อครับยังรออยู่นะครับผมเป็นลูก6ท่านข้ามา1ิบจ็ด มบแปบขึ้นเงินเดือนใช้ลุกมาแล้วท่านยังไม่มีแขกมีแต่ขาประจำที่มาน <c oughs> กองเชียร์ <c oughs> คนกล้องอเชิญคนกล้องก่อนเลยวนันนี้หายไป <c oughs> ไหนมา <c oughs> ที่ที่แล้ว ครับไม่ไม่ได้ไปไหนครับอาจารย์รผมรู้สึกว่าถามถามคําถามเยอะมากเลยครับเลยรู้สึกว่าปฏิบัติน้อยครับเออนั่นแหละคนจริงไม่ต้องรู้มาก ร, รู้พูดโธคําเดียวก็พอครับผมเวลาปฏิบัติดีจริงให้รู้จักพูดโทพูดโธพูดโธไปทั้งวันทั้งคืนลองดูสักวันหนึ่งเลยมีแต่พูดโธรอย่างเดียวหยุดคิดหยุดถามหยุดอะไร แต่อย่างว่ามันก็ยังอยากจะรู้อยู่ว่ามันมันก็ต้องรู้บ้างรู้ภาพรวมว่าเป็นยังไงทำไปได้อะไรจะเกิดขึ้นแต่เวลาปฏิบัติจริงๆนี่ไม่ดูอะไรให้รู้แต่พูดโทรคาเดียวยให้รู้อยู่กับร่างกายอย่างเดียวอย่าเป็นการเจริญสตินสติท่านั้นที่จะทําให้จิตรวมเป็นสมาธิได้อ มันรวมเป็นสมาธิแล้วเทนี้ก็มีอุเบกขามีความสุขก็สามารถใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางความสุขเทนิดอื่นได้ครับวันนี้ไม่มีคําถามเลยคนณก้าวมีไหมครับวันนี้มีคําถามครับพระอาจารย์คาับคือมเีเป็นคําเป็นคําถามเรื่องครอบครัวไงครับพระอาจารย์คือเราไม่มีข้อบครัวจะตอบได้เลย <laughs> เราถามคนมีครอบครัวเลยคนที่มีครอบครัวเลยตอบเรื่องของคนมีครอบครัวได้ยังไงก็เป็นญาติเนี่ครับอาจารย์ไม่เชิงครับอือ็ญาติกันก็ว่างมาสิมาว่าถ้าตอบได้ก็ต อ, ตอบตอบไม่ได้ผมบอกไม่ตอบครับทอ า, าจารย์คือเหมือนผมฟังธรรมะาเงี้ยผมผมจะชอบแบบผมจะชอบยึดยึดหลักมากครับอีกเช่นแบบพบคนทานเนี่ยครับอาจารย์ผมผมก็จะดูมันเลยว่าสมมติว่าทําพูดหรือว่า เขาทําอะไรนิดหนึ่งอ่ะผมก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนกับอืเราจะแบบห่างๆเขาเนี่ยครับแต่ว่าบางทีเป็นญาติผู้ใหญ่เราเนี้ยครับอาจารย์แล้วบางทีมันต้องต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยครับคือเราไม่เข้าใจความหมายคําว่าคบเนี้ยใช่ครับเอคาว่าคบนี่หมายถึงกอดคอกันเลยเป็นตายด้วยกันไปไหนทำอะไรด้วยกันเนีเขาเรียกว่าคบในความหมายนี้ แต่คนทั่วไปก็คบได้คบค้าสมาคมกันต า, าตามรัธยาศัยตามมารยาทแผนเมตตาสะเพสสะตาทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีเจอกันก็ต้องให้มีความเมตตาต่อกันแต่จะไม่ไปร่วมหัวโจมท้ายด้วยกันในเรื่องที่เราเห็นว่าไม่ควรไม่ถูกเห็นเขาชวนไปเล่นไพยย่ไม่ไปชวนไปกินเหล้าไม่ไปอาจารย์หมายความหมายเป็นอย่างนั้น คบกันได้รู้จักคนนั้นคนนี้ยากพี่น้องก็คบกันได้แต่เขาจะกินเหล้าเมายาก็เรื่องของเขาเขาจะเที่ยวเตะก็เรื่องของเขาเราไม่เอาตามเขาเท่านั้นเองแต่ต้องคบกันเราอยู่ในโลกนี้มันต้องเจอกันท่านสอนสัตเปสัตตาเวลาหมตุกนสัสัพเพแปลว่าทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นคนพานหรือคนคนบัณฑิตก็เป็นสัพเพสัตตาเหมือนกันถ้าต้องเจอกันต้องคบค้าสมาคมกันก็ให้ความเมตตาต่อกันตามมารยาทแตะถ้าไม่จาเป็นจะต้องคบก็อย่าไปคบเท่านั้นเองถ้าไม่มีคาจําเป็นเด็กได้ก็เหล็กถเหล็กไม่ได้ก็ต้องใช้เมตตาให้กับเขาไป แต่จะต้องไม่ให้เขามาดึงเราไปในทางที่ไม่ดีพอเข้าใจครับเข้าใจครับผมตอนแรกผมจะชอบแบบว่ามาเหมสุดโต่งเกินไปนอย่างเงี้ยเหมือนกับไม่อยากจะคุยเขาเลยพอเขาพูดถึงเรื่องไม่ดีอะไรเยครับธรรมะของพระเจ้าจนี่สอนในทางสายกลางทุกอย่างเราต้องมาทีมา โดยใหญ่พวกเราปฏิบัติชอบสุดตรงมันถืออะไรก็ถือสุดตรงถือศีงก็ถือสุดตองใครไม่ถือศีนหน่อยก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยอะไรไม่บริสุทธิ์ขึ้นมาอะไรมันไม่ใช่หรอกมันต้องรู้จกักเป้าหมายของการกระทำต่างๆคาสอนต่างๆมีไว้เพื่ออะไรไม่ได้มีไว้เพื่อรังเกียจเดียดชันใคร ไม่มีไว้เพื่อยกตนขอมท่านว่าฉันถือสีนแปดเธอถือสินห้าเี่ไม่ใช่ปัญญาครับอืองันก็ต้องใช้เหตุผลใช้ปัญญาอย่าลืงความเมตตาเป็นพื้นฐานถ้ามีเมตตาแล้วมันก็มันเข้าใจเนาเรานี่ยก็ต้องเขาถือสีนห้าเราถือสีนแปดแล้วก็ต้องเมตตานเนาะเน หรืไม่ถือศิลอะไรแล้วก็เมตตาครับอาจารย์ครับแล้วก็ออย่างถ้าสมมติว่าพ่อแม่เราหรือว่าผู้ใหญ่เนี้ยครับสมมติว่าเขาทะเลาะกันหรือทําอะไรที่ไม่ค่อยถูกเนี้ยเราเราเป็นเด็กเนี้ยเราเราเรามีสิทธิ์ที่จะพูดหรือว่าเราจะควรเฉยๆครับอาจารย์ถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ต้องยุ่งเรื่องเขาทะเลาะกันมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดนะ นี่ไม่ต้องไปยุ่งเขาเรื่องผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเรานอกจากเข้ามาปรึกษามาถามก็พูดได้ครับถ้าไม่ปรึกษาก็อย่าไปเสือกครับผมอาจจะครับนนมีทน่นนี้เอาท่านนี้ก่อนนะจะให้คนอื่น<ๆ>มาได้ถามมา ทำไปจังขอรับคำถามไปก่อนคุณมาลีใช่ไหมคุณมาลีพัสดการหลวงพ่ออันนี้อยู่สนัก ง, งานเลยกลับมาบ้านแนละ้วกลับมาบ้านที่คอนโดวุฒตรงวุฒากาลนะคะหลวงพ่ออ่อาันนี้มีอะไรไหมก็หนูหนูว่าจะเอ่อมีมีถามบ้างนิดหน่อยคะ่ะแต่ว่าจะเริ่มตั้งแต่ที่วันพัสดที่แล้วที่หลวงพ่อเทส น, นะคะอา่า ห, หนูก็เข้าใจถึงหน้าหน้าที่ะคะ่ะว่า เออเราต้องเรียนโดยเหมือนภาษาบาลีที่หลวงพ่อเทศอะปริยัตปฏิบัติปฏิเวทแล้วก็ถ้าคนที่เขาสําเร็จแล้วเขาก็ถ้าจะสอนเผยแผ่ธรรมะหรือไม่สอนก็ได้ใช่ป<อ>่ะฮะอ่าแล้วเสร็จเสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็ไล่มาถึงว่าเอวิธีทางเส้นทางในเงี้ยก็คือต้องปฏิบัติา ท, ทานศีลภาวนา<อ>ใช่ป่ะฮะ<อ>ทีเนี้ยหนูหนูก็เข้าใจโดยภาพรวมอะหนูก็เข้าใจ คือกระจ่างอะภาพรวมกระจ่างมากเลยแต่ว่าสิ่งที่หนูปฏิบัตินะคะหลวงพ่อมันที่ทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหนูปฏิบัติแล้ว ม, มันก็รู้สึกว่าเราเรามาถึงแค่ว่าทําคําว่าจิตรวมที่หลวงพ่อเทศว่าถ้าใครใครมาถามอะถ้าไม่ลองปฏิบัติอะมันก็อธิบายไม่รู้ไม่ต้องต้องทําได้ตัวเองใช่ไ่มคะหนูก็ก็เขาเข้าใจว่า จิตรวมตัวเน็กหมายถึงว่ามันสงบมันนิ่งแล้วก็ที่อันนี้ตัวหนูนะคะคือมันมันไม่ได้รู้สึกว่าที่หลวงพ่อบอกว่าความสงบอะไรนะความสงบอื่นที่เหนือกว่าว่าอันนี้หนูยังไปหนู ไ, <ม>ไปไปไม่ถึงแต่ว่าหนูถึงแค่ รู้สึกว่ารู้สึกแค่รู้สึกดีรู้สึกอยู่กับเวทนาได้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กังวลกระวายอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าการที่จะไปต่อทางด้านปัญญาได้เนี่ยเราต้องฝึกฝึกสติฝึกสมาธิเนี่ยจนชำนาญชำนาญในที่นี้หมายถึงว่าเราสามารถจะเข้าออกสมาธิได้ในเวลาที่เราต้องการอย่างที่หลวงพ่อยกว่าอย่างสมมติห้านาทีจิตก็สงบได้อย่างนี้ค่ะ หนูหนูยังไปไม่ถึงหนูยังใช้เวลามากมากกว่าที่หลวงพ่อสอนนะคะก็พยายามทำสติกับสมาธิต่อไปค่ะปัญญาก็พิจารณาได้บ้างแต่ก็ไม่ทำเป็นมากเพราะว่าถ้ามันไม่มีกำลังมันก็จะตัดกิเลสไม่ได้อยู่ดีค่ะหลวงพ่อแล้วทีเนี้ยหนูใจมันคิดมันคิดว่าเราเราจะทำยังไงเพื่อให้ หนูมีสติมากมากกว่าเดิมแล้วก็ให้มันสงบมากกว่าเดิมทีเนี้ยพอใจมันคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะลหลวงพ่อแล้วจิตมันก็บอกว่าได้ความสุขที่มากกว่าความสงบตรงเนี้หนูยังไปไม่ถึงจิตมันเหมือนมีกังวลค่ะลหลวงพ่อแล้วทีนี้ยมันก็เลยเหมือนปฏิบัติได้แล้วมันก็เหมือนจะถึงแล้วไม่ถึงอยู่อย่างเนี้ยคะ่ะหลวงพ่อมันคือมันจะสงบแล้วมันก็เหมือนถอนออกมาอย่างนี้ยคะ่ะหลวงพ่อ เอมันเพราะว่าเรายัางมีภาระมีเกี่ยวข้องกับอ่คะภารกิจการงานครอบครัวอะไรต่างๆ อ, งอแล้วเขาปฏิบัติไปถึงจุดเนี่ยเขารู้ว่าเขาถ้าต้องการจะก้าวหน้ากว่านี้ก็ต้องไปปวดเหมือนกับปลูกต้นไม้ในกระถางเนี่ยนะะคเราปลูกไปต้นไม้มันโตโตยั ก, กระทั่งดินในกระถางกลายเป็นรากไปหมดแนละ้วเพราะว่า มันถูกกินหมดแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะโตไปกว่านี้ได้<า>ใช่ต้นไม้โตกว่นี้ก็ต้องเอาจากกระถางลงดินะแต่ว่าเราด้วยที่ว่าเรามีภาระงอย่างนั้นเราก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อก็แล้วแต่เราเจราะถือว่าเป็นภาระงหรือไม่เป็นภาระงหรือว่าจะตัดได้ไม่ตัดไม่ได้มันอยู่ที่เราชั่งน้ําหนักดูววค่ะ ถ้าถ้าถ้าสมมติว่ายัางยังเป็นคาราวาอยู่นะคะยังต้องทำงานทีนี้การปฏิบัติเนี่ยมันคือได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่มันเวลามั น, ม, นมันจกัดมันไม่ได้เต็มร้อยทำงาน8ชั่วโมงปฏิบัติได้2ชั่วโมงแล้วที น, นี้หนูหนูก็ทีนี้ก็อาศัยว่าเช้าต้องไปทำงานหนูก็เลยว่านอนตอนกลางคืนแป๊บหนึง่งแล้วหนูก็ตื่นขึ้นมา ทำคือทำเพิ่มจากเดิมอะค่ะหลวงพ่อปีสี่ได้มันก็มีขีดจำกัดมันต้องไปแต่ก็ดีหละทำให้รีดเอาเวลาเอามาให้เรามาใช้ในการปฏิบัติให้ได้มากที่สุดกลายกลายเป็นว่าตอนนี้มันเหมือนนอนน้อยลงใช่ไหคะหลวงพ่อตอนกลางคืนตอนกลางคืนตื่นมาปฏิบัติ เสร็จแล้วพอตีห้าหนูต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะออกไปแต่งตัวทําอะไรเงี้ยค่ะจะเพื่อจำ ต, ตัวจะไปทํางานตอนเช้าใช่ไหมคะพอไปถึงออฟฟิศทาภารกิจอายเสร็จเรียบร้อยประมาณเจ็ดโมงครึ่งเจดมงครึ่งนิดนเนี่ยหนูก็ไปทปําปฏิบัติต่อจนถึงแปดโมงครึ่งอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อนั่ห ล, ละก็ดีก็ทำเท่าที่เราทําได้แต่ <ลง S 2> ตก็ต้องดูมันกระทบกับร่างกายด้วยว่าร่างกายจะถูกมันพักผ่อนพ อ, รพอรหรือเปล่ามันอะไรพอรหรือเปล่า ค่ะหลวงพ่อแต่เมื่อเช้าหนูหนูไปปฏิบัติหนูรู้สึกมันดีมากเลยค่ะหลวงพ่อคือมันพยายามนึกถึงที่หลวงพ่อบอกว่าตอนทําสติทําสมาธิเนี่ยมันเหมือนจิตใจเราต้องไม่ไปคิดเรื่องอื่นหนูพยายามเหมือนบังคับใจแล้วทีเนี้ยมันก็เริ่มมันรู้สึกดีมากมคือมันสงบค่ะหลวงพ่อพอพอเรามีกําลังใจแบบเราทําได้เราไม่รู้สึกว่าไอเวทนาที่มันมา พร้อมกันเนี่ยเราไม่รู้สึกเจ็บปวดเรารู้สึกอยู่กับมันได้มันเหมือนมีกําลังใจพ่ะหลวงพ่อว่าเราอยากจะอยากจะปฏิบัติอีกแต่แนละ้วด้วยว่ามันหมดเวลาแล้วคะหลวงพ่อใช่เพราะนั่นแห ะ, ะ, ะ, ะแล้วมันก็จะต้องคิด ว, ว่าจะทำนี้ไปได้นาเท่าไหร่ถ้าเพราะว่ามันถึงทางสัน่นใช่ไหมค่ะหลวงพ่อถ้าจะให้มันไปไกลวันนี้เร็ววันนี้ก็ต้องขึ้นทางดวนนะก็คือต้องเลือกใช่ไหมคะ่ะหลวงพ่อ ก็นั่นแหละก็ต้องต้องดูเหตุผลหลายอย่างด้วยกันนี่ว่ามันถ้าเราปล่อยวางพอละแล้วเขาอยู่ได้หรือเปล่าเขาช่วยตัวเองได้หรือเปล่าใช่หลองพ่อเดี๋เดียวขออธิษฐานจะกลายกายเป็นความร้าความเมตตาไปใช่คืออาชีพที่ผ่านมาหนูกลับไปบ้านแม่เขาก็เหมือนเปิดเปิว่าถ้าไม่มีลูกแล้วเขาจะทํำยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาเออ เขาก็บอกว่าแล้วเขาใครจะช่วยเขาใครจะดูเขาอะไรเ ง, งี้ยคระหนูก็ยังยังพูดไม่ไม่ได้เต็มปากเท่าไหร่ขนาดนั้นก็ลองทำแบบพาร์ทไทม์เลยได้ไหมเราว่าทำงานให้น้อยหน่อยหรือเปลี่ยนอาชีพทำงานที่เราสามารถที่จะทำน้อยเช่นค้าขายของเครื่องสำอางขายอะไรเราเวลาแบ่งเวลา บางทีเดือนหนึงไปวัดสักสิบวันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวหนูจะลองหาทางดูก่อนค่ะหลวงพ่อเออก็ยังไม่ไม่ทิ้งแม่เลตรงก็เป็นแต่ว่าทิ้งช่วงครั้งช่วงคาวไปวัดทีละสิบวันใช่แล้วงานก็ขายแบบตามวิตามสะดวกของเราใช่ตามตามความจําเป็นของรายได้ที่เราต้องมีแต่แต่หนูก็เกินเกินกับน้องไว้ด้วยค่ะหลวงพ่อว่า ถ้าเกิดสมมติเราเราตัดทางนี้ได้เราจะไปทางนี้เขาเขาก็เหมือนเราจะฝากให้เขาดูค่ะหลวงพ่ อ, พอแต่ว่าก็ออตองยน อ, อ, อยู่ที่เ้าว่าเ้ า, เายินดีหรือไะ่เขาโนโมธนาหรือไมเรียกว่าโมทนาดุเนี่ยสองถึงพ่อวันนี้หนูก็มีแค่นี้ค่ะคือคือได้ถึงตรงที่ว่าไปต่อยังคือเหมือนสติยังไ ม, ยงไม่ยังไม่แข็งพอค่ะหลวงพ่ อ, พอ เพราะว่าสิ่งแวดน้อนมันไม่สบายอะสถานที่มันไม่มสบายอะ ม, มันต้องที่วิเวกสงบไม่พุกพลา้านไม่คุกคีกับใครนะพระพุะเจ้าบอกว่ า, วาให้เือหลักหนึ่งต้องปิดวิเวกแล้วก็ไม่คุกคีกันไม่คุกคีกับใครไม่ยุ่งเกี่ยวใครที่ไม่จำเป็น เอาคุ S <S ้กกี้กันเฉพาะเวลาที่จําเป็นนะแล้วนั้นก็ปลีกตัวปลีกตัวไปหาที่สงในปฏิบัติธรรมของเราหลวงพ่อคะแล้วมีมีไหมคะคะววารวะที่เขาเขาแบบเขาเจะไปทั้งสองทางได้หมายความว่าไม่ไม่ต้องไปขึ้นบันได หมายความว่าไม่ต้องขึ้นถึงบันไดขั้นที่สามหรือขั้นที่สี่เนี้ยแต่ว่าให้ให้อยู่ในขั้นที่หนึ่งอย่างเงี้ยมีนะคะก็เป็นไปได้อยู่ที่กําลังจิตของเราปัญสติปัญญาของเราว่ามันสามารถละสังโยชน์ได้หรือไม่เป้าหมายของการปฏิบัติ ก, กัเพื่อละสังโยชน์เสร็จนี่สกายาทิฏฐิวิจิตติฉาสีสาลัพตตาปรมาอครับการมาลาคะปฏิฆะเนี่ย สัมโยนเรื่องต่ำสัมโยน์เรื่องบนก็รูปราคะอรูปราคะทิฏฐิอ ม, มานะแล้วก็อุทั จ, จัแล้วก็อวิชาถ้าละได้มันก็ก็มีบ้างแต่มันโอกาสที่มันจะละได้มันยากกว่าพวกที่ไปอยู่คนเดียว แล้วยิ่งทําไปอยู่กับในสํานักที่มีครูบาอาจารย์คอยช่วยสอนด้วยมันยิ่งยิ่งดีเลยแต่มาจะพูดจะคุยกันนี่พอปฏิบททัติจริงจริงบางทีมันก็งงแล้วมันก็หลงได้ใช่ใช่ค่ะหลวงพ่ อ, ร อ, อพรบางทีปฏิบัติไปอ่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนคําตอนเรามันมันเงียบแล้วมันนิ่งหนูหนู่นเข้าใจที่หลวงพ่อเขียนว่ามันเหมือน ร่างกายเราอะเป็นพื้นเดียวเป็นพื้นอันเดียวหนูรู้สึกเหมือนที่หลวงพ่อเขียนแล้วอะค่ะหลวงพ่ อ, อตอนนี้นะคะแล้วทีเนี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีคือมันยังไม่ได้แบบยาวๆสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันได้เป็นช่ช่วงมันต้องสงบทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและออกจากสมาธิก็สงบตอ่อใค่หล้วพ่อมันต้องอาศัยเข้าบ่อยๆอยเข้ามากๆ แล้วต่อไปมันจะมันก็มีอย่างต่อเนื่องตอนนั้นจิตก็พร้อมที่จะพิจารณาทางปัญญาเพื่อตัดสัมยชนได้ก็ทำไปก่อนทำเท่าที่เราทำไปก่อนอย่าไปทุกข์กับมันนะอย่าลืมอย่าไปทุกข์ความอยากอยากจะบรรลุมันจะทำให้ทุกข์ได้นะถ้ามันเกินมันกลายเป็นมชิมามันกลายเป็นกิเลสไป กายเป็นกิเลสและกลายเป็นความเครียดเหมือนเราจด<ช>จ้องว่าทําไมลหลวงพ่อบางทีหเหมือนกับว่าเราใจมันคิดว่าเอ๊ะทําไมเราไม่เห็นสงบเหมือนที่ลหลวงพ่อว่าอะไรเงี้ยมันก็จะนั่งได้ไปพักเดียวแล้วมันก็ถอนออกมาพอถอนออกมา ม, มันไม่เหมือนกันเหตุมันไม่เหมือนกันเราปฏิเสธนอนเจริญสติได้ไม่กี่เมื่อกี่นาทีเหมือน ของเรานี้จะเดินทั้งวดนอยู่คนเดียวตลอดเวลาคือถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าชั่วโมงมันน้อยไปใช่ไหมคะคุณผู้ชมชัวม่วโมงบินน้อยไปยังติดเปีกไม่ได้ก็ยังไม่ติดพ่อหนูว่าหนูจะพยายามจะทําอย่าง อ, อ, อย่างนีนูนความพยายา ม, ามอยู่ที่ไหนครับจำเลยหลสงพ่อแล้วทีนี้มันจะ มันบางครั้งอ่ะมันจะกลายเป็นบ้าได้ไหมคะคือเราจดจ่อไปอย่างนี้นคือคือบ้าแบบไม่ไม่บ้าแบบไม่มั่นชินมาแต่ว่าไม่อาจจะม้าบ้าแบบสุดต่ง อ, อะไรทำนองนั้นอ๋อใชแล้วก็ต้องต้องรับครอต้องดูดูเราดูเขาไม่ใช่ดูเราคนเดียวเราอยู่ก็บโลกอยู่ว่าสังคมก็ต้องดูเขาด้วยอ๋อ เพราะว่าอย่างอย่างเวลาปฏิบัติเงี้ยค่ะหลวงพอ่อกลางคืนเขานอนกันหมดเราก็จะลุกขึ้นมาเป็นตีเป็นดึกเงี้ยค่ะไม่เป็นไรถ้าไม่มีใครรู้ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วพอไปที่ทํางานเหมือนกับพอเราเคลียร์เรื่องลูกเรื่องอะไรเสร็จเนี้ยค่ะหลวงพอ่อพอได้เวลามันก็จะขึ้นขึ้ น, นคือที่ออฟฟิศเนี่ยมีสิบเจ็ดชั้นเขาจะมีทาห้องพระห้องวิปัสสนาไว้อะค่ะหลวงพอ่อ ตอนเช้ามันก็ไม่ค่อยมีคนหนูก็จะไปนั่งอยู่คนเดียวอะไรนี้ค่ะก็ถึงแปดโมงครึ่ะคะก็เมื่อเช้านี้สงบมากๆเลยค่ะหลวงพ่อไม่ต้องบอกใครดีที่สุดการอธิบายเราต้องเป็นเรื่องแบบ่เหลงพ่อนแบบขโมยขึ้นบ้านแล้วไม่มีให้มีใครรู้หนูไปแบบว่าคือไม่ไม่บอกใครไม่ให้คุณไม่ต้องให้ใครตามเราคนเขาไม่เข้าเห็นแล้วเขไม่เข้าใจก็ก็จะว่าเราบ้าใช่ค่ะหลวงพ่อ ต้อปฏิบัติแบบขโมยแบบขึ้นบ้านไ ม, ไม่ให้ใครรู้ปฏิบั<อ>นั่งสมาธิไม่ให้ใครเห็นเดินโยกมคอแมใ่ใครเห็นไม่ใช่เดินกันแบบแบบโวดกันด้วยฉันเดินโยกมืยอย่างไงไม่ใช่ น, นั่งสมาธิก็นั่งอวดกันยังไไม่ใช่ครับมันปฏิบัติจริงๆเขาเขา อันนี้ไม่มีใครเลยค่ะหลวงพ่อเพราะว่าตอนเช้าอ่ะส่วนมากคนเขาไม่กล้าขึ้นไปอ่ะเขาบอกเขากลัวกันมันเงี่ยค่ะหลวงพ่อเพร า, รามันแล้วยินงชอบใหญ่คนใช่ค่ะที่ไหนกลัวๆนดี่ น, นันสงบได้จิตหนูไม่อยากให้ใครแบบขึ้นมาเลยค่ะหลวงพอ่อจนแบบหกแปดโมงครึ่งหูวเมื่อเช้านะหนูหนูดีใจตรงแล้วมันมีกําลังใจค่ะหลวงพอ่อมันสงบแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากอยากทําอีกแต่เวลามันหมดเงี้ยค่ะหลวงพอ่อ ทำไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวมันก็เห็นช่องทางเองค่ะแล้วทีเนี้ยยกที่หลวงพ่อเทศบอกว่าเหมือนมีคนถามหลวงพ่อว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้ได้ยังไงอะไรเนี้ยหลวงพ่อก็ตอบว่าอ่ะแล้วเรากินข้าวอิ่มอ่ะเรารู้ไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เล ย, เยกันนะหนูก็เลยเออโอเคไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องถามก็ทําไปเรื่อยๆทำํำจิตมันอิ่มก็รู้สึกเองค่ะหลวงพ่อจิตหิวตอนนี้จิตหิวหิวด้วยกิเลสความอยากต่างๆ เดี๋ยวเกเหยุดปั๊บบื้องจิตมันก็เอ็มเอ่มอมันก็ให้เห็นค่ะวันนี้หนูมีคำถาม ค, คำรายงาน<ด>จาก บ, บ้า น, น <ะ S 1> แค่นี้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยผู้ที่เ็ายังตามหลังเลขอบอกคุณถล<อ>่มพ<อ><อ>่อนะเป็นพี่เป็นพี่ให้น้องน้องเขาเห็นเป็นตัวอย่างหนูดีใจที่มีสมพ่อเป็นครูเป็นอาจารย์ค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้จะไปถามใครแล้วก็เวลาที่เราจะไปต่างจังหวัดที่ไป จังหวัดที่มีพักปฏิบัติไกลๆหนูก็ไปไม่ได้สมัยนี้เราโชคดีมีซูมมีอินเทอร์เน็ตค่ะแต่แต่หนูก็ตั้งใจว่าสักวันหนูจะไปกราบหลวงพ่อที่ที่วัดนะคะ เออได้มาก็ได้ไม่มาไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะนี่ก็ใจกลางะเห็นด้วยค่ะแต่หนูก็อยากจะไปเห็นองค์เป็นเม น, นน้องออมาก็ไม่มีเวลาได้คุยดได้ทำแบบว่าคนเยอะเวลาอย่างน้อยหนูหนูตั้งใจว่าหนูจะต้องไปถวายทานใส่บาทหลวงพ่อสักครั้งหนูค่ะโอกาสจะคุยแบบนี่ไม่มีครับใช่ใช่หนูข้าหลวงพ่อข่าหลวงพ่อมีเดี๋ยวนี้มีคนมาขอเวลาจะขอมาคุยสองต่อส<ข>องบก็เข้ามาในชุมที เวลาเราไม่มีเวลาแล้วล่ะเพราะเราก็ต้องมีภารกิจอย่างเดียต้องทําช่ไหหลพ่อหนูหนูจะเข้าวันนังคารน่ะหนูจะเข้าไปดูที่หลวงพ่อสอนอ่าใช่ค่ะหนูหนูเข้าไม่ได้งานหลวงพ่ออ๋อต้องเข้าอีกง่ายหนึ่งเข้าภาษาอังกฤษตามตามชื่ออันนี้ใช่ไหมคะเออแต่ลิงที่เราลิงที่เราใช้เข้าวันนี้ก็ใช้ได้ใช้ใช้เมื่อคืนนี้ได้ ดี๋แต่ในในเฟซบุ๊กก็มีภาพภาษาอังกฤษเดี๋ยวให้คุณคุณหลาคุณหาส่งลิงก์ไปให้ดูก็ได้คือภาษาอังกฤษค่ะลงองดูถ้าดูายอดหลังก็ได้ตอนนี้ก็มีถ้าหนูจะไปฟังคื อ, อภาษาอังกฤษหนูไม่ค่อยแข็งแรงแต่หนูก็อยากจะอยากจะฟังอยากจะดูค่ะก็คนปฏิบัติเยอะชาวต่างชาติเก็ปฏิบัติกันเยอะแล้วส่วนใหญ่เขาถามแต่เรื่องปฏิบัติใช่ไหมคะเรื่องปฏิบัติเขาไม่ค่อยมีเรื่องอื่นเท่าไหร่ เรื่องกรรมเขาก็สนใจเรื่องกรรมเรื่องปฏิบัติเรื่องพะสูจน์ที่สำคัญต่างๆอยาจะรู้พะสูตน์ไหนบ้างอะไรบ้างนี่ก็ดีเราถ้าสนใจก็ลองเข้าไปฟังถึงเมื่อคืนนี้ก็เพิ่บานมาเดี๋ยวคุณลาส่งลิงก์ไปให้ก็ได้ค่ะขอบพระคุณขนงพ่อ แต่ใช้ลิงของชาตจะเข้าสูงกใช้ลิงขงสูงได้แต่ต้องรอเวลาที่มีการถ่ายทอด<อ>เวลามีการประชมุมก็สองท่มแบบคืนนี้เป็นคืนวันรังคารแทบนบโอเคนะค่ะขอบพระคุณนนคนณพ่อคุณภัฒนาเชิญคุณหมอต้องเกคุณหมอ้ อ, มอนอะมัการณ์ว่ะไรค่ะพระอาจารย์ยึงเป็นลูกศิษย์อยู่เลยอาจารย์ต้องน้มักการณพระอาจารย์แล้วก็สวัส ด, ดีคุณคุณหลานคุณชัยนะคะ ก็วันนี้มีคำถามสองข้อนะคะอาจารย์แต่ว่าขอราย ง, งานจากอาจารย์วันอาทิตย์ที่แล้วะค่ะก็ ตั้งใจไปเลยไปวัดบุญญาวาดก็พอดีว่าเนี่ยที่เรียนอาจารย์นะคือเขาปิดเขายังไม่เปิดปอนตก็ไปไปเกาะ อ, อยู่หน้าแล้วก็แล้วก็ผมเออเพราะว่าเราไม่ได้ดูเองเราเล่นเล่อเราก็ดูในเฟซบุ๊กอ่านประวัติท่านอาจารย์สารอ่านรางวัลหลวงพ่อชาแล้วก็ฟังเทศคือเตรียมตัวไว้ก่อนหลวงพ่อเพราะว่าจะได้จะได้ดูว่าเดี๋ยวแบบเราตั้งใจไปอย่าเงี้ยอยู่ก็เลยก็เลยไม่ได้เข้าไปคืนพรุงนี้ท่านก็จะมีการแสดงท่านสองทุ่มสองทุ่มที่ห้าสิบห้าสิบ พ <Okay. S 1> ยายามจะฟทำคำว่าอาจารย์ต่างก็งเข้าไปทำได้ในเช่นกันาวาว่าวันมาพระบูชาถ้าเกิดวัดเปิดก็จะไปวัดอบ้านตีห้เพราะว่าต้องไปให้ทันพระอาจารย์ด้วยพระอาจารย์ก็ไม่ให้ทันพระอาจารย์ตั้นก่อนเก้าโมงให้ท่านเห็นตัวก่อนถึงจะไปจองอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งใจพระอาจารย์เพราะว่าะะกพรอาจารย์แนะนําไปแล้วต้องแบบ ก, ก็อยากจะไปทําพระอาจารย์ค่ะก็มีคําถามสองข้อนะพระอาจารย์ก็คือว่าอันแรกก็คือว่าตอนนี้ที่เจริญปัญญาพระอาจารย์ก็คือว่าเจริญเราใช้ไตรลักษ จับทุกอันเลยใช่ไหมพระอาจารย์นั่นคือตั้งตั้งเมื่อตอนนั้นเราติดอยู่แล้วผมผมขนฟันเล็บเนี่ยก็คือผมเนี่ยก็ใช้ไปลากหมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ออกมาขาวแล้วก็ร่วงยังไงแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราอย่างไงทุกทุกกลไวะเลยใช่ไหมพระอาจารย์เอาให้ละเอียดมันก็จะหมุนไปได้เนี่ยแล้วก็อาการสิบสองมาซุปผ้านวัดนวัดปฏิปฏิกรูนได้หมดเลยใช่ไหมพระอาจารย์คือว่ากว้างระบว่างเดินการได้ตาก็มาอันนี้เลยถูกต้องแล้วนะคะว่า ก็มันก็จะทําได้มากขึ้นเพราะว่ามันสนุกมันสนุกกว่าที่จะเดินไปคาตาะอาจารย์เพราะมันเพราะเราวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะพระอาจารย์มันก็จะมองเห็นแล้วเราก็ใส่ลงไปว่าอ้วิวัตทาอะไรอะไรเสื่อมยังไงมันยังไงใช่ไหมมันเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเพื่อเวลามันเป็นอะไรเราจะได้ไม่เดือดร้อนแล้วก็เราแล้วก็ของสามีของลูกของเพื่อนทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะกายในการในโลกายเป็นเป็นดิน้่ำลงไปเป็นตุ๊กตา อันนี้ผ่านแล้วแล้วก็คนนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนแรกคืออยากให้อยากถามพระอาจารย์ว่าการเตรียมตัวที่จะไปอยู่ที่กุฏิที่นู่นยังไงเพราะว่าคือดูในในในเฟซบุ๊กอ่ะดูแบบอยู่ในป่าแล้วก็ไม่มีไฟตอนแรกก็ให้เรียนพระอาจารย์ว่าไม่กลัวอะไรนะแต่ว่าคือเราไม่เคยอยู่อย่างนั้นก็รู้สึกว่าเออต้องตั้งสติก่อนมีโช่วงนีที่ยังยังปิดวัดอยู่ก็ดีเหมือนกันเพราะจะได้ตั้งสติทําทําให้มันแบบให้มันก่อนที่จะไปทําข้อสอบแบบพระอาจารย์ต้องเตรียมตัวยังไงสําหรับที่จะไปอยู่ธรามดาว่าป่านี่ก็ต้องมีไฟาแล้ว เพราะวัดปาก็จะไม่มีไรฟ้าส่วนให ญ, ญ่ต้องเตรียมไฟฉายเตรียมทานไฟฉายไฟเนื้อเอออ๋อไม่อหมายถึงเตรียมตัวเราเพะงั้นไม่เป็นไรแต่ว่าหมายถึงว่าเตรียมให้เราต้องทําอะไรคือที่จเรากลางคืนเราอยู่คนเดียวเนี่ยเห ม, <า S 1> มือน<า>เราปฏิบัติเราอยู่คนเดียวแล้วพปฏิบัติกันเตรียมตัวเอเตรียมปัญญาเตรียมสติเตรียมปัญญานับกับความกลัวกลัวก็เริ่ม้วกลัเนี่ยเริ่มแล้วว่าวมันจะมีกลัวอมดก็พุ่นโทแล้ว ปัญญาก็อย่างมากก็แค่ตายว่าใช้ใช้ปัญญาก็คือพิจารณาแค่ว่าสัตว์ร้ายก็เข้ามาไม่ได้คือใช้ปัญญาได้ใช่ไหมพระอาจารย์จะทําสี่อย่างก็คือปิติสมาธิเออ่วิปัสนาแล้วก็เดินจงกรมอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์เดินจรนั่งสมาธิทำความสะอาดดูแลสถารที่ให้สะอาดป่าอะไรให้เรียบร้อย เร อ, อยากทดสอบพระอาจารย์เพราะว่าอยู่ที่บ้านอย่างที่พระอาจารย์บอกคือมันไม่กลัวอยู่แล้วเพราะมันบ้านเราก็ไปสถานที่อื่นจะดูว่าไอ้ที่เราทํามาเนี่ยมันเพราะจริงๆตัวเองสมัยตอนที่ไปใช้ทุนนะพระอาจารย์ก็นอนตรงข้างกับห้องเก็บศพคือแบบไม่ได้คือเคยคือนอนบนต่นังหวัดอยู่ที่บุรีพระอาจารย์ก็นอนได้เพราะว่าเราไม่คิ้งใจนคะคะตอนแรกที่พอเห็นกุติที่มืดๆเพอดูใน Facebook อ่ะเริ่มแบบเฮ้ยมันน่ากลัวแต่พอเราแบบเฮ้ยไปคิดมันเป็นต้องอยู่ปัจจุบันก็เลยไม่กลัวละแล้วก็พอดีไปเห็นวัดก็รู้สึกวว่่าาาาาัดหหนน้ออยยยูเเลพรรระจจ์็ิงข ก็เลยว่าเดี๋ยวมาถามพระอาจารย์เตรียมตัวธรรมดาใช่ไหยคะก็ธรรมดาเตรียมใจอเตรียมใจเตรียมสติตเตรียมปัญญาเตรียมสู้เตรียมสู้ใจมต้องหักลุ้ยเรืงส่วนตัวกันนัไว้ต้องไม่ยอมแพ้ตูตามน้องตามน้งบอกเราเป็นไม่เสียชีวิตอาจาย์ไม่ใช่นักหลบนักหลบแต่เพราะอ่านที่พระอาจารย์โดนงูกับปากกัดชกอ่ะน้องบอกหูพระอาจารย์ตอนนั้นที่พระอาจารย์เดินออกไปแล้วไม่ใช่ไปสายแล้วโดนชกไงพระอาจารย์แล้วไปนอนรอสเตลลุ่มอะ อ า, <ห><ห>าจารย์ยับอกยังยังมีตรงนี้เลยเราก็ต้องเดี๋ยวเราก็ต้องไปมากเอาละอ่าเดี๋ยวถ้เกิกดว่าใดวันไหนเราจะมาเรียนพระอาจารย์ได้ฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวปฏิบัติก่อนก็ทำอันที่พระอาจารย์บอกเดี๋ยวลองดูว่าจะให้กรงเราเพราะว่ารู้สึกว่ามีกําลังใจเพราะว่าพอมันมีข้อสอบที่อยู่อะ่ะเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนกับทําข้อสอบอ่บพระอาจารย์เราก็ต้องเตรียมตัวเราเองแล้วก็เพื่อจะได้ผ่านข้อสอบวันนี้เป็นที่ได้ ก็เลยเดี๋ยวทำบัตรก่อนแล้วถ้ามีอะไรจะมามาถามผู้อาจารย์ใหม่แล้ววันมาค่ะจะไปกักผู้อาจารย์แล้วก็จะไปวัดนี้ด้วยถ้าเขาเปิดอ่าดีเราไปดูนะค่ะได้คะอาจารย์เรวโทรไปจองไว้นุ่งหน้าก่อนไม่ได้ไม่ต้องไปเจอผู้อาวุโสก่อนเขาบอกต้องไปเจอผู้อาจารย์ตัางก่อนเพราะว่าร้อยังปิดไงผู้อาวุโสเข้าไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่เปิดเลยนะคะเนี่ยก็ดูเฟซบุ๊กเขาจะลอกเขาไม่ประกาศเปิดเลยคือพอเปิดปุ๊บเราต้องไปหาพระอาวุย์ตัางก่อนให้ท่านให้ท่านสัมภาษณ์ท่านครูสัมภาษณ์ดูว่าจะมาทําอะไร จิตวานะเพราะว่าเราไม่เคยเพราะว่าตัวเองไม่เคยเจอพระอาจารย์แบบนี้ไม่เคยเจอไม่รู้จักช่านคงสัมภาษณ์แล้วก็พอกลับมาพูดเขบอกให้ค่อยให้โทรกลับไปจองคือต้องทําเป็นสองสองตอนอย่าอย่าอย่าไปอ้างชื่อเรานะอย่าไปอ้างนอกจากถ้าท่านถามว่าพูดได้แต่อยู่ดีอย่าไปบอกว่าพระอาจารย์แนะนามาอ๋อได้ถ้าท่านถามก็โอเคถ้าท่านไม่ถามอย่าไปก็แล้วท่นจะแล้วให้ท่านสัมภาษณ์ท่านไปสอบทำไปสอบสัมภาษณ์ท่านจะสัมภาษณ์เรา ได้ได้่อจะถามที่มาที่ไปของเราเป็นยังไงมาไงเรียนที่ไหนมาอะไรหรือเปล่าได้งเรานี้ใจอยากไปพูดนะเชิงมว่าเอาบัตรแบงเราไปใช้ไม่ได้เราแบงกกันที่ไหนไม่ได้ได้เดี๋ยวฉันส่งท่าต้องสร้างบเ้ราม่บัตรเดงอ๋อนีที่ไปก็รู้สึกนะแต่เพราะาเราเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้ คือจะไม่ทำให้ทำให้พรอาจารย์เสียชื่อเพราะรู้สึกว่าเราอุตส่าห์เรียนกับพระอาจารย์มาแล้วก็จะลองไปดูตรงนี้ตรงที่พระอาจารย์แนะนำคือว่าจะไปทำรู้ว่าเราผ่านคัดสอบที่พระอาจารย์บอกไหมก็ลองไปดูแล้วก็จะใช่สัมภาษณ์ว่าเราตั้งใจอ่างพระอาจารย์แล้วก็ลองดูว่าจริงๆแล้วแฟนเขาก็กักดจะลาไปด้วยนะคะก็ลองดูว่าสัมภาษณ์ผ่านไหมแฟนบอกว่าเขาอาจจะสัมภาษณ์ไม่ผ่านเพราะเขาทำน้อยกว่าเราไงเราก็บอกไม่เป็นไรก็ไมสัมภาษณ์ทั้งสองคนถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวขับรถคนเดียวได้มันอาจจะเป็นข้อสอบด้วย ไม่มีปัญหาเพราะอาจารย์ท่านไม่รับก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเาเรียนติดการพยาการเราไปอยู่ล้มตาขั้งแรกท่านก็ไม่รับท่านบอกว่าอยู่ได้ชั่วข่าวค่ะนันนี้ก็เป็นข้อสอบอย่างนึงของสํานักต่างๆก็จะไม่ยินดีรับเราไม่เปนไรก็ต้องไปหลายครั้งแลอาจารย์ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าก็แค่อย่าไปวังให้เขารับเราเป็นวีไอีไม่มีอ่ะเาจะรับเราเป็นแบบผู้ขอทานให้เป็นผู้เพวก้เสพผวกเด่นน่น ใช่เขาไม่รู้จักเราเลยเขาก็ไม่รู้ว่าเราตั้งใจป่ะเขาจะต้องเหมือนนันเขาต้องเสาะใจเราด้วยเขาก็คงกลัวเราไปมั่งเทงในกุฏิแล้วเขาเกิดมันกลัวมากไงว่ะอาจารย์เพราะว่าก็คงมีคนที่แบบเขาแบบสติแตกหรื อ, อไงว่าอย่าไปเรียกร้องอะไรนะไปให้เขาเขาจัดอะไรให้อยู่หรือไงก็ยินดีตามมีตามเกิดเถอหลราฉันโดยก็กล่าว่าถ้าเกิดให้ฉันไม่ใช่ให้ทานมื้อเดียวก็สบายแลย้วเพราะเราเราอตอนนี้ก็คือว่าวันเสาร์าพระอาจารย์ก็คือมาครุกก็ทานแบบช่วงวัดได้จะทานจนกระทั่ง จะทานไปจนทางรู้สึก so ว sort of be so so so so ่าเออเฮ้ยเราไม่ย <by, S 2> ึดติดอะไรแล้วเราก็จะค่อยมาทางเหมือนเดิมก็วันพุธเนี่ยจะถือสี้นวันพระวันพุธวันพรแล้วก็วันเสาร์ถ้าวันไหนวันพุธตรงกับวันพระก็จะเพิ่มเป็นวันฤหัสก็คืออาทิตย์จะเป็นสาวันอาจารย์แล้วก็ทุกดวงวันฝึกเอาไว้ก่อนเพาเดี๋ยวเกิดที่นู่นเขาให้กินมื้อเดียวได้รไม่กลัวความลบากนอาจารย์รูจะสู้อเพื่ออะไรแค่นี้จมายทางที่ดีที่สุดก็คือสัโดายินดีตามมีตามเกิด อย่าไปชื่อเี่ยวจุกจิกอย่าไปขออย่างนั้นขออย่างนี้ขอปกติอย่างนั้นขอปกตินี่เขาจัด อ, อะไรให้อยู่ก็อยู่ตามที่เขาจัดเขาไม่ให้อยู่ก็โอเคอเขาไม่โกรธไม่ไม่มีอารมณ์อะไรเ<ช>ขาหน้าเราใหม่ร<ช>ทงนี้ไม่เดี๋ไปหลายหลาครั้งเราเห็นหน้าไปบ่อยเขาก็ให้อยู่เองนะเพราะฉะนั้นถ้าก็เห็นว่าเราเอาจริงอาจาังเดี๋ยวก็ให้นี่มันหน้าได้อยู่ได้ อาจาอาจารย์ของอาจารย์ซมไม่วยี่ยเราอนภาษาองกอาจารย์มาไม่มีแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่รฮ่เฮ่่าฮ่ัฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าจาฮ่าฮ่าฮ่าฮิาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮอาเปาฮ่าฮ่าฮ่่่าฮ่่าฮ่่่าาา่่า่ ยังมีอาการแอบดีใจแปงว่ายังไม่ได้ก็กลับมาปฏิบัติต่อเพราะว่าบางปอะโยคว่าเฮ้ยมันจะกลัวในใจหรือเปล่าเนี้ยเพราะว่านลางคืนมืดๆเนี้ยก็ยังรู้สึกแบบบางขอมาถามพระอาจารย์ว่าปฏิบัติยังไงเพราะที่บ้านไม่กลัวอยู่แล้วที่บ้านไม่มีอะไรไม่กลัวอะไรจะได้มาฝากคุณมารีนะคุณมารีอยากจะสนใจไปลองดูต่อไปก็ได้จุดสามกดจุดสามหลังก็มีอยู่ผู้ชายกับผู้หญิงแยกอ่าเพื่อนคนหน่งต่อไปสนใจอยากจะไปหาที่ปฏิบัติก็ลอา ดูแล้วดูตรงนี้ว่ า, าอาจารย์ท่านกระดุกดีนะฮะดูรู้สึกชอบเพราะตัวเองเป็นคนที่ชอบคนดูเพราะรู้สึกว่าอาจารย์ที่ดุอะชอบ<ม>เพราะว่ามันเราปฏิบัติไงพระอาจารย์แล้วแล้วถ้าเราถ้าไม่ถ้าไม่ไ ม, ไ, มไม่ดูหรือไม่บอกเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะพระอาจารย์ไฉ่งั้นพระอาจารย์จะ ม, มีปัญหาอะไรนะฮะเรื่องเนี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราตั้งใจทําตรงนี้นะ ว, ว่าก็อยากจะให้มันมันไปได้แบบคือแบบทําไปได้ไปได้จริงจริะพ่ออาจารย์อย่างถึงจะาำข้อสอบไหพระอาจารย์เพราะรู้สึกว่าจริงจริงถามว่าพร้อมไหมก็ คือมึงคงไม่พร้อมหรอกพระอาจารย์ถ้าเราจะรอพ ร, ร้อมไม่ต้องทําก็เลยรู้สึกว่าเอาละแค่นี้ไปลนะคือจะได้รู้ว่ามันมันได้หรือไม่ได้ไงพระอาจารย์ถ้าสอบตอกก็กลาหม่ถ้าไม่สอบตอกก็ค่คอยขึ้นชัน้ะ <c oughs> สนุดกดีพระอาจารย์เหมือนทำข้อสอบชอบมากเลยพระอาจารย์สอบแบบนี้ดีมากเลยอะตัวเองชอบมากเพราะว่ามันเหมือนกับพอคนตั้งใจแล้วอาจารย์มีข้อสอบให้แล้วก็ทําทำข้อสอบแล้วก็ขยับไปเรื่อยเรู้สึกว่าสนุกพระอาจารย์ดีโอเคนะ ท่านที่สามคุณเวลาสิในท่านที่สนี่พวกคนๆทำงน้นเข้มๆทำงา น, นเนี่ยกลับม า, มาสกการค่ะท่านยกกลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะหลังจากที่เมื่อวานได้ติวเตอร์ไปยกหนึง่งยังค่ะท่านอาจารย์พอหลังจากได้รับคำแนะนำเมื่อวานใช่ไหมคะยมก็ไปนั่งตอนเย็ น, นะคะ่ะ ทั้ <PTSD> งๆ think, hmm. ท desert, right? ี่ยมคิดว่าสติโยมก็อยู่กับแสงแล้วก็พุทโธจาะเข้าไปอีกนะคะท่านแล้วมันก็สงบไปจนถึงอุเบกขาแล้วพอถอนออกมาค่ะโยมก็พุทโธพุทโธต่อมันหดเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามาทั้งๆที่สติโยมไม่ปล่อยนะคะท่านโยมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมค่ะคือเวลามันหดเข้ามาค่ะหรือไม่จะเปไปรู้มันสิจะไปรู้มันถ้ารู้มันก็แสดงว่าไม่สนเลยใช่ไหมคะถ้ามันอึดอัดมากเลยค่ะเหมือนใจจะขาดเลยค่ะมันขาดไปเลยถ้ามันขาดไปกับพุทโธ ค่ะแบบบางทีมันจะสงบเหว่ายอมจะจับมันแน่นไปกรรมการอย่างนั้นมันจะทดสอบใจเราว่าสู้จริงหรือเปล่าพอเราสู้จริงมันก็ปล่อยมันก็ยอมมันก็เปิดทางให้เราเองเยมรู้สึกว่าแรงมันเยอะมากเลยค่ะมันอาจจะเป็นแรงที่ยมจับแรงนัไม่หยุดไมได้แรงเท่าไหร่ก็เรื่องมันอย่าไปยุ่งกับมันค่ะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธอะไรใยมทั้งไม่ให้หุดจักแสงแล้วออค่ะ ไม่ให้หลุดจากแสงไม่ให้หลุดจากพุทโธเลยค่ะออย่างอื่นช่างมันอย่าไปสนใจมันจะบีบลัทธิไงป๋ามันบีบลัทไปค่ะตอนนี้เราเลยแบบเอ๊เราทําผิดหรือเปล่าจากหลังจากที่เข้าลูกค้รว่ามันสุกสุกมากสุกมากค่ะท่านแต่นึไปในใจเอ๊ะเราจะไม่ถ้ามันไม่สุกไม่จะไม่สู้เหรอก็มันมัน่าจะเป็นข้อสอบอันใหม่ของเราค่ะแต่ยมเป็นประเทศกัดไม่ปล่อยค่ะก็เลยก็ก็ทําต่อค่ะแล้วก็ ยัางาะบางทีเวลามันจะผ่านแต่ละขั้นนี่มันจะมีอุปสรรคอะไรความกั้นอีกค่ะมยมรู้สึก น, นะคะท่าน<ม>ตอนที่ยมเข้าไปครั้งแรกอะคะ่ะตอนเข้าไปถึงอุเบกขาะคะ่ะมันลึกกว่าเดิมอะคะ่ะพอมันลึกกว่าเดิมแลม้วมันเหมือนแรงเยอะอะค่ะพอออกมาแล้วแรงมันจะเยอะมากเลยหลังจากนั้นมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้คะ่ะ<ม>บางทียมอาจจะต้องเหมือนกับ ไปแต่ละขั้นมันก็ต้องค่อยๆลองไปนะคะว่าเราจับแบบนี้พอดีไหมแบบนี้แน่นไปใช่ค่ะแรกๆโยมก็ค่อยดูว่าจับจับแบบไหนแน่นไปหรือจับแบบไหนหลวมไปแล้วหลับอะไรเงี้ยค่ะท่านอมอาจจะต้องต้องก็คือให้อยู่กับอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องถูกใจก็แล้วกันนั่นนี้คือหลักสําคัญอย่าทิ้งพุทโธอย่าทิ้งอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อะไรจะเกิดอะไรจะมาอย่าไปสนใจปล่อยมันเกิดปล่อยมันดับมันเป็นอนิจจังอนัตตาก็เลยเมื่อวานก็เลยได้ข้อคิดเองเราอาจจะประมาทไปอะไรเงี้ยค่ะท่านพอพอทําทุกครั้งแล้วมันได้อย่างนี้แล้วมันมีความสุขเข้าลูกเหมือนกันรู้วิธีเข้าเข้าอย่างนี้มันจะถึงตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะท่านแล้วพอพอไปจริงจริแล้วมันสติไปแล้วพอทางี้มันก็ขาดไปแล้วมันก็ไปอนาคตแล้มันไม่ได้อยุดปัจจุบันแล้ว เลยไม่ได้อยู่สติเลยไม่อยู่กับตัวค่ะท่านประมาทเลยค่ะพอมันมาเจอแบบหันนี้ออสตินี้ทิ้งไม่ได้เลยจริงๆค่ะสติเป็นเหตุความสงบเป็นผลอย่าไปอย่าไปจ้องที่ผลถ้าจ้องที่ผลแล้วไม่มีวันสงบได้ค่ะแลช่วงนี้เราก็เราเคยเาเคยสงบมาเราภาวนาตอนนี้เราก็จะให้มันสงบเหมือนทางถ้าคิดอย่างนี้ไม่สงบ มันเจมันอยากเมื่อไหร่จะสงบทักทีเมื่อไหร่มันจะสงบสักยังไม่สงบเลยเก้อพุทโธได้คํำคำคำกลับมาคิดแล้วเมื่อไหร่เป็นสงบทักทีในยี่ห้ออีวานสงบค่ะมันติดไปเลยติดด้วยนะคะท่านมันค่ะผลอันอดีตนั้นนามาใช้กับปัจจุบันไม่ได้แล้วค่ะต้องเอาเหตุอดีตมาใช้กับปัจจุบันได้คือเหตุก็คือพุทโธอย่างนี้ แสงที่เราใช้เนี่ยเอามาใช้ได้แต่เดี๋ยวไปเอาเอาผลมาใช้เราช่วงนี้โยมก็มีความรู้สึกว่าเห็นความอารมณ์ที่มันละเอียดละเอียดในจิตได้ดีขึ้นนะคะท่านอย่างเวลานั่งเวลาโยมภาวนาใช่ไหคะโยมจะหลบลงไปภาวนาที่ห้องใต้ดินเพราะมันจะเงียบกว่าแล้วมันจะเย็นกว่าที่ห้องห้องนั่งเล่นสักสองสามองศาอย่างนี้คะ่ะแล้ว บองวันลงไปรีบลงไปลืมคว้าผ้าคลุมไหล่ไปด้วยมันภาวนาไปก็โอ้อยากได้ผ้าคลุมไหลเพราะมันเย็นอย่างนี้ค่ะท่านเรื่องเห็นอารมณ์ที่มันแบบแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงกับมันอยู่ดีค่ะท่านเห็นแล้วก็เลยปล่อยมันผ่านไปแค่นั้นนะคะรู้ว่าเกิดความอยากเพลินแล้วก็ปล่อยผ่านไปก็อย่าไปทําตามมันก็ถูกต้องล้วเมื่อมันเกิดแล้วก็ดับไม่ต้องไปทําตามมันถ้าจะทำอะไรก็ใช่เหตุผลอย่าไปใช้ตามอย่าไปทําตามความอยาก ถ้ามันจะเป็นต้องโหมผ้าก็าเอามาโหมได้ถ้ามต้องจำเป็นจะต้องโหมโหมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่โยมสังเกตนะคะท่านเวลายมเหมือนกับจะคอยดูอารมณ์ที่มันเกิดนะคะแล้วเวลาที่เราตั้งใจมากๆนะคะเหมือนกับเราจ้องนะคะท่านเวลาจ้องอะไรจะเกิดขึ้นในใจอะไรจะเกิดขึ้นในใจปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงๆนะคะมันการเปความฟุ้งซ่านนะคะท่านเพราะเรารออารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้น <c oughs> แต่ถ้าเราปล่อยเป็นธรรมชาติ ถ้า<ต>ทาก็คือรู้ไ ม, ไม่ทันก็คือไม่รู้ปล่อยมันไปอะไรอย่างนี้มันจะเป็นไปอัตโนมัติอย่างนี้ถูกต้องไหมคะเออให้มันมีสติลงก็จะทันเองค่ะให้ศั<ห>นนกแต่ว่ารู้อย่าไปปรุงแต่งค่ะรู้เฉยๆค่ะรู้อยู่กับพุโทโธรู้อยู่กับแสงรู้อยู่กับความว่างอะไรอย่างนี้แล้วพอเราโผลขึข้นมามันก็จะเห็นทันทีค่ะ ยิ่งจิตสงบมากเท่าไหร่ต่อไปมันจะไวขึ้นสติไวขึ้นคือเมื่อตอนนี้จิตเราส่งออกข้างนอกไม่เห็นข้างในพอเราใช้สตดิดึงจิตเข้ามาข้างในทีนี้เราก็จะเห็นอะไรต่างๆข้างในได้ชัดขึ้นเร็วขึ้นพยายามจะตามดูมันอยู่คะ่ะท่านไม่เคยรู้ทันนะคะแต่ตามรู้ตลอดนะคะมันเกิดขึ้นแล้วถึงรู้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะท่าน เพราะท่านสมาธิยังอาจะไปจัดการอะไรกับมันไม่ได้ต้องรอขั้นปัญญาก่านอนค่ะโยมก็ทําไปเรื่อยๆค่ ะ, ะวันนี้มีคําถามแค่นี้ค่ะท่านค่ะโ อ, อเคกลับขอบคุณค่ะวันนี้ทํางานหรือเปล่าทำคะ่ะนั่งทําไปด้วยฟังไปด้วยค่ะอยู่ที่บ้านโยมดีนะใช่โยม<ว>ยังไม่ถึงตาตัวเองก็คีเ ข, ขียนไปอะไรค่ะไถึงตาเองก็พูดพูดโ อ, อเคนะเอาแล้วนะ ค่ะ ข, ขอบคุณค่ะ ค, คุณทวิสาเชิญคุณทวิษาจากสวิตร์ลค่ะเป็นมรสการท่านพระอาจารย์ค่ะเป็นยังไงมีอะไรไหมค่ะไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะการปฏิบัติก็รู้สึกดีขึ้นค่ะท่าน อ, อาจารย์ค่ะตทำให้ต่อเนื่องนะอย่าอย่าลดน้ำน้ำเพิ่มได้แต่อย่าทําลดอย่าลดเนี่ย เพิ่มได้เท่าไหร่เพิ่มไปเรื่อยๆพยายามอย่าลดถ้าลดตอนนี้ต้องใช้ชดเชยวันทุกนี้นะเหมือนอาจารย์รู้เลยก็เลยคิดเหมือนกันเลยว่าอืมต้องต้องต้องชดเชยต้องชดเชยเวลาทั้ามีวันหยุดชดเชยแล้วก็ทัางมีวันปฏิบัติชดเชยใช่ครับอาจารย์แต่ว่า อหลังจากได้ได้ฟังพระอาจารย์เทศแล้วก็นแนะนํกากันยามิทุกท่านแล้วก็เอามาปราบใช้<ฮ>ดีดีขึ้นค่ะแล้วก็เป็นมามาตรวจสอบเองก็รู้สึกว่า<ฮ>ดีขึ้นค่ะแล้วก็คิดว่ามันอาจจะเป็นผลมาที่พระอาจารย์บอกว่าเออเคยได้เมื่อก่อนเหมือนเมื่อกี้เลยเขาบอกว่าพอจะเ อ, อทําไมมันไม่สงบมาครั้างหน้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้พอหลังจากปล่อยตรงนี้แล้วเออรู้สึกว่าอาทิตย์ที่แล้วมาดีขึ้นมากค่ะ มันไม่ได้พุทธโทแล้วมันไม่ได้อยู่กับอการภาวนาแล้วมันไปอยู่กับผลนะมาให้เมื่อไรจะเกิดค่ะอย่าไปคิดแบบนั้นไม่ต้องหยุดความคิดทั้งหมดให้อยู่กับลงอยู่กับพุทโทที่เราใช้นะครับค่ะก็เลยว่าอืมันจะช้าก็จะเร็วก็เรื่องของมันไม่เป็นไรประมาณก็ช้าบ้างประมาณก็เร็วบ้างเพราะจิตเราบางวันก็กําลังวุ่นมากกิดช้าก็สงบยากเลยสติกําลังน้อยมากเลย ค่ะจริงค่ะอยากขอให้มีสติอยู่กับกรรมฐานของเราก็แล้วแต่เป็นหลักอันนี้หลักตายตัวอยากเข้มันค่ะแล้วพยายามทำไปเรื่อยๆปฏิบัติเรื่อไปเรื่อยๆค่ะให้เพิ่มขึ้นเหมือนอาจารย์บอกค่ะพยายามตั้งใจวันนี้ก็อยู่ได้วันนี้เอาวันพุธเป็นวันพักเลยใช่ค่ะปอาจารย์ตอนนี้ค่ะตั้งใจแล้วว่าจะเอาเป็นวันพุธ เป็นวันพักของเราเพราะว่าวันทํางานคือแบบเสาร์อาทิตย์อย่างนี้รู้สึกมันไม่สะดวกเพราะว่าอย่างพ่อบ้านอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเออวันเราก็เลยเอาแบบวันที่แบบเขาไม่อสะดวกมาทํางานค่ะสะดวกกว่าก็เลยว่าเออเราเอาอาทิตย์หนึงวันพุธกับวันพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยศาสตร์ถือวันพุธถูกจีนกับวันบังเอิญมากก็เลยว่าเออาพอดีได้วันพุธก็เลยเหมือาจ่าจั์ ซูมมิทติ้งวันพุธเลยเราหน้าวันพุธแล้วบางทีบางทีมันเหมือนเหมือนบางครั้งเราอาจจะเ อ, อไม่ฉลาดเนาะเออโง่เหมือนที่ทาอาจารย์อกเออแล้วทําไมเวลาทํากับข้าวเราไม่ทําตั้งแต่วันอังคารไว้วันพุธเร า, าก็ไม่ต้องมาเสียเวลาทําแล้วก็มาเอาอุ่นให้ตอนเย็นหรือว่าทํากับข้าวให้ที่บ้านเออเราก็เอาแบบอุ่นอะไรนี้เออมันก็เออมันก็ฉลาดขึ้นมาหน่อยนึงปัญญามีแต่เราไม่รู้จักใช้มันนะ ใช่ค่ะอาจารย์พอพอผ่านแล้วเออเทําไมเราเราต้องมาเสียเวลาวันพุทธที่เราหยุดทํางานแล้วต้องมาทํานู่นทํานี่แล้วก็ทํามันเสร็จเตรียมร่องหน้าไว้ก่อ น, ะน อ, อะไรอย่างเงี้ยหลายๆวันเออแล้วเริ่มฉลาดขึ้นออวันนี้ไม่มีอะไรค่ะอีกแล้วแค่นี้ออตแต่ฟังได้นะเพราะธรรมะที่พูดนี้ใช้ได้กับทุกคนถึงแม้จะพูดกับคนนี้แต่คนเดินก็เอาไปใช้ได้ไปปรับใ ช, ใช้ได้ ค่ะปรับแล้วก็บางทีเหมือนอที่โยมท่านกลัลยาณมิตรท่านอื่นๆท่านพูดมาก็เออบางทีมันเหมือนเหมือนเราเคยเคยประสบจุดนั้นมาแล้วก็โอเข้าใจแล้วเราก็เอามาเอาเอามาเปลี่ยนเหมือนท่านผ้าจา น, นแนะนําแล้วก็บคุณคุณใช่ใช่ใช่ล้วก็ฟังบางทีก็แทบจะไม่ได้ถามก็คือแบบมันมัน ม, มีมีตอบอยู่แล้วเรือ่องบางทีเขามีปัญหาก่อนที่เราจะไปถึงว่าเราทำปัญหาเขาแล้วเดี๋ยวพอเราไปถึงเราก็จะรู้วิธีแก้ได้เลย ใช่ค่ะว่าเหมือนบางครั้งเราผ่านมาตั้งนานแล้วมันเออเอ้เอตอนนั้นเราพัเราเกิดสภาพ ว, ว่าแบบนี้แล้วเออแต่ทีนี้เราทําอีกแบบหนึ่งพออย่างเมืนันวันนี้พระอาจารย์แนะนําโยมแต่การอะไรไม่ท่านหนึ่งไปแล้วก็อุ้ยใช่เลยแล้วเราก็เลยเออเรามันไม่เรามันไม่ผ่านเรามันเป็นอย่างนี้นี่เองเราก็เลยอ๋อแล้วพอจังหวะที่เราแบบว่าแล้วก็ห่างไปอะค่ะนานไปแล้วเราก็ เออมันไม่ใช่เราก็เลยไม่ผ่านสักครั้งเราก็เลยเข้าใจตรงนั้นนะคะโ อ, อเคเอาแล้วนะเดี๋ยวจะไปที่ท่านต่อไปนะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพี่นนท์คนเอกจากเชียงรายเชิญคนเอ ก, นกการรัมสการพระอาจารย์ครับผมเออเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์ อ, อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มันมีความสงบเพิ่มมากขึ้นครับพระอาจารย์เห็นผลเห็นว่าก้าวหน้านะะ ครับผมรู้สึกว่ามันมีความก้าวหน้าเสร็จ<ม> แ, แล้วเอเวทนามันเกิดขึ้นมาก็ก็ส่วนใหญ่เหมือนจะเกิดมาช่วงชั่วโมงที่สองครับอาจารย์อืมแต่ก็ตอนที่มันเกิดขึ้นมาช่วงแบบแรกๆอ่ะครับคือพุโทโธพุธโทโธก็เอาอยู่อยู่ครับอาจารย์ออ<ม>อืมเหลังจากนั้นมันมันก็เหมือนกับว่าเวทนานี้ก็เหมือนอนิจจหมือนกันนะครับอทุกอย่างอนิจจ์ทุกข์เขาหน้าตามัมนอ น, นิจจ์เหมือนกันครับอาจารย์คือ คือดูคือตอนช่วงแรกคือผู้โธพผูโธมันมันก็เบาไปครับพระอาจารย์เอ่อหลังจากนั้นมันก็มันก็ปวดขึ้นมาอีกน่าตามันปวดขึ้นมาได้สั่งให้มันหายไม่ได้ครับผมใช่ครับเราสั่งมันหายไม่ได้มันเป็นน่าตาก็ปล่อยให้มันเป็นไปครับผมทําใจรับมันใจดีสุดๆครับผมใช่ครับครับผมใช่ครับอาจารย์ผมก็เออผมก็เออก็ทําใจรับมันไปก็ก็ดูมันดูมันไปว่าเออมันเจ็บ แต่เราอ่ะไม่ใช่เป็นผู้เจ็บก็ดูมันเจ็บดูมันทํางานไปมันเหมือนกับใจที่บอกว่าเอ๊ะเรานั่งอยู่เนี้ยมันเป็นรูปแต่ไอ้ตรงนั้นมันเวทนาเวทนามันก็ทํางานของมันไปเราเราก็อยู่ของเราไปมันมันไม่ไปตื่นร้อนกับมันอย่างเงี้ยครับอาจารย์ใช่ครับยากสัดส่วนกันแล้วกายก็เรื่องของกายเวทนาก็เรื่องของเวทนาใจก็เรื่องของใจครับผมมันมันมันเลยมันมาตัดผ่นกันเองว่าเป็นเราไประโยชน์ครับผมพอไม่มีเราแล้วมันก็สบาย อ่างกายก็เป็นธาตุมี่ยนธนาก็เป็นสภาวะธรรมที่เกิดดับใจก็พููรู้ต้องแยกให้มันชัดๆชัดๆสามสามตัวนี้ว่าไม่ได้เป็นตัวเดียวกันไม่ได้เป็นตัวตอนทั้งทั้งสามครับผมครับผมอืมใจมันมันเริ่มแยกแล้วครับพระอาจารย์รเริ่มเริ่มจะเห็นมันคือมันถ้ามันสงบขึ้นยแยกแล้วก็ปล่อยวางเพราะมันทําอะไรมันไม่ได้ครับผมไม่ใช่ใมันหายไม่ได้ครับผม พาย้ามันไม่ให้มันมาไม่ได้มันจะหามาก็ให้มันมามันจะอยู่ก็ให้มันอยู่มันจะไปให้มันไปครับผมครับผมครับผมเราต้องคการพอจยังไม่แข็งถ้าใจไม่แข็งพอก็ใช้พุทโธช่วยไปพุทโธพุทโธไปครับผมแต่ไม่ได้พุทโธเพื่อไล่มันนะไม่ได้พุทโธเพื่อไล่มันพุทโธเพให้ใจเรานิ่งให้อยู่กับมันได้ครับผมครับผมทีนี้ใจมันเหมือนกับว่าเอใจมัน เหมือนกับผมเรียนพระอาจารย์ใจมันยอมแล้วว่าอ๋อมันมันทํางานของมันก็มันก็เจ็บก็เจ็บมันไปมันปวดก็ปวดมันไปเราก็ไม่ไม่ไปเขาไม่หน้าที่เขาไม่หน้าที่ปวดก็ต้องไปก็ปวดไปครับผมครับผมครับผมได้มีหน้าที่รู้ก็รู้ไปอย่าไปเป็นเจ้ากี่เจ้าการไปเป็นอัตตาตัวตนไปกำหนดเป็นเจ้าเจ้าเจ้าชะตากรรมของเขาโอ้คผมครับผมครับผมครับผมลูกกับขอขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่ได้สั่งสอนนะครับโอเค แค่นี้นะขอบคุณนะครับครับผมแค่นี้ครับขอบคุณครับสาธุครับอรดาจากสาธห่ชนบมรีมีอะไรไหมไม่มีค่ะวันนี้วันนี้ก็ศิลแปดอดอาหารค่ะอดอาหารเลยเรียกว่าอดอดเย็นอดเลยค่ะวันนี้แต่ว่าเพราะว่าเขาไม่อยู่ไปตีกอล์ฟหนูสบายคนเดียวสบายเลยก็เลยถือโอกาส จะได้ปฏิบัติได้สะดวกเนะี่ยพไม่ใช้ไม่ไม่กินอาหารแล้วรู้สึกตัวเบาเบา <c oughs> ไม่มง่วงไม่อะไรนะใช่ค่ะนั่งก็ไม่หลับเดินก็นสบาย เ, าเดินตัวกลิวเดินดีค่ะใช่ใจอย่าเดินเฉยๆนะั่นเดินต้องมีสตินะค่ะอยู่กับพุทโธพยายามฝึกสติพยายามควบคุมหยุดความคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก็้าขพระอาจารย์ถ้าอยู่คนเดียวมันมีทางจะเป็นต้องคิดถึงอะไรนะสบายาอาจารย์จะค้องหนักจะมาที่ไปสลับกันทำบ้างก็ได้ค่ะแล้วก็ฟังทำด้วยค่ะสลับกันถ้ามันหิวมันคิดนึกถึอาหารได้มันนึกถึงเวลามันอยู่ในปา ก, กนน อ, อยู่ในท้องหิวตอนนี้หิวอยู่ใช่ <laughs> ในปากในท้องมันก็หายหิวเลย ดับไปได้ค่ะอย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานก็แล้วกันค่ะใจานต้องลายๆนะได้ค่ะพระอาจความหิวมีสองส่วนหิวใจกับหิวคายใช่ค่ะตอนนี้ตอนนี้ใจไม่หิวค่ะแต่ท้องร้องท้องหิวค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่รุนแระมันไม่ดุนแลเหมือนกับเหมือนกับใจถ้าเวลาใจหิวนี่โอ้ยมันแสนสาหัส ใช่ค่ะมันแสบท้องเฉยๆค่ะเดี๋ยวมันก็หาย อ, อันนี้ก็เป็นอุบายวิธีอย่างที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้ได้คืบหน้าได้มันเป็นการปฏิบัติแบบแชิงลูกใช่ไถ้ากินธรรมดาอยู่เฉยๆนี่มันแบบแบบแบบตั้งรับมากกว่าถ้าจะลูกกิเลนี้เราต้องหามาตรการมาบีบขั้นกิเลนเป็นการอดอาหาร พรไม่มง<า>ั้นดูชอคนานเดินนานๆอย่างเงี้ยก็เป็นมาตรการ<า>เชิอองลบที่นั่งแค่ครึ่งชั่วโมงเดินคึ่อองชั่วโมงเรานั่งที่สองชั่วโมองเดินที่สองชั่วโมองสามชั่วโมองนย่ี้ <laughs> ได้เป็นการดุกลุปกิเลสไม่ง่วปล่อยให้มันดุลุกเรามาอยู่ดเรื่อย เ, เราต้องมานั่งคอยรับมันอยู่เรื่อยเราก็เลยไม่กล้าหน้าก็ไม่คืบหน้าออกมา <laughs> <Okay. S 2> บุกรุกกิเลส น, นะคะ ใช่ข้าพิเรศไม่ไม่บาปข้ามาให้หมาถ้าถ้ามันแบบบางทีที่เราชนะได้แต่ละทีก็ดีเหมือนกันนะได้รู้สึกมีความมั่นใจพ <ผม S 2> รจะบุตรเจ้าบอกชนะตนดีกว่าชนะผู้เนนจ้าข้าพระชนนชนะผู้อื่นก็ไปสร้างความมาคาตพยาบาทให้กับเขาเนะี่ยจองเวนจองคํากันไ ม, ม่ประโยชน์ไม่เปประโยชน์ ชนะตัวเราอยา่างไรชนะกิเลสเราชนะความอยากจะชนะพวกนีนให้ยอมหยุดเย็นยอมยอมหยุดเย็นแล้วสบายสบายไม่มีเวรกับเขาเขาก็ไม่กดเราไม่เกียดเรา <S <S <S ใช่ค่ะพระอ า, มามจารย์ธรรมะของเจานี้จริงทุกอย่างเลยจริงจริงทุกอย่างเลยคะ่ะอฏิบัติไปแล้วมันจะทราบสิ่งภาในใจเล้วไม่มีใครฉลาดเท่าาไม่มีข้อแบบ ขอม้ม เ, เลยขอขอาข้แย้งเลยยอมจริงเลยเ <laughs> จ้าค่ะโอเคไม่มีคำตามมัม้ยมีไหมไม่มีค่ะตอนนี้ก็ก็พยายามทำทุทุกวันแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะสิงแตด <Okay. S 2> ค่ะแล้วก็ไปไปวัด่ะคะโอเคก็บรอยเข้าไปบ่อยๆไปนาๆนๆก็ได้ค่ะนี่ซื้อซื้อซื้อถูกมือซื้ออะไรใหม่บอกว่า ต้องไปตีบ่อยๆนะแ้จะได้ถือโอกาสบ่อยๆแต่ว่าพยายามตอนนี้คือเริ <t <t ่มวันพักค่ะแต่พอดีได้วันนี้แล้วพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ก็แทนไปใช่วันไหนก็ได้ที่เราสะดวกค่ค่ะแต่พยายามชดเชยไปค่ะไม่ให้เสียโอกาสค่ะแต่นอยอาทิตย์นึ่งก็ต้องมีส้วันอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วแล้วมันจะรู้สึกถ้ามันมีส้วนมันจะไม่ห่างมันมันไม่ห่าง ค่ะค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะทิวท่านต่อไปคุณตุ้ยใช่คุณตุ้ตยอยู่ที่ไหนนมัสการค่ะหลวงพ่ออยู่ที่จังหวัดนนท์ค่ะนน ท, ท์เชยเคยเข้ามาหรือยังเคยเข้ามาครัง้งที่สามนะคะอ่ามีอะไรบ้างวันนี้คือเรื่องการภาวนานะคะคือหนูรู้ลมในกายรู้รู้ลมในกายตลอดนะคะ เออตอนนี้มันเริ่มรู้ว่ามันลงไปที่หน้าท้องผ่านคอไปที่หน้าท้องเตะขึ้นมาก็รู้ตอนนี้เออตรงเนี้ยนะหนก็ภาวนาติดคำว่าพุโทโธพุธโทโธที่มันลมมันแรงมากพลังของลมทั้งบนหัวเราเนี่ยก็รู้สึกหนักมากหนักลมมากแต่ก่อนไม่แต่ก่อนจากที่ปลายจมูกแล้วมันก็ไปที่ด้านจมูกแล้วขึ้นไปบนหัวตอนนี้ก็ ก็ <c oughs> เป็นตลอดเวลาจริงถ้าดูดดลมไม่ควรจะไปตามลมนะให้ดูที่เดียวเราไม่ต้องการให้จิตทำงานให้จิตนิ่งถ้าไปตามลมจิตก็ไปทำงานด้วยนั้อย่าดูตามลมให้ดูที่จุดเดียวเรื่อที่ไม่ได้ไม่ต้องตามมัน<ะ>อ่าคือมันไปมันออกมาจากสมาธิแล้วมันก็ยังอยู่มันก็รอเรอก็รู้ตลอ ด, ะะะดใช่ใช่ใครรู้เฉ ย, ๆ, ยๆไหม ไม่ต้องไปตามมันไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปแต่งมันไม่ต้องไปไม่ต้องไปเกลี่ยนมันไม่ต้องไปห้ามมันให้รู้เฉยๆว่ามันเป็นยังไงแค<อ>่นี้เล้วที่เยียดหยิจิตใจไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆอย่างนี้เขาเรียกว่าทวนกระแสจิตหรือเปล่าคะก็เป็นการเจริญสติให้ให้ใหจิตสงบมันเมื่อเช้าตอนเช้าตื่นขึ้นมา มันแรกที่มีความสุกว่า ม, มันอยู่นิ่งๆอยู่บนกระหม่อมนะคะลมมันนิ่งแล้วตอนเช้าอะคะ่ะมันยิเราไม่สนใจลมจะ น, นิ่งไหมนิ่งสิ่งที่ต้องนิ่งก็คือจิตเราเท่านั้นค่ะค่ะหลวงพ่อคพ้แล้วก็อีกข้อนึงค่ะคือตอนที่หนูดูวัดภูสังโฆนะคะตอนตีสองครึ่งหนูจะตื่นขึ้นมาเพราะมันมีแสงจ้าเหมือนแสงนียอรอ์ส่องหน้าหนู ผมก็เลืเป eh ิดตาขึ้นมามันก็ไม่มีแสงอะไรพอหลับตามันก็เป็นแสงออกมาแบบจ้าเป็นทุกวันเลยค่ะต้องให้เฉยๆหรือว่าเป็นแสงหรือว่ามันเกิดแล้วดับอันนี้จังอนาตาอันนี้มันเป็นแสงเกิดจากจิตหรือเปล่าคะก็มันอยู่ในจิตแล้วมันก็อยู่ในจิตนั่นแหละจิตมันก็ถลิตอะไรต่างๆได้นมัไม่ต้องไปสนใจ รู้ว่ามันเกิดแล้วมันดับรู้ว่ามันมามันไปตามเรื่องของมันเหมือนกับเหมือนอารมณ์พัดอะไรต่างๆ น, งนี้ไม่อเราไปยุ่งกับมันแล้วการที่เราจะต้องท่อง32ประการอย่างเช่นผมขนเอ็บฝััฝองอ่งเงี้ยนะ32ประนนการกต้องศึกษ า, าเลย่<ๆ>้องศึกษาให้เราเห็นว่าร่างกายมีอะไรบ้างเนี่ยอว่เวล า, นานเราจะไม่รู้ไม่เห็นข้างใน เราต้องต้อศึกษาออตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปข้างนอกก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันแล้วก็หนังใต้หนังก็มีเนื้อใต้เนื้อก็มีกระดูกมีเอ็นแล้วก็มีอวัยวะต่างๆมีม้ามมีปอดมีหัวใจมีตับมีไตมีลำไส้นี่คือการศึกษาเรียนรู้และร่างกายของเราว่ามันมันมีอะไรบ้าง ถ้าเราไม่เรียนเราก็จะคิดว่ามันมีแค่หน้าตาท่านเองมีรูปร่างหน้าตาท่านเองมันก็จะไปหลงไหลกับรูปร่างหน้าตาแต่ถ้าไปจอดลึกเข้าไปข้างในงว่าโอ้นอกจากรูปร่างหน้าตาแล้วมันก็ยังมีอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆที่ไม่น่าดูน่าชมทั้งมีของสพ ป, ก ป, กปกอกอไรตา่างๆมันก็จะทำให้เราคลายความกำหนัดยินดีในร่างของคนได้ แล้วลมที่มันดันบางทีมันดันเอ็นนะคะเอ็นในสมองเราค่ะก็ช่างมันไม่ต้องไปสนใจมันจะดันเรื่องของลมไปไม่ต้องไปสนใจมันแต่ไม่ใี่เป็นการแยกธาตุแยกขันใช่ไหมคะคือที่พูดนี้มันคือพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องร่างกายไม่พูดเรื่องลมเรื่องลมแล้วเร่งนะ ลมนี่คือธาตุธาตุหนึ่งในสี่ธาตุที่เรามีอยู่ประชุมกันใช่ไหมคะเมื่อะะกี้เราพูดถึงมิ น, น่ะเราพูดถึงแต่อาการสามสิบสองเลยันคืออยู่ในธาตุหรือเปล่าค ะ, คะหรือคนละเรื่องกันก็มันคนละเรื่องแต่มันก็มันก็เรื่องเดียวกันคือจะตเราอยู่ที่ว่าเราจะดูในมุมมองไหนถ้าเราจะดูดูรูปร่างหน้าตาของร่างกายก็อาการสามสิสอง อจะดูว่ามันมันมันมาจากอะไรก็ดูว่ามันมาจากดินน้าลมไฟมันผสมปรุ ง, งแต่งของดินน้าลไมไฟเพรามันก็เป็นสวน่วนของดินเป็นส่วนแข็งี้ลมลมที่เข้าออกมันก็เป็นสวน่วนของลมไปค่ะ okay. แล้วแล้วเดิม การทวนกระแสจิตอยู่ตลอดเวลานี่ก็คือระลึกตัวเองอยู่ข้างใ น, นไม่ส่งจิตออกนอกอย่างนั้นถูกคใช่คือซยกระแสไม่ให้จิตไม่ไม่ให้จิ ต, ไ, ไ, จตไปคิดเรื่องราวต่างๆไม่ให้ไปส่งออกไปหารูปเสียงกินรสต่างๆดึงมันเข้าข้างมด้วยสติด้วยพุโทโธนี่ด้วยการดูลมก็แล้วก็เราใช้การดูลม ดูลมจะ ต, ตอนนั้นหนูจัดที่ลมที่จมูกไม่ได้แล้ว่ค่ะหนูรู้จัดใหม่มันเหมาะตอนที่นั่งถ้าจะดูลมมันเหมาะตอนที่นั่งตอนที่เดินนี้ใช้พุโทโธนีกว่าตอนที่ทําอะไรใช้พุโทโธดีกว่าไช้พุโทโธตลอดใช่ไหมคะใช้พุโทโธตลอดหยุดความคิดกลุ้มใจค่ะมาอยู่ ส, สังโฆมาเมื่อไหร่ไปเมื่อพฤศจิกาเดือนที่ปีที่แล้วค่ะไปข้างแรกหรือไปไปือไหร่ไปไปข้างแรกค่ะ ไปเอ่อไปอยู่เจ็ดแปดเก้าวันนะคะไปอยู่เก้าวันไรู้จักที่นั่นได้ยงไงหนูไปโดยบังเอิญนะคะแล้วก็ขึ้นไปหาพระอาจารย์ท่านอยู่พอดีขอญาติท่านลนข้าของจากกรุงเทพไปอะค่ะแล้วก็ท่านท่านก็เลยเอ่อถามว่ามาได้ยังไงหนูก็เลยบอกว่าหนูตอนปีก่อนนู้นหนูไปวัดหลวง่อจะเรียนมา แล้วหนูฟังท่านเทพไม่รู้เรื่องภาษาใช้ภาษาลาวคะ่ะหนูก็เลยมาที่วัดแห่งนี้แล้วก็สนทนาธรรมกับท่านเรื่องเกี่ยวกับหนูเห็นนิดๆเป็นเลือดนะคะ่ะท่านก็ถามแล้วท่านก็บอกว่าเออให้อยู่ให้อยู่ได้อะคะอ่ะหนูก็เลยไปไปอยู่ไปอยู่ไปไปทากับข้าวเลี้ยงพระต้องชาบเลยปฏิบัติเขาไม่นับคนง่ายๆเขาต้องสำมท่านดีกว่ามาปฏิบัตินะปะ ค่ะอาจารย์ก็เมตตารับไว้แล้วก็สอนสอนด้วยค่ะต<ะ>อนทุกเช้าแล้วก็ น, นี่ก็อีกว่าถึงนะ่ะคุณพระสนาถ้าอยากจนะลองอยู่แต่ใกล้หน่อยนี้่นี่อยู่อุดรภูสังโกลยังคุยไปบณเขาเัยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่บนเขาอากาศหนาวมาก<ะ>ค่ะและ้วก็เงียบดีใกล้ยอยู่เราปติครายปฏิมันใช่ไหม ตอนหนูไปครั้งแรกที่ท่านให้อยู่รวมกันก่อนค่ะมาอยู่รวมกันกสามคนค่ะอยู่สามคนไปไปกันสามคนค่ะแล้วก็เออพระที่ศาลาท่านเก็หนูว่าอยู่รวมกานเป็นก่นนะมาครั้งแรกแต่สงสัยครั้งที่สองที่จะไปนี่ก็คงจะให้อยู่คนละหลังนะคะมืดมากเลยค่ะดับไฟปั๊บมองไม่เห็นแม้แต่มือตัวเอง คุณพระศาสนาชอบคุณพระศาสนาชอบเราอยาหาที่อย่างนี้อยู่พอดีทามสงบเนี่ยก็ไม่มีใครเลยนอกจากอุ่มหนูอุ่มเดียวค่ะนอกจานเขาอยู่กันเป็นประจําำตรงนั้นเขาปิดวัดพอดีไหมปิดใช่ไหมเปิดมีช่วงที่หนูไปบังเอิญเปิดพอดีถัดแล้วพอหนูกลับมาไม่ทันไรท่านก็ปิดแล้วค่ะปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านอาจารย์ไม่ค่อยสบายอ่ะค่ะ ท่านกาจไปติเชื้อเยอะค่ะท่านก็เทศลึกๆนิดน้อยตอ น, นเช้า mm hmm. แล้วท่านก็ให้คําแนะนําในการภาวนามาค่ะใช่ท mm hmm. ่านก็ mm hmm. บอกว่าแต่ละคนอ่ะมันจะไม่เหมือนกัน mm hmm. มาสามคนก็สา mm hmm. มแบบบางคนก็เออแล้วแต่แนวทางของของแต่ละแต่แต่แต่ละจริตของแต่ละคนใช่ mm hmm. แล้วท่านก็บอกค่ะท mm hmm. ่านก็บอกหนูว่าให้มาตัดกิีเลส กลับมาจากทีเลสนะหนูก็เออหนูก็มาหนูก็คอยดูความคิดของหนูว่าความคิดเราดูตามให้ทันความคิดแล้วหนูก็ดับความคิดด้วยความอบพุโทโธแล้วก็พยายามฟังเทศเยอะๆค่ะฟังเทศแล้วก็อยู่กับอยู่ธรรมดานหนูก็อยู่กับลูกชายนะคะ mm hmm. ก็ไปส่งลูกลกลับมาหนูก็ภาวนา อู่ก็สองคนแม่ลูกอะค่ะดีไปอยู่ที่นั่นได้ท่านได้อยู่ว่าถึงก็ชอบดี ท, ท่านเชท่านรับนะครับท่านกับท่านกับอาจารย์ตันท่านก็สนิทกันน่านรู้จักกันสายเดียวแนวเดียวกันค่ะแต่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงตามาแลววงเหมือนเราอยู่คอยอยู่ด้วยกันที่วัดป่าบ้านตาลมาค่ะมีพี่คนนึ่งที่อยู่ที่โรงครัวค่ะเออพี่พี่ต้มแก่ก็บอกว่า ลงมาหาท่านอาจารย์ที่วัดยานค่ะ<อ>ค่ะแล้วแท้ก็แล้วเขาก็แตอนนั้นช่วงมันร้อนก็เลยบอกว่าขึ้นไปที่วัดจุสังโค<อ>และแท้ก็เลยบอกหนูว่าลองมาที่วัดยานสิแกล้กรุงเทพหน่อยทางก็เลยแบบว่าติดตามท่านอาจารย์ก็เลยโชคดีได้เจอช่องทางทางลายที่เขาส่งกันมาให้อ่ะค่ะหนูก็เลยได้เข้ามาที่ซูม<อ>ก็ได้มีโอกาสได้เจอ ท่านอาจารย์นะค่ะโอเคค่ะท่านรีก่อนนะ okay. fine, okay. ค่ะแบบมัสกรรมค่ะคนคนสุดท้สุดท้ายสเนใช่ไหมเอ่อเชิญอยู่ที่ไหนอยู่ปทุมธานีเจ้าค่ปะปทุมธานีพูดดังหน่อยได้ไหมเสียงค่อยไปหน่อยนึกเข้ามาใกล้หน่อยอ่าอาจารย์ค่ะวันนี้มี มีอ่ลูกสาวเข้ามาอยากขอฟังทำด้วยค่ ะ, ะ, ะดูก็เลยดูก<ด><น>ก็เลยจะกราบขอความเมตตาพระกาจอ่า์ทำมาสําหรับเด็กน้อยเจ้าค่ะอะเด็กน้อยก็เหมือนพระพุทธเจ้าสอนลูกส อ, ส, อสอนสนอนสามเณรชื่อบวงอะไรนะชื่อลาหุนมาขอมาขอดูกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอก ก็มาบวชเองนะมารกคกือนิพพานต้องบวดนะแล้วเริ่มสอนเรื่องสัจจะความซื่อสัตย์ต้องพูดความจรงิงรลวงตาเจ้าตักน้ำขึ้นมาขันหนึ่งแล้วก็เวลาแล้วก็บอกลาหุนว่าเวลาเธอพูดถุดเธพูดปดทีนึงก็เหมือนเธเทน้ำในขันที่ออกไปหน่อยหนึ่งทุกครั้งที่เธอพูดปดแล้วก็เทน้าน้ำก็คือ ความดีของเธอนะั่นแหละที่มีอยู่ในตัวเธอความดีของเธอก็จะหายไปหมดถ้าเธอพูดปดไปเรื่อยๆถ้าอยากจะรักษาวความดีความซื่อตรงต้องไม่พูดปดต้องมีสัจจะมีความจริงเข้าใจไหมหนูโกหกเกเปล่าโกหกหนาล่าเหรอคุณคะป่าป่าก็โกหกแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องกลัวทําผิดก็สารภาพผิดรับผิดไปอย่าโกหกแล้วก็จะลดโทษได้ครึ่งคนเราผิดได้แต่โกหกนี่มันผิดจำสองผิดครั้งเดียวพอผิดก็ยอมรับผิดมิอะนั้นมันจะโกหกไปติดเป็นนิสัยไปนะทุกครั้งเวลาทําผิดก็อยากจะปกปิดอยากจะโกหกนี่ทำรัฐสำหรับเด็กวันนี้เอาแค่นี้ สิ่งข้อสีอส่นะมุสาวาทานไม่พูดปลดนะถึงแม้จะผิดถึงแม้จะทำผิดก็ยอมรับผิดยอมรับโทษพอยอมรับโทษเขาก็ไม่อยากจะลงโทษเราแล้วแต่ถ้าไม่ยอมรับโทษ่ข็ยิ่งอยากจะลงโทษเราใหญ่อย่ายง า, าไปอย่าไปโกหกพูดความจริง คือถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็เฉยๆไว้ไม่ต้องพูดปูดปากไว้ก็ได้ไม่ผิดใครก็ถามอะไรแล้วเราเห็นว่าไม่ควรจะพูดก็ไม่ต้องพูดก็ได้แต่อย่าไปโกหกเห่นมีคนมาหาแม่แล้ ว, แ, ลวแม่ไม่อยากจะเจอใครพอเข้ามาถามหนูหนูก็เฉยๆไปไม่ต้องพูดก็ได้อย่าไปโกหกว่าแม่ไม่อยู่เหน็นใจไหมไห น, นะนะ ถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดหรือไปพูดเรื่องอื่นแทนะพูดก้อนไก่ก้อไข่ขไขนับหนึ่งสองสามไปไม่รู้ไม่ชี้ไปประจใจนะแล้วหนูจะเป็นคนที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้เวลาใครก็จะฟังอะไรจากหนูเขาจะรู้ว่าหนูพูดความจริงเขาก็จะเชื่อหนูมีเครดิตไม่เสียเครดิต ถ้าพูดโกโหกบ่อยๆเขาก็เหมือนเด็กใครนิทานีส่งสอย่างนี้ก็สอนนักบวเด็กเรื่องแกะค่ะอะนั่นแหละอยากเป็นเด็กเรื่องแกะไปโกโหกคนเขาโ ก, โกโหกได้ครั้งเดียวนะครั้งต่อไปเขาไม่เชื่อแล้วนะหรือเมื่อเราพูดความจริงเขาก็ไม่เชื่อนะกระจายแล้วนะแล้วคุณแม่มีอะไรบ้าคุณชินทัศ น, น, น, น, น, นีอ่ะแล้เป็นธรรมชานิ ทังก็ได้เกาอยากจะฟังก็ให้ฟังเพื่อก็จะได้เรียนรู้ไแล้วค่ะอาจารย์ค่ ะ, ะจระรบกวนถามทางการค่ะคนมีเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพใช่ไหมคะอาจารย์ค่ ะ, ค ะ, ะ, นค ะ, ะหนุ่มกักจะเจอปัญหาที่แบบออเจ้าของของสัตว์เลี้ยงอะคะ่ะคือพอพอสัตว์ป่วยถึงระยะที่เขาเรียกว่ารักษารักษาไม่หายอาจารย์ค่ะแล้วก็สัตว์มันมีความเขามีความทุกข์ทรมานมาก เล้าของสัตว์บางท่านก็จะเข้ามาหาคุณหมอแล้วก็จะขอขอให้หมอผู้ทูสลีฟเจ้าค่ะพระอาจารย์ขเฉียดยาตายมาใชหค่ะพระอาจารย์ขะหนูอยากอขอคำแนะนำท่านพระอาจารย์สำหรับพูดก็ให้เจ้าของได้เข้าใจแล้วก็จะได้คลายความทุกข์ใจของเขาะคะ่ะ อของนี้บางทีเขาไม่เข้าใจเพราะว่าอยู่ไม่ไม่ไม่ผูดทูตเสดีย์จ้ะค่ะอาจาค่ะเราปฏิเสธเข้าไปแล้วกันหมอไม่ทํำหมอไม่แต่รักษาหมอไม่ฆ่าศัตรูเขาอยากจะฆ่าใครเขาไปหาที่อื่นหรือเขาพูดก็บอกว่ารักษาเขาไปเถิดเขาอยู่ได้ก็อยู่เขาอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปเองแล้วค่ะ ถ้าเป็นคนเป็นคนเป็นชาวพุทธจะจะพูดง่ายหน่อยเจ้าค่ะแต่บางบางทีมีศาสนาอื่นเหมือนเขาอะไรก็บอกเขาว่าหนูหนูไม่ทำทาทาหน้าที่นี้ก็แล้วกันแล้วค่ะอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรคร่ะประจังค่ะโอเคนะค่ะขอบคุณเจ้าค่ะสาธุคุณเกาเดียท่านต่อไปคุณเกาเดียอยู่ที่ไหน อันมิวไมโครโฟนก่อนนะอันมิวใช่ไหมครับอ่าได้ยินนะครับสวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ อ, อยู่พัทยาใต้ครับอเออเพิ่งเข้ามาหรนะือยังวะเคยเข้ามานะ้วเคยเข้ามารอบหนึ่งครับอ่าโอเคมีอะไระไหมวันนี้เออมีมีคำถามครับเอ อ, อเอ่ออาจารย์เคยเป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับ อ้าทุกคนเกิดมาเขาต้องเป็นเด็กเป็นอะไรขึ้นมามันก็มีกาไม่เคยมาใหม่ Can I speak in English? ไม่ได้หรอกเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ครับอ่าคืออย่างอย่างผมว่าเป็นอ่อยังเป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับแล้วก็โสดอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่ได้มีคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีการคลายของเรามันก็คือการ masturbation yes อ่าโอเคอิน h a ย we c a l ชักวาวนั่นเอง and on and watch on d e o so uh, after I finish them I feel ashamed or guilty รู้สึกผ okay, like ิดรู้สึกแบบรู้สึกไม่โอเคอะครับรู้สึกแบบคนเป็นคนชั่วอะไรอย่เงี้ยไม่ชั่วหรอกนเป็นธรรมชาติคือเป็นเรื่องของตัญหาความอยากของเรามันก็ไม่มันก็ไม่ต่างกับไปนอนกับคนอื่นเรามันก็มันก็ระบายความเครียดเท่านั้นเองีเมื่อเราไม่มีคนอื่นไประบายเราก็ต้องมาระบายด้วยตัวเอง มันก็ไม่ควรจะ feel guilty ต่อย่างใดมันเรื่องธรรมชาติครับจะไม่ตกนรกใช่ไหมครับอ๋อไม่ตกหรอกไ ม, ไม่ไม่ทำบาป <c oughs> ไ, ไม่ได้ปม่ได้ระเพฤ่ผิดอะไรนี่ไม่อะไรครับเพราะครับแล้วก็อคือเห็นพี่ๆเขาปฏิบัติกันหนักมากเลยครับแล้วแต่ด้วยว่าคือผมสุขสบายกับชีวิตมากเลยครับแล้วผมอยากทราบ ว, ว่าเอ่อ เหตุผลอะไรที่เราต้องสละทางโลกแบบต้องไปนิพพานหรือแบบไม่กลับมาเกิดดีครับมันมันแบบมันเลวร้ายแบบเป็นมนุษย์นี่มันทุกทุกแบบทุกมากๆเลยรหรอครับหรือมีข้อเสียอะไรบ้างอะครับก็คือก็เราอยู่ไป น, นานๆก็เราก็จะเห็นทุกมากขึ้นไปนเรื่อยๆตอนนี้เรายังไม่ค่อยเห็นทุกเท่าไหร่เนี่ยว่าเรายังเป็นเป็นวัยรุ่นอยู่อราะทุกอย่างมันมันเป็นไปตามความต้องการของเรา แต่ต่อไปมันจะเจอกับความผิดหวังเจอกับความเสียใจเจอกับโรคภัยไข้เจ็บเจอกับอะไรต่างๆแล้วก็เจอกับปัญหาอันิเร า, า จ, จะไม่ต้องหาเงินทองเองใช้เงินพ่อแม่แต่เวลาต้องหาเงินทองเองแล้วเกิเงินทองหาไม่ได้ขาดบ้าขาดมาืดมอนี่เราก็จะเริ่มเห็นทุกข์เพิ่มขึ้นมากไปไเรื่อยๆถ้ายังไม่เห็นทุกข์เวลาแล้วก็ พยายามรักษาศีลห้าไว้ก็แล้วกันทําบุญทําทานแล้วก็อยู่ตามปกติของเราไปทําหน้าที่ของเราเป็นคนดีไปก่อนนะอรักษาศีลห้ารู้จักศีลห้าไหมมีอะไรบ้างเอ่อมีไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักษัพย์ูทธิกรรมก็หงองโอเทกก็ไม่ดื่มสุรามีไรเออนั่นแหละแล้วก็ามายาลูกต่างๆเนอะสุราแล้วก็เล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนเที่ยวเตะอาจารย์ครับคือผมเป็น ผมติด ก, กาแฟครับชอบกาแฟกาแฟไม่เป็นไรก็ยังยังดื่มได้กาแฟไม่ได้เป็ น, นเกลือเมือนเม้าพยายามดื่มอย่างมากเกินไปให้รูจ้จักให้มันพอประมาณครับคอยห้ามันมากว่าพวกนี้ถ้ายิ่งกินยิ่งติดยิ่งอยากจะกินเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีผลกระทบต่อหัวใจต่อร่างกายของเราได้ครับกินพอหอมปากอมคอเช้าเ ช, ช, ช้าถ้วยเย็นถ้วยนียย้พอนละ้อย่าไปกินแบบทั้งวันทั้งคืน ไอผมผมผมกินวันละแก้วนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายมากนะครับถ้ายังดื่มได้แล้วก็แฟผมกลัวตกโรกอ่ะไม่ตกถ้าไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปรักทรัพย์ม่กไปพูดผิดเขาก็แค่ีไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนเองก็ไม่มีนียครับเอไม่ไปเดือยรชนแรงมากไม่ไปมึนเอาแล้วไปทำร้ายผู้อื่นไม่ไม่มีวันตกโรคแล้วครับเอาแล้วก็ and final curtain คือเออมื่อกี้ฟังเครื่องน้องเรื่องของการไนโกหกนะครับเราคือตอนที่ผมเป็นเด็กอะผมเคยขโมยตังคุณพ่อคุณแม่ไปเลี้ยงขนมมันกิดเทื่อนอ ะ, อะผมควรที่จะใส่ส า, ารภาพเลยภรัสารภาพไ่แล้วจะได้สบายใจโอเคครับแล้วถ้ า, ถ, าถ้ามีเงินก็เอาไปคืนเขาด้วยก็ได้ยังไม่มีครับครับผมบงชัววันหนึ่งพอผมมีเงินผมยาวมันที่ผมขโมยไปคืน <laughs> okay. <laughs> <laughs> okay, na. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Okay, you're welcome. Yeah. Uh -huh. Are you hybrid? You, is your c u r r e n t foreigner? Is your how come Sorry. you speak English? All oh, home English teacher. English teacher. Yes. Um, and but and e o i t i n in high society, uh -huh. it make me be pleasure to ask some questions with Atan. ครับคือคือเราเราด้วยหน้าที่การงานนะครับผมผมอยากจะลาทิ้งไว้แล้วก็มาถามในความเป็นจริงว่าเราเป็นคนคนหนึ่งมีปัญหาแบบ น, นอะไรอย่างเงี้ยครับคิอว่าพ่อแม่เป็นชาวต่างชาติพูดภาษาไทยไม่ได้ก็เป็นคนเหนือเป็นคนลําปางหมดเลยเป็ลำปากนะคนนี้ครับ <c oughs> โอเคนะแต่มีอะไรก็เข้ามาฟังแล้วมาถามใหม่ได้นะถ้าสงสัยอะไรครับโอเค ไปท่านต่อไปคุณอ้อมเชิญคุณอ้อมค่ะนมาตการค่ะพระอาจารย์อ่าเป็นไรแม่วันนี้อยู่ที่ไหน <c oughs> บ่าวินจชอรุลีค่ ะ, ะบ่าวินมไม่มีคําถามค่ะ <Okay. S 3> แต่ว่า อ, อยากอยู่เข้าใกล้จะได้ปฏิบัติเรื่อยๆค่ะอ่าฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ดูจากวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนะตอนนี้ก็คือยังไม่พัฒนาขึ้นแต่ว่าก็ ก็ก็คือไปเรื่อยๆค่ะไม่ไม่ได้ลดลงพยายามเจริญสติบ่อยๆพูดโทรบ่อยๆฮะอยากขอให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยค่ะโอเคนะค่ะขอบคุณค่ะพะอาจารย์คุณยาดาเชิญคุณยาดาอยู่ที่ไหนมายโครโฟนก่อนคุณยาดาอันมิไมโครโฟนก่อนมีตัวอันมิวอยู่ที่ข้างหน้าจอกดมัน อยู่ที่หน้าจอข้างหน้าของกลางมันจะบอกแอนมิไมโครโฟนเห็นไหมคุณยาดาได้ยินได้ยินแล้วไหมฮะอ๋อได้ยินแล้วค่ะค่ะอยู่ที่ไหนกันเจ้าค่ะอยู่อังกฤษเจ้าค่ะซึ่งเข้ามาครั้งแรกเจ้าค่ะแล้วก็ติดตามเพจอยู่ที่ส่วนไหนอยู่เนือใต้อ่าอยู่ ยอร์เชอร์ค่ะ <York shire. S 2> อยู่ในยอร์ชเชอร์ตอนเหนือใกล้ๆ ก, ก, กับสกอตแลนด์ก็าจากนี้นไปสกอตแลนด์ประมาณสี่ชั่งเจ้าขาตอนนี้ก็หนาวมากนะเอ่อตอนนี้ขณะเวลานี้ก็ประมาณ minus two ค่ ะ, ะลบสองประมาณลบสองแต่ว่าหิมะไม่ตกในหมู่บ้านที่โยมอยู่เนี่ย คก็ว่าไปทำทําส ถ, าถาิติมันมีหมู่บ้านอยู่ในสกอตแลนด์ระว่างทำสถิติหนาวที่สุดในเมื่อวานานี้ไงเมื่อวานค่ะที่สกอตแลนด์ที่อาเบดีนที่อเบดีนที่หนาวที่สุดคค่ะฮิมะหนามากค่ะอะมีอะไรไหม ย, ยมอยากจะถามเมื่อเมื่อวานพอดียมก็เคยปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ พอดีโยมเห็นโทรศัพท์ของตัวเองอะค่ะที่มันเกิดแต่โยมไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้เมื่อวานพอเห็นโทรศัพท์มันระเบิดออกไปเลยกับสามีอะค่ะอืก็เห็นนะคะที่มันทํางานแต่โยมอะหยุดไม่ได้โยมจะมีวิธีไหนที่จะหยุดมันได้ในช่วงร ะ, <ต> ะ, ะยะเวลานั้นที่พุดโทรศัเลยท่อมพุทโธไปอย่างเดียวสู้กับความโกรธไป มันโกรธปับป๊บพูดโทพุทธโทพุทธโทไปภายในใจท่อพุทธโทไปเดี๋ยวเดียวห้านาทีมันก็หายโกรธแล้วเจ้าค่ะแต่เห็นนะคะเห็นมันทํางานแต่ว่าพอมันจะเริ่มโกรธปั๊ก็เริ่มพูทธโทเลยแล้วก็พูดโทใส่มันเลยไปเหมือนยาหมองพอเริ่มคันหน่อยปั๊บก็เอายาหมองทาเลยแต่ะภายนอกนี่ <อา S 2> <ช>หลายคนที่เ้ามอง เขามองดูโยมเหมือนกับว่าไม่เป็นคนที่ไม่มีโทสะแต่จริงๆแล้วโยมรู้ตัวเองว่าเป็นคนคนมีโทสะลถ้าอยากจะลดโทสะก็ลดความอยากให้น้อยลงอยากประหยากให้ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ฝุดยินดีตามมีตามเกิดนะคนับเขาจะทำอย่างนี้ก็โอเคเขาจะทําอย่างนั้นก็โอเคอยากเป็นจู้จี้จุกจิกบังคับโอ้ยอยูต้องทําอย่างนั้นอยู่ต้องทําอย่างนี้เดาค่ะ ก็้วพอดีว่าเห็นโยมเขาบนน่ะเขาบนน่ะโยมก็เลยพอได้ยินปั๊บมันก็เห็นโทรศัพท์วิ่งมาปุ๊บมันขึ้นเลยอะค่ะเพราะว่าปกติแล้วโยมเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยเป็นคนชอบพูดสักไม่ค่อยชอบพูดแต่ไม่พูดออกจากปากนะคะแต่ว่าภายในใจนี่มันพูดตลอดเหมือนอยู่ในใจน่ะมันพูดตลอดเลยแต่ว่าใช้พูดโทรอยู่ใช้ใช้พูดโทอยู่เหมือนบ้ากระกัน อ๋อสาุสาธุคาธุสาธุสาธุสาธุสาุาธุสาธุสาธุสาธุสาธุาอะไรก็สาธุสาธุสาธาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุาธุสาธุสาธุสขธุสาุสาธุสาธ่สาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุาธุสาธุสาธไสาธุุสาธาธาธุสาธุาธุสาธุาุสาธาธาธุสาธุาธุสาธุาธุสาธาธาธุสาธุาาาา มันออกไปไหนไม่ได้แม่ก็เลยทําให้บางบางครั้งก็เครียดเหมือนกันแต่ได้มีมีไปอยู่มานานได้ยังอ่าอยู่ปีนี้ปีที่เจ็ดแล้วเจ้าค่ะปีที่เจ็ดนะฮะเดที่อยู่ที่ไหนบ้านบ้านเดือนอ่ที่ไอยู่โคราชเจ้าค่ะโคราชค่ะก็ได้กลับบ้านทุกปีแต่มาปีนี้ปีที่แล้วกับปีนี้ก็คงจะไม่ได้กลับก็ต้องรอใมันผ่านไปก่อนนะเจ้าค่ะ ก็เครียดกับที่ว ma exactly. so ่ามันระบาดเยอะระบาดหนักแล้วว่าถ้าจะไปเมืองไทยคนที่เมืองไทยเขาก็จะกลัวคนที่ไปจากอังกฤษมากเพราะว่ามันระบาดหนักก็เลยต้องทั้งใจใช่คนที่มาจากดาวน์ประเทศนี้ต้องก็ไปพักโรงแรมอีกสองอาทิตย์ก่อนเจ้าค่ะก่อนจะออกไปก็ค่าใช้จ่ายค่าการันตีก็เยอะค่ะก็เลยก็ต้องทั้งใจอยู่เฉยๆเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอเคมีอะไรไหม อตอนนี้ยังไม่มีเจ้าค่ะแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วมีอะไรติดขัดก็จะเข้ามาทุกวันพุธค่ะเข้ามาทุกวันพุธสองทุมทุกวันพุธเวลานี้ใช่ไหมเจ้าค่ะเวลาเนี้ยคาสาธุค่ะขอบคุณค่ะแต่ขอบคุณค่ะคุณเอเชิญคุณเอเชิญเปิดไม้วัสถานค่ะอยู่กรุงเทพค่ะ เคยเข้ามาค่ะเคยเข้ามาแล้วค่ะเคยไปขึ้นที่เขาด้วยอ่าเคยไปภาคกางบนเขาเลยเคยขึ้นฟังทำแต่ว่าช่วงหลังนี้คือพอแบบไม่ได้จัดสดอะไรก็ห่างไปเยอะอืมก็รู้สึกสนแล้วเนี่ยแต่แต่ไม่ได้อยู่บนเขาอยู่ข้างล่างที่หน้าบุตริกค่ะก็เป็นแบบต้องเป็นบางวันไม่ได้ทุกวันแต่ถ้าถ้าแต่ก่อนฟังทุกวันก็รู้สึกว่าดัดนีสัยตัวเองได้ดีอืมตอนนี้ก็ห่าง ที่ที่วันนี้นี่คือมีอยากนมัส ก, การถามสองข้อค่ ะ, ะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาทางปฏิบัตินะค ะ, ะคื อ, อค่ะเป็นปัญหาข้อแรกก็คือแบบว่าอย่างเราเนี่ยไปสมมติว่าเราเราเนี่ยควรจะทำใจยังไงตัดสินใจยังไงดีในกรณีที่เจอเคสที่แบบว่าพ่อเขามีลูกอะค่ะเล็กๆแล้วก็ อยู่ในการโครม่าหนึ่งเดือนแล้วก็คือมีการปั๊มเด็กขึ้นมาแล้วสามครั้งซึ่งซึ่งตอนเนี้ยปั๊มขึ้นมาแล้วเด็กก็ยังโคม่าอยู่เขาก็บอกว่าพยายามที่จะยื้อลูกเขาให้มากที่สุดก็เลยมามาเพื่อนๆก็เลยบอกว่าเออช่วยกันออกเงินเพราะว่ามันจะต้องใช้เงินเยอะแต่แต่เราเนี่ยไม่กล้าพูดว่าปล่อยเหอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ไม่ใช่ลูกเราใช่ไหมคะ <c oughs> แต่แต่เรารู้สึกว่าการปั๊มหัวใจทีก็น่าจะแบบว่าคือมันมันคงจะหักเหอะอะไรไปหมดแล้วแล้วก็เราก็ไม่คิดว่าเราควรจะทํายังไงดีให้เงินหรือว่าจะอยู่ยเฉยก็เหมือนใจร้ายแล้วตัดสินใจไม่ถูกก็แล้วค่ะถ้าเราช่วยก็ได้เงินเข้าไปทางกําลังของเราไปโวยเขาจะตัดสินใจยังไงกับลูกเขาเป็นเรื่องของเขาแต่เขาไม่มาถามเรา อืมแต่มันเหมือนกับว่าเราก็ไปส่งเสริมเพราะเรารู้ว่ามันนี้ไม่รู้มันไม่น่าจะมีประโยชน์แล้วอะ่ะเรา เ, เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราไปส่งเสริมให้เขาทำให้เขาลูกเขายิ่งเจ็บหรือเปล่าแล้วเราต้องมองความหัวใจของเขามากกว่ า, าไปหัวใจเขาตอนนี้เขาต้องการที่จะช่วยลูกเขาสุดๆเขาก็เลยไม่ได้ไปคิดถึงผลกระทบกับลูกเขาว่าจะเป็นยังไงอืองัยนเราต้องลองเจตนาดีของเขา จะไปมองให้ตรง Eve นั้นเพราะมันจะการเป็นข้ออ้ามันจะทำให้เราไม่อยากจะักช่วยเขาก็ได้เแล้วเราคิดว่าถ้าเขาเป็นเพื่อนเราถ้าเราเป็นเขาถึงเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือเขาก็ต้องช่วยเราแต่ถ้าเราไม่ช่วยเขายต่อไปเขาก็อาจจะไม่ช่วยเราอะไรทำนองนี้คือเราเห็นใจเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเคยจวมองอ <em> ีกที่มันไม่คนยังไม่มองเรื่องการช่วยเหลือน่ามองที่พ่อเขาเป็นหลั มองพ่อเป็นหลักใช่ไหมคะเราพ่อเราเป็นคนให้ความช่วยเหลือพ่อเขาไม่ได้ให้ช่วยเหลือเด็กค่ะมีความต้องการที่จะช่วยจะจะรักษาลูกเขาแล้วก็ช่วยพ่อเข้าไปก็ก็คือเจตนานเราช่วยพ่อแต่ว่าเราไม่ได้ไปส่งเสริมให้เขาทําช้ลูกอย่างนั้นนใช่ไหมคะใช่ถึงแม้จะมีถึงแม่มอาจจะไปส่งเสริมก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะ <c oughs> ล้วก็ไม่ได้มีความคิดโหดร้ายทารุณต่อลูกเขา <c oughs> เขารักลูกเัาเขา อ, อยากจะช่วยเขา เชื่อลูกเขาแบบนี้เลยฮึมค่ะแล้วก็อีกอีกหนึ่งข้อก็คือคําว่าทุกข์ค่ะคําว่าทุกข์ในอริยสัจสี่กับทุกข์ในพระไตรรักษ์น่ะมันมันมันต่างกันไ้ยคะอันเดียวกันเหมือนกันเลยใช่ไหมค ะ, ะเหมือนกันเลยอื่ะทุกที่เกิดจากความอยากทั้งนั้นน่ะทุกข์ในไต้ร่างก็เกิดจากความอยาก อยากให้มันไม่เป็นไตรักอยากให้มันเป็นนิจอยางสุขขังอัตตามันก็ทุกข์เพราะมันมเป็นไปไม่ได้ของทุกอย่างมันต้องเป็นอนิจจ์ทุกขังอัอตตาเพราะหนูได้ยินมาว่าเขาบอกว่าทุกในอริยาาสัจสี่คือความไม่สบายกายไม่สบายใจแต่ทุก์ในพระไตรักษ์นี่คือ ความที่ไม่สามารถที่จะแบบว่าคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ออไม่ใช่ใชอ่อคะอคะ่ะแล้วค่ะความไม่คงทนในสภาพเดิมก็คืออ น, นิจจามันใช่ไ ม, อมของมันขอไม่เกิดแล้วต้องดับเพราะี้อนิจจา ม, มันไม่มันไม่อยู่ไปตลอดทุกนี้แปลว่าความทุกข์ใจที่ไปอยากให้มันอยู่ตลอดอย่างพ่อเขาตอนเนี้ยพ่อเด็กตอนนี้ทุกข์ใจมากไม่อยากให้ลูกตายอนนั่นแะคือทุก ทุกทุกที่ใจของคนที่ไปอยัดให้ลูกไม่ไม่ให้ไม่ตายเข้าใจไหอแต่ถ้าเห็นความจริงอย่างที่หนูเห็นหนูว่ามันต้องตายไปรักษามันเสียเงินเสียทางให้มันเจ็บทําไมแต่เขาไม่เห็นอย่างเราเห็นเพราะเขามีอวิชชาปิดบังอยู่เพราะเขามองว่าเป็นลูกครับแต่เราไม่ได้มองว่าเป็นลูกเราเราก็เลยสามารถที่จะมองเห็นแต่ถ้าเราเป็นลูกเราล่จจะมองไม่เห็นก็ได้ คือหนูเคยแบบว่าดูแลคือเลี้ยงหมาไว้แล้วสามตัวสุดท้ายหนูดูแลจนลมหายใจสุดท้ายอ่ะคือหนูก็ใช้เงินทุกอย่างคือเงินมันไม่เสียดายแต่ว่าคือพอเราดูแลเขาประคับประคองไปเราเริ่มคิดแล้วว่าเรากําลังแค่ยืดชีวิตเขาหรือเปล่าเพราะว่าการให้น้าเกลือการไปทําอะไรเนี่ยเรารู้ว่าเขาเจ็บปวดอะคะประลังหนูก็เลยแบบว่าเลิกทําทุกอย่างแล้วรู้สึกว่า มาที่เราเลี้ยงอยู่เขาสบายตัวทุกตัวหนูก็เลยคิดอย่างนี้กับคนว่าถ้าเราถ้าเราพยายามทําอะไรใส่ลูกทุกอย่างอ่ะเขาเจ็บปวดอย่างนี้ไงค่ะแต่เรื่องเงินอ่ะหนูว่าไม่ไม่เสียดายหรอกเท่าไหร่เราก็ทุ่มไม่ได้แต่หนูเคยทุ่มมาแล้วไงคะว่าสุดท้ายเขาก็ต้องตายแล้วเขาก็แบบหนูความรู้สึกว่าอยากเขาตายดีอ่ะมันไม่ใช่ลของเราเราไปเราไปตัดสินใจให้เขาไม่ได้ใช่ค่ะก็พูดอะไรก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้ไม่ควร นอกจากเขาปรึกษาก็พูดได้ค่ะต้องเห็นใจเขาเพราะเขาทุกข์มากเขา อ, อยากจะให้ลูกหายใช่เพราะวันนี้หนูก็คิดว่าหนูจะโอนเงินไหมเนี่ยตรงนี้แหละหนูไม่รู้ว่าหนูหนูก็ได้ทําบุญนะเพราะหนูไม่มีเจตนาที่จะไปทําให้เด็กทรมานมีเจตนาที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของของของพ่อเด็กที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากเรา มองมองให้มันถูกมุมแล้วมันก็จะได้มันจะมาเสียใจในภายหลังไหมน้องใจจืดใจดำหรือเปล่าใจไม่ใจละกรมหรือเปล่าใช่ตรงเนี้ยที่คิดอยู่ค่ะ<ม>ว่าแบบว่าแบบ ม, มองเขาความตายเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็รู้สึกว่า<ม>ก็คิดสองอย่างว่าไม่ใช่ลูกเราเราเลยไม่รู้สึก<ม><ม>อย่างนี้ถ้าเราเป็นลูกเราเราอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อันที่สองก็คือว่าเฮ้ยเรามันแบบแหลมเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ต้องเอาหัวใจของเราไปใส่หัวใจเขาดูเอาหัวใจเขามาใส่หัวใจเราดูค่ะถ้างั้นหนูก็สบายใจขอสักการะคุณค่ะมีท่านนี้นะโอเคท่านต่อไปคุณเซรินธอนคุณเซรินธอนเชญกลับมาอยู่เอสเอหรือยังยังอยู่ยังอยังอยู่โดมินิกันอยู่ค่ะบได้กล่าว่าย้ายบ้านยังเหรอ ย้ายมาเป็น룸เเมคของไม่อยู่เป็นเนี่ยพานเมนนะคะแล้วก็แล้วก็เดินไปเดินมาได้อ่ะค่ะก็คือใกล้ลูกมากขึ้นแต่ก็เจอกันแค่ทิ้าไม่กี่วันเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ก็ทำตามที่แม่ไปก็แล้วกันทำตามที่ทำค่ะคือตอนนี้เราเป็นเหมือนอาหารเสริมค่ะพระอาจารย์คือเขามีอาหารหลักมีครอบครัวทางนี้แล้วเราก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการเรียกเราไปหาเราก็ เดินดทางไปหาือเราก็จะได้สบายไม่ต้องไปวุ่นวายมากใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วโยมก็มันเข้าใจหลังจากค่าวที่แล้วที่คุยกับพระอาจารย์แล้วก็มองมองทุกอย่างตามความเป็นจริงเพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่บ้านเรามันไม่ใช่ใชที่ของเราเราทําอะไรได้ไม่ได้เป็นที่พอโยมเริ่มมองตามความจริงมันก็มันก็เริ่มเข้าใจแล้วก็มันเริ่มเข้าใจเริ่มมีความทุกข์ใจ น้อยลงแล้วเวลาที่มีความโชคดีที่เราเป็นคนปฏิบัติธรรมคนะ่ะพระอาจารย์พรเวลามีความทุกข์ใจกังวลใจหรือเครียดอย่างเช่นเอ่อมันจะมีบางทีเราไม่มีอาหารทานอะไรเงี้ยค่ะเราก็กินแต่ผลไม้อะไรเงี้ยก็ก็ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอเรามองตามความเป็นจริงแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้เราเอาธรรมะเข้ามาใช้ตามความเป็นจริงเนี่ย ความทุกข์ที่เราเคยเห็นที่เราเคยคิดว่าอืมทําไมมันลําบากอย่างนี้นะทําไมมันอินเทอร์เน็ตที่นี่ก็ช้าอะไรอนะไรมันก็แย่มันก็เริ่มเริ่มมองไปในอีกทางหนึ่งที่ที่เข้าใจมากขึ้นนะครับอาจารย์อยู่กับความจริง อ, อย่าไปอยู่กับความอยากสียอย่<พ>าไป<พ>าอยู่กับความอยากอย่ า, ย า, ยากมันเป็นอย่างนี้มันก็เคยทุกข์ค่ะแล้วเรื่องปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเวลาที่เลงมามอยู่ที่นี่เนี่ยเวลามันน้อยลงอะค่ะพระอาจารย์แล้วโยมก็ คือตื่นเช so ้าขึ้นแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นว่ากลางวันเนี่ยเราก็ทํางานตลอดเวลามันก็จะเริ่มง่วงง่วงเหมือนเหนื่อยเหนื่อยทั้งวันอย่างเงี้ยนะคะพระอาจารย์แต่เรจ้าเราทํางานไม่ไม่ได้ไม่เห็นหน้าเราไม่เป็นไรนะได้ยินเสียงไหมเห็นแต่รูปพระอาจารย์ค่ะไม่อู้เป็เพราะอะไรไม่รเราพยายามเปิดมันมันก็ไม่ยอมเปิดให้ขอแจ้งว่า Canvas Star Video ก็ไเป็นไรถ้าย้ายเรา Star ก็ต้องออกไปใหม่แล้วก็กลับเข้ามาใหม อ๋อยังไม่ไปได้ก็ฟังเราไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเสร็จจากคุณพ่อเราอาจะออกไปดูแล้วกลับเข้ามาใหม่ก็ได้ค่ะร ก, ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ยมก็รู้สึกดีขึ้นรู้สึกเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการเอาใช้ชีวิตตามความเป็นจริงโดยเอาธรรมะที่เราเคยรู้เคยเรียนรู้มาเอามาใช้กับในความเป็นจริงเนี่ยมันทําให้เราสงบขึ้นเยอะแล้วก็ไม่ ไม่เครียดไม่ตื่นตกใจไม่กังวลทั้งกายทั้งใจใแล้วเวลาที่มีเรื่องอะไรกระทบเข้ามาเนี่ยพุทโธมันจะผุดขึ้นมาเองเลยพอมันผุดขึ้นมาบุกโยงก็จับที่พุทโธแล้วก็เอาแต่พุทโธแล้วพอสค่ะพระอาจารย์แล้วพอมันหยุดไปคือความคิดความกังวลความทุ้งท่ามันหยุดไปในชีวิตประจําวันพุทโธก็หายไปเองอย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์ พยายามอยู่กับความจริงปรับใจให้เข้าความจริงอย่าไปปรับให้เข้าความอยากอย่าไปปรับความจริงให้เข้าความอยากเรามันจะทุกข์เหมือนโยมเพิ่งจะมาเข้าใจอะค่ะพระอาจารย์แล้วพอเวลาเจอผู้คนหรือว่าเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ถูกต้องไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดโยมก็จะเริ่มพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสุดท้ายก็รู้คืออนัตตละลัคนสูตรพอดูเสร็จก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรนะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลย ไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะไปทุกข์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่ว่านนจะเป็นเรื่องลูกอาหาร <ๆ S 1> การกินที่อยู่ที่กินเรื่องการงานพอคิดได้อย่างนั้นปุ๊บมันก็เริ่มมันดีขึ้นกับอาจารย์แล้วปฏิบัติธรรมก็เริ่มสงบขึ้นมันไม่ได้สงบเหมือนแต่ก่อนแต่ก็สงบขึ้นเพราะว่าความฟุ้งซ่านมันลดน้อยลงและเข้าใจตามความเป็นจริงคือยมรู้เลยว่าไอ้เข้าใจตามความเป็นจริงในในชีวิตประจําวัน ที่ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติในสมาธิมันมันเป็นอย่างนี้เองค่ะอาจารย์ใช่โอเคแสดงว่าเริ่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วยังไงเริ่มเข้าใจค่ะเริ่มเริ่มพิจารณาตามใช้ปัญญาในการพิจารณาเขาใจคําว่าตายแล้วก็เป็นยังไงแล้วครับเข้าใจคําว่าลิยขิตเป็นยังไงแล้วทุกเกิดจากความอยากของเราตอนแรกม อ, มองความจริงไม่ยากมองความจริง โยมคิดว่ามันจะเห็นได้แต่ในสมาธิแต่พอมาเจอในชีวิตจริงแล้วเราต้องเห็นในชีวิตจริงมันต้องเจอกับเหตุการณ์จริงในสมาธิมันไม่มีให้เห็นเท่าไหร่ต้องจากเวลาสู้กับความเจ็บปวดของร่างกายแล้วค่ะแต่เวลาเริ่มเริ่มต้นนี้ต้องเวลาเจอเหตุการณ์ตา่างๆค่ะพระอาจารย์แล้วยอมก็คิดว่ายมต้องทําตัวเป็นน้ําเพราะว่าเมื่อเราเป็นน้ําเราจะเราจะอยู่ยใ น, ดนได้ ใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็เป็นดินทําตัวเป็นดินได้ยิ่งดีใครจะเหยียบก็ได้ใครจะย่ำก็ได้ค่ะพระอาจารย์ก็ณโยมก็เริ่มเข้าใจลูกจะไม่แคร์เราก็ได้เขาจะไม่แคร์เราก็ได้เราก็เป็นแค่ดินนั่นเองใช่ค่ะพระอาจารย์โยมเข้าใจอะไรมากขึ้นเยอะแล้วก็ไม่ค่อยไม่กังวลเหมือนไม่ทุกไมื่ทุกค่ะค่ะมันก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์แต่ไม่ได้เต็มที่ทั้งหมดแต่ก็ เข้าใจมากขึ้นค่ะพระอาจารย์เมื่อไหร่จะกลับอีกสองอาทิตย์ค่ะพระอาจารย์ยกลับวันที่ยี่สิบค่ะค่ะโอเคค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะรักสุขภาพสาธุาาาค่ะเราวที่แล้วไม่ได้บอกไม่ได้เจอวนะ่าได้รับปัจจัยที่ถวายแล้วนะครัะค่านอาจารย์สาธุโอเคเดี๋ยวจะให้เราออกไปไหมออกแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ยู่นะ พระอาจารย์ฮะตัวกล้องพระอาจารย์เสียบเสียบไฟอยู่หรือเปล่าฮะเราไม่ได้ไปทําอะไรมันต้องอย่างมันเปิดมันทํางานอยู่ข้ามาเนี่ยอ๋ออานจะเป็นไออาจจะเป็นมันแห้งหรือมันอาจจะเป็นะรกของโปรกจะจะแกรมเรับเดี๋ยวเรากลับถ้าอยากถ้าอยากจะเห็นภาพเราเร า, เราก็ต้องเราก็ต้องออกไปหมาแล้วกลับเข้ามาถ้ากลับเข้ามาไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้นะเรมเสียงว่าเราต้องเราดูนะครับโอเคอย่ารี <Jub ilee> ยังไปภาพโปรไฟล์อย <off ice grac ie> ู่ครับอาจารย์ก็เอาภาพนิ่งไปก็แล้วกันไม่เป็นไรว่ามันไม่รู้เป็นยังไงก็เรามาหลายคนแล้วมันก็เหมือนเดิมไม่ทราบว่ากล้องเสียงหรือปากกันไปหรือนะเดี๋ยววันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะทดสอบแก้แก้ไขปัญหาก็เอาตามมีตามเกิดไปก่อนก็แล้วกันภาพนิ่งก็เหมือนกันนะภาพนิ่กับคนเดียวกันขอให้ได้ยินเสียงชัดเจนก็ใช้ได้นะได้ยินใช่ไหมได้ยินครับ โ okay. อเคงี้เราแคันี้ก่อนเพราะไ ม, ไม่รู้จะไปแก้ตรงไห น, นเดี๋วต้องทนลองหลายหลายทางด้วยกันคนภาษาลาวใช่ไหมเ น, นี่ยอักษรลาวคนติดกับคนเอกเนี่ยอชื่ออะไรโอเคอ่านวิวไมโครโฟนก่อนกับสาาบสายดีพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่าาาลาวสวรรดิเกตสวัสดเกตเคยเข้ามาหรือเปล่า ไม่เคยครั้งแรกค่ะบเป็นยังไงพบที่นี่ได้ยังไงรู้จักตืนเต้นรู้จักที่นี่ได้ยังไงรู้จักออติดตามมาตั้งนานแล้วครับอาติดตามมาตั้งนานแล้วที่เขียนข้างล่าเขียนว่าไงนะพะอ่านไม่หรอภาษาลาวสอนดวงพรเดชโภตุมาดวงพรเดชอยู่ช่วงเขตก็อยู่ทางใต้ใช่ไหมลาวอยู่แถวมุกดหารครับอาจารเค มีอะไรจะถามไหมคือตอนแรกมีเยอะมากแต่พอมาเจอเลยถามไม่ไม่มีเลยหามหมดเลยคำถามค่ะน่าจะมีข่าวหน้านะคะพาราจารย์เพราะว่าก็ปฏิบัติพยายามแบบว่าปฏิบัติทุกวันประมาณวันละสี่สิบนาทีอะอาจารย์เน่เพยายามทำไปเรื่อยๆแบบว่า เคยแบบว่าเคยนั่งแบบนั่งจนถึงความว่างแล้วพอทีเนี้ยก็หาไปไม่ได้กลับมานั่งะ แ, แล้วทีเนี้ยกลับมานั่งเหมือนเดิมมันก็หายมันก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมก็พยายามใช้สติอย่าไปคิดถึงความว่างที่เคยได้กลับมานั่งแล้วก็พุทโธพุทโธไปถ้าใช้พุทโธแล้วดูลมก็ดูลมไปอย่าไปคิดถึงความว่าง เข้าใจไหมค่โอเคเดี๋ยวนนี้ก่อนนะคุณเจฟเชิญคุณเจฟเชิญคุณเจฟคุณเจฟผ่านไปไหนแล้วผ่านไปแล้เด็นย ะ, ะเดีเคค๋คุณนาเรนะฮะ N A R E ครับ N A R E กดกดอันนิ้ได้เลยฮะโอเคเอามาฮะกดใหม่ฮะโอเคอเชิมีอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ใต้หวันค่ะเคยเข้ามาหลายครั้งแล้วออร่าครับว่าค่ะมีอะไรไวันนี้ก็คือรู้สึกว่าอาทิตย์นี้ค่ะประมาณสองครั้งเวลาขับรถไปทำงานนะคะสักการรู้สึกว่า เข้าใจคําว่าหมายถึงว่าข้างนอกมองไปงด้านนอกอะค่ะมันกับเขาสงบเขาเงียบแต่ว่าที่มันวุ่นวายอะคือมันวุ่นวายที่ตัวเราอ่ะเจ้าค่ะถ้าวุ่นวายที่ความคิดเนี่ยเราคิดมันก็วุ่นวายถ้าเราหยุดคิดมันก็หายวุ่นอย่ า, ย า, าคิดไม่เป็นแต่คิดว่าทุกอย่างมป็ น, นตายรักมันก็หายวุ่นถ้าไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่มันก็วุ่นขึ้นมาดังนน ถ้าคิดไปเป็นก็หยุดคิดก่อนใชพุทโธหยุดคิดไปก่อนให้มันหายวุ่นแล้มาสานให้มันคิดว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จาไม่ทุกข์มันจะไม่วุ่นเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะออแล้ววันรู้สึกวันนี้จะเข้าใจเอ่อจะไม่ไม่ใช่เข้าใจเจ้าค่ะรู้สึกจะเห็นความคิดเขา เขาออกมาเยอะมากเลยเจ้าค่ะเขาจะออกมาแบบไม่หยุดเลยเจ้าค่ะใช่มันไม่หยู่หรอกต้องใช้พุทโธมนนันถึงจะหยุดมันเป็นเหมือนรถวิ่ลงเขาอ่ะมันไม่หยุดเองหรอกค่ะเขาจะออกแล้วทีนี้เสร็จเออเมื่อก่อนนี้เคยใช้พุทโธเจ้าค่ะแต่รู้สึกว่าเขาจะไม่เหมาะกับไม่ใช่ไม่เหมาะกับตัวเองนะเจ้าค่ะคือรู้สึกว่ามันเขาจะสั้นไปก็เลยเออเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วอะค่ะเคยใช้เคยท่องอีดิปิโซค่ะ แล้วช่วง น, นี้คือให้วดมนต์ไปก็ได้ทาไปก็ได้ค่ะแล้วก็เลยกลับมาท่องอีพิซีโซรู้สึกว่าจะจะพราะเาพอเห็นความคิดเขาโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะก็เลยท่องอีพิซีโซแ ล, ล้วเขาก็จะหยุดไปแต่พอแต่พอหยุดท่องเสร็จเขาก็ออกเขาจะออกมาแบบเหมือนกับแยกกันออกมาเลยเจ้าค่ะความคิดอืมใช่ก็ต้องท่องต่อไปพอมันออกมาใหม่ล้วก็ต้องท่องใหม่เจ้าค่ะเหมือนปิดก๊อกอะพอเปิดก๊อกมันก็วิ่งมาใหม่ มันต้องคอยปิดปก๊อบไปเรื่อยๆแต่เห็นเขาออกมาเป็นแบบออกไม่หยุดเลยเจ้าค่ะความคิดนี้เขาเขาออกมาเป็นแบบแบบเป็นเป็นเป็นสายเลยเจ้าค่ะก็ต้องอย่าให้เขาอย่าให้มันออกเใช้พุโทโธใช้สวดอุตีภิโสไปเรื่อยๆเจ้าค่ะรู้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> สึกว่าตัวเองจะตามจะจะจะตามทานันหมายถึงว่าจะรู้ทันความคิดหรือเปล่าไม่ทราบนะเจ้าค่ะ ก็เห็นความคิดแล้วล่ะเห็นว่าเมื่อก่อนอา จ, จะไม่เห็นอย่างนี้เห็นความคิดแนละ้วมือมมื อ, ม, อมันบอกมาปั๊บแล้วก็สวนไอทีไป ส, ไปสวนไปสวนไปสวนไปเรื่อยๆในต่อไปมันก็อ่อนกําลังลงไปเองเจ้วค่ะต่อไปมันก็หยุดได้มันสมาธิเกินมาเจ้าค่ะนะทำไปนะอย่าท้อท่านหนึ่งปัญหาคยอย่าไปยอมแพ้อย่าไปหยุด เ้าก็ยังมีแรงแล้วว่าน้องสู้กับเขาต่อไปพระอาจารย์เจ้าคะคือเขากิเลสที่เขามีพลังพลังมหาศาลมากเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่เขาเป็นเจ้าได้เราอยู่ในใจเรามานานแล้วมีกองทัพใหญ่เรามันกองทัพทำมีนิดเดียวเราเนี่ยเราสร้างสติขึ้นมาให้มันมีกําลังมากให้สู้กับมันให้ได้เจ้าคะนะอย่าท้อแท้ก็แล้วกันนะ สวดไปเรื่อยๆทีวีโซ่สวดไปเรื่อยๆเวลามันเวลามันจะคิดถ้ามันไม่คิดก็หยุดสวดได้นะเจ้าค่ะอไม่มีอะไรนะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอาธุสาธุคุณยินดีมันเดียทีละคนออยู่ที่ไหนคนยินดีอัมมิวไมโครโฟนก่อนไมโครโฟนอัมมิว กดอันมิวครับโอเคพูดได้นะพูดไดนะได้ยินยังคะอาจารย์ได้ยินนะได้ยินใช่พูดจำดำหน่อยอาจารย์หนูเองยินดีจำหน้ไม่ได้หรอกไมู้เป right. no ็นใครรูย ha oh, okay. yeah. ินดีเดวิดนะอาจารย์ท่านอาจารย์เดวิดไหนเดวิดมาเลเซียค่ะฝรั่งเศสอะค่ะอ๋อโอเคเข้าใจเอ่าชาวจายละตอนนี้อยู่อเมริกาแล้วอยู่ฝรั่งเศส อยู่อยู่อเมริกาค่ะท่านจันเนี่ยไปอยู่มานานนี่ยังท่านนี้ก็ก็ก็หนูตั้งแต่กลับมาแล้วหนูก็ไม่ได้ไปเลยเพราะาติดโควิดอะค่ะพอมาอยู่ได้ประมาณพอย้ายมันที่นี่ก็ปีกว่าแล้วค่ะอาจารย uh ์ uh. มาถึง uh uh. ที่อเมริกาก็ประมาณเดือนธันวาค่ะอ uh uh. มาเช้าในรีส ก, ก็มาใส่บาตก็มาบ่อยนะอาทิตย์ละสองสามครั้งนั่นแหละค่ะอาจารย์ช่วยปลนเมตาน้องด้วยะคะ uh ่ะเออเขาจะได้แบบ เข้าที่เข้าทางอ่ะค่ะก็ยังดีอ่ะแล้วก็ยังคิดทําบุญอยู่ก็ยังโอเคก็ยังยังทานหนูยังหนูยังดีใจอะค่ะที่ได้ข่าวว่าเขาเข้าวัดเพราะหนูจะถามข่าวเขาเนืองเวลาเจอนันก็จะแบบถามนันว่าน้องมาหรือเปล่าเพราะหนูกลัวเขาทิ้งวัดอะค่ะเพราะว่าคือเขามาเขามาบ่อยเขามาบ่อย่ะแม่ก็ปลูกไว้ดีก็ดีอะค่ะแต่คือไม่ทราบว่าเขาเกิดอะไรก็หนูก็บอกคือเขาเป็นคนที่ อ่อนนะค่ะเขาเป็นคนจิตใจดีอะค่ะน้องอ่ะคือเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเขาเจอคนดีก็ดึงไปในที่สูงอะค่ะเจอเปคนดีดูท่าทางเขาก็เหมือนเดินถ้ามันดีสาธุค่ัอาจารย์ท่านอาจารย์เขาก็ก้าวแล้วกับหนูอะค่ะอาจารย์จากที่เขาไม่เคยเป็นมันเป็นธรรมดาพี่กับน้องไม่อย่างนี้เราอย่าไปกดเขามากอย่าไปสอนเขามากอย่าไปอะไรเขามากเขาโตแล้วเขาอยากจะเป็นตัวเขาเอง ไปสอนเขามากเขาก็เลยต่อต้านเรานี่ยก็หนูกลัวเรื่องบาปอะค่ะอาจารย์ก็เรื่องบาปเราไม่ได้เราไม่ได้ไปสอนเขาไม่ไม่บาปเขาไม่ฟังหนูก็เลยแบบใช่เขไม่ฟังก็ต้องหยุดต้องหยุดต้องหยุดก็เนี้ยค่ะหนูก็ทําตามที่ท่านอาจารย์บอกอะค่ะว่าให้หยุดคือสอนได้ก็สอนสอนไม่ได้เราก็ต้องหยุดแต่คือปัญหาก็คือว่าเขากินปูร้อนท้องแล้วก็พอด้วยความที่ว่า ทุกวันนี้ก็เลยไม่ได้คุยกันไม่เลยไม่ได้ไม่ได้คุยเขาเรื่องของเขาเรื่องของเขาไปก็ไม่คุยเขาไม่ต้องคุยหนูก็ไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าเวลาคุยแล้วแบบพอคุยแล้วพอเป็นเร่าคุยแล้วเป็นเรื่องก็อย่าไปคุยค่ะพอคุยหนูไม่ได้คุยเรื่องเขาแต่คือด้วยความที่ว่าบางทีเราบินทุรัที่มันมันมันมันจะต้องคุยกันเรื่องทางบ้านนะคะเพราะว่าบ้านเช่าของแม่ค่ะก็เลยแบบพอคุยพอคุยปุ๊บแบบเรามีปัญหาพอหนูถามเขาพอหนูถามเขาหาว่าหนูว่าเขา คือด้วยความที่ว่าเขากินปูนร้อนท้องเขาก็เลยแบบเพราะคือเขาเขาคิดไปเองคือเรากานที้เป็นไม่เหมือนไม่เบากันไม้เหมือนไม่เบาเมาก็ต้องใจเย็นๆพูดให้น้อยที่สุดถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องพูดส่งข้อความไปก็แล้วกันหนูใช้ข้อความเอาค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็พยายามพูดดีๆเขาหน่อยก็ก็ไม่ได้พูดเลยค่ะเพราะว่ากลัวเพราะเขาแบบคือ เขาไม่เคยเขาไม่น้องไม่เคยเป็นแบบนี้ค่ะน้องเขาจะเป็นคนที่น่ารักอจอาจารย์แต่พอมาเจอผู <k <k <k <k <k k <k ้หญิงคนนี้ก็เลยแบบพอมาเจอผู้หญิงคนนี้อะไรนั <k <k <k <k ่งหนักก็ไม่รู้มันเยอะแยะไปหมดหนูก็เลยแบบไม่คุยดีกว่าแล้วหนูก็เลยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไลหาไม่อะไรไม่คุยไม่รายหาเลยปล่อยปล่อยเข้าไปตามสํามากเขาโตแล้วอายุเกือบครึ่งคนแล้ว กลัวอย่างเดียววันนี้อาจารย์เริ่มหนูกลัวเรื่องศีลเรื่องผิดศีลหนูก็เลยกลัวกลัวก็เลยแบบก็เลยของเขาไม่ยิ่งของเราเราไปเข้าววันตลาดเวลาไม่ได้หรอกค่ะอาจารย์ท่านอาจารย์เออค่ะนี่อะไรคะเดสดสบายดีเลยเดวิดสบายดีเลยเดวิดสบายดีค่ะก็ก็สบายอยู่กับบาเรียกว่าไฮโลนะไม่เลิกไปอยู่เราไปทำงานไปทงานค่ะถ้าอาจารย์จต่แต่เดวิดเข ฝากความคิดถึงถึงอาจารย์ค่ะหนูทั้งสองคนก็คิดถึงถึงอาจารย์ก็เนี่ยปีแล้วค่ะที่ไม่ได้กลับไปอยู่เมืองอะไรอยู่เมืองอะไรอยู่เซาค์แคโรไลนาค่ะอาจารย์เมืองอะไรชื่อโคลัมเบียค่ะโคลัมเบียค่ะนี่ก็มิยะอยู่คอนเนียติว์นอตแคโรไลนาคุณเกษรินอยู่ใกล้ๆกล้นทัายกันเนี่ยอยู่สองคนจากคนไปเนี่ยอยู่คุณเกษรินโบส เอสลินโบเหรือคะเออเ น, นี่ยยูดูที่จอเลยไ้ยดูถัดไปสองคนจาก จ, จากจอคุณมีคุณคุณประเวศขั่นอยู่คนหนึ่งแล้วคุณเกษรินก็ลองส่งเมส เ, เซจคุยกันก็ได้เมื่าน ค, คนไทยก่ ใ, ใกล้กันจะได้รู้จักกันเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันขอบคุณมากค่ะอาจารย์ ค่ะก <Okay. S 2> ็เลยคราวนี้ก็เลยนานเลยถ้าจะได้ไปหาท่านอาจารย์เม่รำล้ำไม่รำควรนี่ก็เจอแล้วเนี่ยต้องไปหาที่ไหนล่ะมาเจ อ, แ ล, อแล้วแต่เพื่อนตอดนี้ภาพมันไม่ยังภาพมันใช้ไม่ได้เลยต้องใช้ภ า, าพภาพริ่งไปก่อน <ทะ S 1> กล้องมีลูกเสียเปล่าเลยต้องตรวจดูเสียอาจจะต้องส่งไปซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ก็หนูขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะที่ได้ปวดน้องอะค่ะอาจารยอโอเคนะมีอะไรไหม ไม่มีค่ะเพียงแต่ว่าคิดถึงเฉยๆค่ะอาจารย์โอ okay. เคคุณเข้ามาข้างหน้านี้นะหนูพยายามทําอยู่ค่ะแต่ามันมันทําแล้วมันเข้าไม่ได้แต่บรรแล้วเดวิดก<ะ>็เลยลองลองใหม่<ะ>พยายามหลายครั้งแล้วค่ะก็เลยลองแล้วเดวิดก็ลองครั้งมีอีกทิงพอลองแล้วมันได้อค่ะเขาลองทิ้งไว้ให้ก็เลยน<ะ>หนูก็เลยคุยไลน์กับเดวิดแล้วเดวิดเขาก็เลยบอกว่าฝ<ะ>ากกลับท่านอาจารย์ <Okay. S 2> ด้ค่ะ เช่นเดียวกันนะขอบคุณเองให้โอเคนะทำใจสบายสบายนะโปงได้แลเรื่องของคนอื่นเราอย่าไปแบกให้มันเสียเวลาเลไะค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณประเวอบคุณโอ้เดี๋ยวมีใครที่ข้ามเลยหรือเปล่าไม่มีคุณประเวิทเชิญคุณประวิทยอยากเดาแล้อันนี้ภาพเราหนิ่งนะเสียไม่รู้กล้องไปไหนวันนี้ไม่เห็นหน้าพระอาจารย์เลยครับเนี่หน้าเรามัน กล้องมันเสียงไงแต่กล้องมันแสงมันก็ติดอยู่นะมันทำงานอยู่เ แ, แต่เสียงสายครับแต่วันนี้จะมารีพอตครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปฉีดยาโควิดวัคซีนมาเรียบร้อยอของไ f i เซอร์เยอนเยนดีด้วยสบายใจ น, นะครับไม่ไม่ครับไม่มีอะไรมากก็เหมือนกับฉีดยาแก้หวัดธรรมดาครับเข็มแรกนะครับปวดนิดหน่อยมันปวดที่แขนิดหน่ครับผมปวดเหมือนการฉีด วัคซีนแก้หวัดเหมือนกันครับเข็มแรกแต่ว่าเข็มที่สองนี่ผมของไพรเซอร์เขาจะต้องกลับไปฉีดภายในยี่สิบเอ็ดวันเขาเซ็ตอัพวันเรียบร้อยครับอ่าดีจะ ไ, ได้สบายใจแล้วทีนี้จะไปไหนก็ได้แล้วต่อไปอยัยงครับยังครับต้องต้องคีดสองตอนนี้เขาเขาจะให้เป็นบัตรคารดมาว่าเราฉีดเข็มหนึ่งแล้วแล้วเราต้องกลับไปภายในยี่สบ็ดวันไปฉีดเข็มที่สองครับอืมโอเคหลังจากนั้นก็ถือว่ามีมีมีผู้คุ้มกันนะ ครับตอนนี้เราเหมือนกับเรามีภูมิป้องกันแต่ว่าก็ยังต้องใส่หน้ากากอยู่ชเช่นเก่าครับแล้วสบายใจครับตอนนี้มารรพอร์ตเรื่องการปฏิบัติรรการทำสมาธิเดินจงกรมก็ดีขึ้นครับแล้วก็ที่ท่าอาจารย์บอกว่าให้สวดอิติปิโสนั้นมีควาสมสำคัญมากนะครับใช่ชชวยระงับความเครียตแต่งได้เละ ดีมากเลยครับถ้าอขอแนะนาให้สวดอีวิโสก่อนทำสมาธิด้วยครับถ้าดูดูลองไม่ได้นั่งเฉยเไม่ได้จิตมันฟุ้งกัสวดมนต์ไปก่อนครับผมอันนั้นดีเรามีข้อสงสัยข้อหนึ่งครับพระอาจารย์คือเราเข้าใจว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปหนักแต่มันมีข้อสงสัยที่ว่าคนที่ป่วย แล้วเขาไปดึงปักออกเนี่ยมันจะต่างกับการฆ่าตัวตายหรือเปล่าครับไม่ต่างเออต่างต่า ง, างเพราะว่าการดึงปักออกมายถึงการยุตดดิการรักษาแต่ถ้าไปเอาอะไรปิดจ ม, มูกเนี่ยเป็นการฆ่าตัวตายอันอันนี้อัน น, น, นี้อันนี้คื อ, ข, อข้อต่างระหว่างการฆ่าตัวตายกับการที่หมอ สั่งให้ระงับให้ตายใช่ไหมครับใช่ใช่ระงับการรักษ า, าถ้าเราบอกเราไม่ต้องการรักษาแล้วขอยุติใช้เครื่องหายใจใช้อะไรต่างๆขอให้ร่างกายอยู่ตามธรรมชาติอย่างมันไปอันนี้อันนี้ถ้าถ้าน น, นถ้าเป็นคนที่ทําเองใช่ไหมแล้วแต่ค น, คนที่นนทาก็ได้เหมือนกันไม่ไ ม, ไม่ไม่บาปอะไอย่างได้ไม่บาปเนีย่ยนะครับอันนี้อันนี้จะขอความเข้าใจเพราะว่า mm hmm. ผมเคยครั้งหนึ่งไหลสมัยหล า, หล า, หลาสิบปีแล้ว ผมกลับไปประเทศไทยพอดีเจอปัญหาข้อนี้คือพี่สะพ้ายกับพี่ชายคนโตเขาอยู่ในโคม่าแล้วมั น, ม, นมันหลายครั้งแล้วก็ผมก็ได้ปรึกษาหมอในช่วงที่ผมกลับไปเมืองไทยพอดีผมก็ปรึกษาหมอกับ<ม>กับพี่ชายบอกว่าหมอก็บอกว่ามัน 99.9% แล้วเขาไม่สามารถกลับคืนมาได้<ม>ไอ้อภินิหารเราไม่นด้เชื่ออยู่แล้ว<ม>แต่ว่าก็ผมก็แนะนำพี่ชายไปว่าพี่ ก็ควรให้เข้าไปนะเขาจะได้ไปสบายแต่พี่ชายก็ขอมาบอกขอเขาอีกวันได้ไหมเขาจะได้ขอได้นั่งนั่งดูหน้าตาอะไรอย่างนี้ผมบอกมันอยู่ที่พี่ชายไม่ใช่อยู่ที่ผมอันนี้มันมันก็มีค้างอยู่ในใจผมบอกเอ้เราไปให้เขาค่าภรรยาเขาหรือเปล่าเอไม่หรอกเราก็พูดตามความเป็นจริงอันนี้อันนี้อันนี้ผมมันมันก็แขงใจมานานจนกระทั่งมามาฟังกับ คุณผู้หญิงที่พูดก่อนผมมาพักหนึ่งที่เรื่องว่าหมาอะไรพวกนี้นะะมันก็เอ้นก็คลายในลักษณะผมที่ผมเคยให้ความแนะนํากับพี่ชายคนโตว่าเออมันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตลักเขาไม่สามารถที่จะกลับมาได้แล้วนะพี่นะก็ลปล่อยเขาไปสบายดีกว่า ม, มันก็ค้างในใจผมมาต้องเกบหลายสิบปีครับมันก็เป็นเรื่องที่เขาตัดสินใจไนเรับเลี้ยงก็ให้เสนอความคิดเห็นของเราไปเท่านั้นเองอ คือคือผมกลัวว่าเอ้ยเราไปปลดทุกไปไปบ่อให้เขาฆ่าเหมือนกับปล่อยตัวแล้วมันมันฆ่าดัวตายเลยไม่ได้เป็นการฆ่าอะไรอย่างใดอ่าทักับขอบคุณมากแลนวดีผมเข้าใจแล้วครับอันนี้เข้าใจอันนี้คือมันมันหมดทุกตรงนี้ที่ว่าผมเอ้ยเราไปช่วยเขาให้เขาฆ่าพี่สาวหรือเปล่าพี่ละใภ้หรือเปล่าไม่หรอกไม่แล้วไปแต่บ้ายเขายุติการรักษาเมื่อรักษาไปก็ป่วยกันครับขอบคุณมากครับ คุณเกษรินโบสจากนอร์ทแคโรไลนาเมืองอะไรนะคุณเกษรินยื่นอยู่ใกล้กับน้ำส ก, การะพระาจานอยู่นอร์ทแคโรไลนาเจ้าค่ะเมืองอะไรนิวเบิร์<บ>เจ้าค่ะนิวเบิร์อยู่หางจากโคลอมเบียไกลไายมาอร์ไลนาเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงได้นะเจ้าค่ะใกล้กเยใกล้กันเจ้าค่ะนี่มันจะมีอะไรไหม เยไม่มีอะ<ต>ไรเจ้าค่ะมาร่วมฟังทำเฉยๆเจ้าค่ะอ่าก็ฝากให้ให้รู้จักกันไว้ก็แล้วกันเผื่ออยากจะคุยกันเรื่องอะไรก็ได้เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าโอเคคุณสุภัสตาจากเดลัสเท็กซัรับคุณเป็นเพื่อนแล้วนะพอดี ว, วันนี้ก็ไปตรวจ ด, ดูคนขอคำขอเพื่อนก็เลยมีคุณสุภัสตาใช่ไหมเดี๋ยนะเดี๋ยนะฮะอ่าคุณสุภัสตาเดี๋ยอ่าผมอันมีคุณสุภัสตาก่อนนะฮะ อันวิ่ได้ยัง okay. ยครับพันวิ่งได้แล้วครับครับกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้เราเป็นเพื่อนแล้วในในฟขอบพระคุณเจ้าค่ะมาต้องปีในเมือง ข, ขอมาต้องปีเพิ่ไวใช้กับวัี <c oughs> ขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ก็จะมาะมารายงานการปฏิบัติแล้วเจ้าค่ะก็ ก็ลูกจะเวลานั่งสมาธิเนี่ยลูกจะแบบว่านับพุทธโทหนึ่งพุโทโธสองใช่ไ้มเจ้าคะ่ะและทีนี้จําได้ว่าญาติธรรมถามพระอาจารย์ว่าพุทธแบบ ก, ก็ก็คือเอาตัวเลขออกแล้วก็อยู่กับพุโทโธลมหายใจเพราะว่าลูกต้องหาอะไรเกาะเจ้าค่ะก็เริ่มก็เริ่มแบบอยู่กับลมหายใจแล้วก็พุทโทพุโทโธเข้าออกก็รู้สึกดี <laughs> ดีขึ้น ดีเกินแล้วจ้าค่ะเมื่อวานเมื่อวานมีความเย็นเกิดขึ้นที่กลางอกว่ะเจ้าค่ะก็แต่ว่าเจ้าค่ะแต่ว่าจําได้ที่พรัาจารย์บอกว่าก็ให้แค่ให้แค่รู้สึกคือคืออะไรอ่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็รู้สึกเย็นแต่ก็อยู่กับแล้วก็กลับไปอยู่กับผู้โทรเหมือนเดิมอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็สังเกตว่าขณะนั่งเนี่ยจะจะเห็นความ ความห่างระหว่างความคิดกับความว่างอะเจ้าค่ะคือมันไม่ปติปะต่อกันแล้ว่เจ้าค่ะก็คือมันจะว่างว่างว่างว่างแล้วพความคิดมันก็เด้งเข้ามาแล้วมันก็ห่ว่างว่างว่างอยู่อย่างเนี้เจ้าค่ะสติเราต่อเนื่อมากขึ้นช่วงไนสติเราช่วงไหนสติแล้วอ่อนมันความคิด access, ม, ค ม, Ronald, มันก็จะเข้ามา ได้ค่ะก็เลยค่ะก็ก็ฝึกอย่างนี้ค่ะแล้วก็พยายามเอาวันนึงเนี่ยพยายามพยายามให้ใกล้สามชั่วโมงที่สุดเจ้าค่ะแต่ว่าก็คือไม่ได้ต่อกันนะเจ้าค่ะก็คือเช้าเนี่ยเจ้าค่ะเช้าก็อาจจะสี่สิบนาทีบ้างสามสิบนาทีแล้วแต่ความสะดวกแต่ถ้ารวมกันวันหนึ่งจะพยายามนั่งให้ใกล้สามชั่วโมงอะเจ้าค่ะดีมากดีมาพยายมค่ะเ่ยค่ะ แล้วค่ะแล้วก็ฝึกสติทั้งวันนะเจ้าค่ะก็พยายามดูแล้วก็สังเกตสังเกตเห็นแล้วว่าจะมีช่วงของของความไม่คิดอะเจ้าค่ะก็คือความคิดหายไปเจ้าค่ะเย็นสบายเจ้าค่ะเจ้าค่ะจะพยายามเรื่อยๆเจ้าค่ะพยายามลดความอยากลงจะได้ลดความโกรธลงด้วย เจ้าค่ะพอเห็นน่ากินมีโอกาสกินสมูทตี้ได้ทกทีอย่างเงี้ยต้องต่อไเรื่อดูดูดูเครื่องสมูทตี้อยู่เจ้าค่ะบอกโอ้คนเมื่อไหร่เราจะได้กินมาก็ก็เห็นหน้าสามีแล้วก็รู้สึกโอเคเาดีเนอะเขาไม่ต้องเขาบอกเขาไม่ได้ฝึกมือนเราแต่เขาเหมือนเขามีฐานอยู่ของเขาอะเจ้าค่ะความความโมโหของเขาจะใชาเจ้าค่ะคนนิ่งกว่าเราถึงเราก็เลยบอกโอะ เนี่ยเราเราอย่างเราคงฝึกต้องฝึอกอีกนานนะเจ้าค่ะก็ฝึอกอีกนานก็ฝึกไปเรื่อยๆจะไม่ท้อเจ้าค่ะจะพยายามเรื่อยๆเจ้าค่ะไม่แน่หรอกมันน่ามันอาจจะใกล้แล้วก็ได้โอ้โสาธุเ<ร>จ้าค่ะอ ม, ม่รู้หรย่ะอย่าประมาทผลยังบางทมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ได้เจ้าค่ะลูกเห็นลูกเห็นภัยขอวัาสงสารเจ้าค่ะลูกลูกเห็น ไายแล้วลูกขอขอมีพระพุรธธรรมประสงค์เป็นสารณะเจ้าค่ะจะพยายามฝึกไม่มีอะไรสำคัญกว่า น, นี้ในชีวิตแล้วเจ้าค่ะโอเค่สาเจ้าค่ะขอนนี้นะค่<อ>จะจาต่อไปคุณคุณจิ๊บเมื่อกี้หายกลับเข้ามาใหม่คุณจิ๊บก่อนคนุณจิ๊บก่อนเมืเ่อกี้จนคุณจิ๊บการอาค่ะผ่าจานไม่ ได้ น, ไ ด, นได้เห็นด้วยแต่เราไม่มีภาพให้เห็นแน่เลยไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์ยิ้มให้โยมตลอดเลยตอนนี้ <laughs> ไม่มีพระอาจารย์ดุโยมตอนนี้ก็โอเคอ <laughs> พระอาจารย์สบายดีนะเจ้าคะสบายดียดค่ ะ, ะก็คือโยมคือเมื่อวานนี้โยมก็เห็นอารมณ์ตัวเองนะคะคือเมื่อวานนี้พอดีว่าอพ่อของลูกอะค่ะโทรมาบอกว่าเขาไปคุยกับ อ่าพูด ค, คนนึงแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พนัก ง, งานคนนั้นก็ติดโควิด ท, ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวลูกก็อยู่กับเขาแล้วเราก็เจอเขาก็กลายเป็นว่าคราวนี้มันก็เกิดความคิดขึ้นว่าไม่ได้กลัวโควิดนะเจ้าคะ่ะแต่แค่คิดว่าเราอุาตสาบป้องกันสุดสุดสุ ด, สดมากๆแม้แต่เราออกไปทํางานเราก็ป้องกันมากๆ แต่แค่ความประมาทและกาดของคนคนหนึ่งที่เขาไว้เขาตกลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ดุก็เราไม่ใส่หน้ากาดด้วยยังไม่เวลาเจอเข้าก็เรายังคิดว่าเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวเราก็ประมาทเราก็เลยประมาทไปด้วยเราก็มองตัวเองเออทําไมเราก็ไม่ใส่แต่ว่าถ้าเราใส่มันก็แบบเออก็เลยก็เลยไม่เป็นไรค่ะคราวนี้ก็เลยไม่เป็นไรเกิดก็เกิดก็ไม่อยากตรองการตัว ก็โยมก็กักค่ะก็กักกลายเป็นว่าก็เจอกันกักกันอยู่สี่คนแต่ว่าคนละบ้านก็ลูกก็ไปกับสองบ้านอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าวันนี้ก็เลยจะพาลูกๆไปตรวจดูแต่ว่าช่วงนี้ก็เลยมองว่าก็ต้องขอบคุณขอบคุณเขาขอบคุณโควิดขอบคุณข่าวนี้นะเจ้าค่ะเพราะว่าทําให้โยมไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ต้องทํางานก็เลยคิดว่าเอาละสี่ห้าวันนี้เราจะปฏิบัติอาจจะของกินก็ออกไปซื้อไม่ได้มีเท่าไหนก็กินเท่านั้น ก็เลยก็เลยมองว่าอโอเคก็เป็นช่วงที่กักตัวแล้วก็เหมือนกับเป็นช่วงที่ปฏิบัติธรรมไปด้วยก็น่าจะดีเพราะว่างานเพราะทุกครั้งที่จะตื่นมาก็จะคิดแล้วเออเดี๋ยวเราต้องกินข้าวต้องให้ลูกทานข้าวแล้วก็ต้องทํางานใช่ไหมคะแต่พอตอนนี้ก็เอองานก็ไม่ต้องไม่ทำแล้วก็มีเวลาได้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นก็เลยเออสงสัยโควิดอยากให้เราปฏิบัติธรรมมากขึ้นกว่าเดิมก็เลยเอได้กินข้าวน้อยลง ข้าชาไข่มุกก็ไม่ได้ออกไปซื้อเลยก็เลยก็เลยออโอเคโอเคก็เป็นช่วงกับช่วงตัดกิเลสไปเจ้าค่ะก็ค่ะก็เลยไม่กินเลยนั้นก็ทิ้งกิเลสจะหายไปหมดเลยก็ได้ก็ก็สาธุค่ะถ้ามันหายหมดก็ดีเจ้าค่ะเพราะว่ากลัวว่าพอพอลัลลารู้ผลว่าไม่เป็นก็เดี๋ยวจะรัลล์อีกแต่คราวนี้ก็เลยคิดว่าเอถ้าถ้าออกมาไม่เป็น แล้ว เ, เราจะต้องเวลาไปที่ทำงานหรือว่าจะไปเจอการอีกก็ต้องสงสัยต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาหรือเปล่าคงต้องเป็นอย่างนั้นมัง้งคะถ้าเขาไม่ระวงังเราก็ต้องระวังตัวของเราอเอกควควรระวังเราอย่าประมาทเลยบป่าเพื่อป้องกันตัวเรเอง ใช่เจ้าค่ะก็เลยก็พยายามสอนลูกว่าเออลูกก็ดีนะเจ้าค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตกใจอะไรว่าเราจะต้องกักตัวหรือเราจะต้องไปตรวจจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกเขาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเรามันเกิดอะไรเราก็ต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นผิดพลาดไปความมิสเทคทุกอย่างมันคือการที่ทําให้เราฉลาดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ลูกก็เข้าใจก็ก็ก็ดีนะคะที่เห็นลูกเข า, าดีลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มีสติกว่าที่เราคิดไว้อ่ะคะ่ะก็ค่ะแล้วทีนี้โยมมีคำถามคำถามหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์คือโยมก็เดินจงกรมพอตอนเดินนี่มันเดินได้นานนะเจ้าค่ะแล้วก็มีสติมากด้วยแต่พอหยุดเดินปุ๊บเดินเสร็จทำไมมันหาวทันทีมันง่วงขึ้นมาทันทีเลยโยมไม่ค่อยเข้าใจเลยเจ้าค่ะ ก็เวลาจะเหนื่อยก็ได้เดินแล้วเหนื่อยก็อยากจะนอนหรอครับมันไม่ได้เกี่ยวว่าโยมโดนมารผจนหรือว่าเราคุณจะเดินมากกว่าเดิมก็มันเป็นเราก็ิดแส่เราชอบนอนอยู่แล้วเลยพอไม่ต้องเดินมันก็อยากจะนอนอันี้โยมไม่ค่อยเข้าใจร่างกายตัวเองเลยเจ้าค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นไทยรอยด้วยหรือเปล่ามันก็จะเกิดความอ่อนเพลียตลอดเวลาอืมก็ ถ้าถ้า ถ, ถ้าไม่เอาจริงอาจารย์กับการปฏิบัติมากก็ท่านั่งกันนอนก็ได้ครับไปอาจจะตื่นมาได้วันทเตายกเอาจิงเ อ, งเอาจังไม่พอใช่ไหมคะมันควรจะต้องเอาจริงเอาจั ง, าจงมากแบบปฏิบัติตจริงก็จังก็ต้องฝืนท่านก็บอว่าไม่ยอมนอนยมก็ฝืนนะเจ้าค่ะยมก็ฝืนนั่งก็ฝืนฝื น, นมันจะหลับก็ฝืนฝืนครับมันจะหลับก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่ก็ได้ ใช่เจ้าค่ะแต่ก็พยายามแต่รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะแต่เพียงแต่ว่าเอ๊ะทาไมตอนเราเดินมันแอคทีฟมากเลยตอนเดินจงกรมเดินเดินเดินเดเดินเดินแต่พอเราหยุดเดินปุ๊บอ้าวเอ๊ะทำไม <ละ S 2> เราเวลาเดินเวลาเดินร่างกาย ม, มันต้องทํางานก็เลยง่วงไม่ได้อค่ะยมจะก็พยายามจาปะปฏิบัติมากขึ้นค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะพระอาจารย์นะค่ะค่ะทุกคุณธนนท์คุณธนนท์เชิญ อ่ ed, านมิลลบอยอ่านมิลล์มนสวัสดีครับพระอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนผมอยู่ศิีาชาครับพระอาจารย์เคยเข้ามาแล้วใช่ครับเคยเข้ามาก็ปฏิภาก็ปฏิบัติมาได้คือผมหน้าใหม่ครับคือผมเึิ่งจะนั่งสมาธิได้ประมาณยี่สิบกว่าวันเท่านั้นเองครับแต่ว่าก็ได้รับคําแนะนําจากพระอาจารย์เขาที่แล้วเรื่อง เปลี่ยนจากการนับเลขมาเป็นพุทโทรธธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนจากนับพุทโธเป็นสดมนก่อนด้วยอย่างเงี้ยครับก็ออตอนนี้ก็จิตฝูงซ่านน้อยลงมากเลยครับอาจารย์ออแต่ว่าอย่างนี้ครับมีคําถามตรงที่ว่าคือตอนผมนั่งสมาธิเนี่ยผมรู้สึกว่าผมควบคุมจิตใจได้ดีครับแต่พอผมใช้ชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยครับทําไมมันเหมือนกับว่ามันเป็นคนละคนกับที่นั่งสมาธิอย่างเงี้ยครับอาจารย์บางคนไม่ควบคุมคนปล่อย คนมาออจากสมาธิคนก็ควรจะมีพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆมันก็จะควบคุมไปต่อได้คนออกมา <Okay. S 1> แลนก็ทิ้งพุโทโธทิ้งอะไรหมดเลยก็ปล่อยให้ใจคิดไปตามอารมณ์มันก็มันก็ไปไปตามอารมณ์ของมันคุณต้องควบคุมต่อเลยไปเหล่ามาเหล่ออมามก็พุโทโธพุโทโธต่อให้มันคิดเฉพาะเวลาจําเป็นจะต้องคิดเนะี่ย แล้วก็เมื่อกี้เห็นพี่หลายๆท่าน น, นพูดถึงเรื่องการเดินจงกร ม, มครับผมคือผมไม่มีพื้นฐานทางด้านการเดินจงกรมนั่สมาธิอย่างเงี้ยครับผมควรจะต้องเริ่มต้นพื้นฐานยังไงดีครับอาจารย์คือการเดินจงกรมนี่มีไว้สําหรับการในที่เรานั่งเราหลับนั่งราง่วงอย่างเงี้ยก็ลุกขึ้นมาเดินแทนเดินสมาธิเดินจงกรมก็เป็นเดินสมาธิก็คื อ, เ, อเดินก็กกพุโทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ เดินกลับไปกลับมาประมาณสิบยี่สิบเก้าทางเดินเดินกลับไปแล้วแตจะมีทางเดินชั้นหรือยาวก็เดินไปครับ อ, อันนี้ก็เป็นะวิธีแก้ความง่วงถ้านั่งสมาธิไม่ได้นั่งแล้วง่วงนั่งแล้วจะหลับก็ลุกขึ้นมาเดิ น, น, นอัน น, น, นี้อันนี้จําเป็นต้องต้องทําเพื่อฝึกจิตใจด้วยระหว่างวันด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับใชเวลาอะไ้ก็นอนหัดพุทโธพุทโธเหมือนรรเราเดินจงกรม เทราทำงานไปแล้วก็ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุโทโธหยุดความคิดไว้ถ้าใช้องเป็นถ้าต้องใช้ความคิดก็ใช้แบบใช้มันไปใช้เท่าที่จำเป็นแล้วต่อไปจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าเมก่า ครับเพราะว่าผมรู้สึกเหมือนกันว่าตอนนั่งสมาธิผมรู้สึกผมดีอ่ะแต่ว่าพอพอต้องมาใช้ชีวิตปกติแล้วมันก็เหมือนก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็คุณไม่คุมก็คุณไม่คุมเหมือนตอนที่นั่งสมาธิใช่ไหมครับโอเคขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณศิลาวิทเชิญคุณศิลาวิทย์สุวรรณนรัตน์อันนุไมาครฟรตอนนีสวัสดีครับอยู่ที่ไหน ผมอยู่คอนแก่นครับเข้ามาข้างลายเ็แบบใช่ครับอมีอะไรไหยอ่าคือพอดีว่าพี่สาวผมว่กากำลังจะต้องแบบเปลี่ยนไปเข้ารับศาสนาอิสลามครับผกต้องทอํายังไงดีะครับก็เรื่องของเขาเนี่ยแล้วก็เราก็รับถือผู้ชของเราไปก็เป็นพี่น้องกันไหมพี่น้องมันอยู่แค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรเขาจะมี หน้าที่ของชาอิสลามก็ทำํำงานก็ปล่อก็ทําไปเรามีหน้าที่ชาวพุทธเราก็ทําของเราไปนะไม่ก้ากายกัน <c oughs> แยกส่วนกันแต่พี่น้องไม่ยุ่งไปพี่น้องกันอยู่แล้วก็รักกันเหมือนเดิมอยู่เป็นความเชื่อของเาขา<อ>ก็อาจจะเป็นความจําเป็นของเราสามีเขาเป็นอิสลาม <c oughs> เขาก็ต้องเปลี่ยนตามสามีไปใจเขาอาจจะไม่อยากจะเปลี่ยนก็ได้แต่ก็เปลี่ยไปเพื่อให้มันได้อยู่กับสามีต้องตามกฎหมาย ครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับอาจารย์ไหมครับโอเคถ้าดีเลยโอเคคุณที่ว่าที่ว่าเชิญคุณที่ว่าที่ว่าอยู่ที่ไห น, นคุณที่ว่ า, ากรุงเทพเจ้าข่าวพระอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีค่ะอาจารย์เข้าขมารับฟังพระอาจารย์จ้ะโอเคสาธุ เห็นไปท่านต่อไปนะคุณวิไลคุณวิไลได้ยินไหมอ่เปิดเปิดกล้องไหมไม่เปิดเปิกล้องเปิดเปิดกล้องแต่ไม่ได้เปิดเสียงคะเปิดกล้องแต่เป็นกล้องมืดนะข้ามไปก่อนดีไหมครับท้ามครับไปคุณวีโว่นะหนึ่งเก้าพักวีโวหนึ่เก้าพันหกเชิญคุณวีโก่กดปุ่มอันนี้เลยครับกด่ สวัสดีครับอยู่ที่ไหนอันรูปผมหรือเปล่าครับเสื้อเสื้อสีเขียวหรือเปล่าครับผมไม่เห็นรูปครับเออผมชื่อชื่อชื่อเตียนเรียนอ่ะภาษามาเลยแต่ผมเป็นคนที่อยู่มาเลเซียครับคนไทยที่อยู่มาเลเซียอยู่ที่ไหนครับอยู่ไหนตอนนี้ผมอยู่รัฐเคด้าครับเระมาณสิบห้ากิโลจากแดนไทยครับเออก็ไม่ไกลนะ ครับผมเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะได้เจออาจารย์เนี่ยผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุทินไม่รู้อาจารย์รู้จักหรือเปล่าได้ยินเชื่อใครใค ร, ใครรู้จักอยู่อาจารย์ผมเป็นลูกศิษย์หลวงตาเหมือนกันแกท่านท่านเอ่อมรณภาพไปแล้วอได้ยินว่าท่านก็ไปอยู่ทางมาเลเซียใช่ไหมใช่ใช่ท่านมาอยู่ทางซังอยู่ซังมาอยู่ในถ้ำครับประมาณยี่สิบปี ในถ้ำนั้นแล้วตอนนี้เฉพาะท่านอาจารย์ก็เอเสียไปแล้วก็เป็นวัดร้างอ่ะครับสบายมากครับอืและผมก่อนจะผมจะได้มาเจออาจารย์เนี่ยผมก็สวดมนต์ตอนเช้าผมมาทิฐานว่าเอผมเมื่อก่อนนี้ฟังเทศของหลวงตาแต่ตอนนี้หลวงตาก็ไม่แล้วอาจารย์สุทิมก็ไม่แล้วถ้ายังมีลูกศิษย์ของหลวงตาก็ขอให้ผมได้เจอะก็บังเอิญก็ได้ไปเจออาจารย์นี้แหละครับ แล้วเป็นไงโอเคไหมอ่าผมก็โอเคครับผมพยายามลุกขึ้นสวดมนต์ตอนเช้าทุกเช้าครับแล้วก็ปัดสมาธิแต่ตอนบา่บายนี่มันก็ยุ่งเรื่องอื่นไม่ได้สวดมนต์ตอนกลางคืนนะครับอาจารย์ผมแค่สวดตอนสี่สิบห้าได้ได้เท่าไหร่ก็ทําไปก่อนเนี่ยผมก็ทํามานานแล้วแต่มันก็ธรรมดาคนกิเลสเยอะนะนอาจารย์อืมันค่อยๆบางไป มีอะไรจะถามไห้วันนี้ผมผมว่าฟังคนอื่นดีกว่าครับอาจารย์ผมก็ฟังระเท่นี่ผมฟังมานานแล้วครับอาจารย์ฟังมาจากหลวงตามาฟังมาจากนู่นนี่นั่นแต่ผมก็ฟังเท่านั้นแหละไม่เคยยังไม่ได้ปฏิบัตินะผมปฏิบัติแต่คงจะไม่จริงจังพอนะอาจารย์อืมก็ลองทํามันจริงจังดูสักวันเลยหาวันหยุดวันทํางานมันหยุดทํางานมัน วันว่างเราเงาจีจันทั้งวันทั้งวันทำยังไงครับก็ปฏิบัติตั้งแต่ถือศีลแปดแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ไม่ไปทําอะไรอย่างอื่นนอกจากงานที่จําเป็นเท่านั้นเช่นกวาดบ้านถูบ้านกินอาหารอะไรทำนอง น, นี้ตอนนั้นก็เดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศทําธรรมไปทั้งวันทั้งคืนถือศีลแปดไม่ดูหนําฟังเพลงไม่อะไรนะไม่ยุ่งกับใคร ถ้าอยู่คนเดียวได้ยินงดีได้ครับครับผมก็มีความสุขอยู่กับคนเดียวครับลองลองทำแบบเต็มวันทักทียี่บสี่ชั่วโมงเดียวหนึ่งวันกันหนึ่งคืนมันพระอย่างพวกนี้เป็นมันพระเนีือศีลแปดรักษาศีลหนึ่งวันกันหนึ่งคืนตั้งแต่เช้าปอปยังถึงเช้าวันต่อไปศีลแปดนี่เราต้องไปอารัธนาที่ไหนครับอาจารย์ อ๋อไม่ว่าเราร้าเราตั้งใจทิฐิฐานจิตได้เลยอ๋อครับครับครับครับถ้าอย่างนั้นสกง่ายกว่าครับผมก็ไม่จํำมะอทิฐิฐานนะสินห้าลัตนานี่ยทิฐิฐานได้แต่สินแปดนี่ไม่เคยทาครับสินแปก็จะเพิ่มอีกสามข้อคือไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไม่ดูหมอสมบันเทมไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ไม่นอนบนที่เตียงบน นั้นนะฮะเตียงใหญ่ๆนอนนอนกับเพื่อนแข็งๆแล้นั้นเองแล้วสินข้สามของสินหก็เป็นอปมามัเชริยาไม่ร่วมหลับนอนกับใครหนึ่งคืนครับครับครับผมผมก็พอพอพอเข้าใจเอเรื่องนั้นครับผมเคยฟังอาจารย์พูดมาแล้วเพียงแต่ว่าตอนที่อรัตนานะผมก็ไม่ต้องร<ท>ำคาญไม่<น>ไมเป็นเลยรเราเราเร า, เราตั้งจิตขึ้นมาเองตั้งจิตอนิฐานขึ้นมา โอเคครับผมจะลองครับผมจะลองดูครับแล้วผมจะพยายามทําสมาธิเหมือนอย่างอาจารย์สอนครับสวันดีครับอนจารใช่ไหมเอาท่านี้ก่อนนะครับครับครับแค่นี้ก่อนครับอาจารย์ครับคุณสายทิพอาจารย์สายทิพจากมาสารการเชิญอ่านวิวยังโอเคค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะเออว่าไงมีอะไรไหมวันนี้ก็ ไม่ไม่ไม่ได้มีอคําถามค่ะแต่ว่ามีช่วงที่เหมือนช่วงนี้เราเอ่ออยู่กับตัวเองมากขึ้นค่ะก็เลยทําให้เหมือนอยู่กับความความคิดหรือว่าเห็นความคิดตัวเองมากขึ้นอย่างเวลาที่เราเหมือนกําลังจะทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าช่วงนี้ร่างกายเราจะอ่อนอ่อนเพรียหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยสบายค่ะเป็นเอ็นอักบแล้วก็ทานยาก็จะง่วงหน่อยทีนี้เราก็เลยรู้สึกล้าพอล้าปุ๊บเราก็ มานั่งแล้วจะทานข้าวค่ะพระอาจารย์แล้วก็เห็นว่าเออจริงๆเนี่ยเราไม่มีกําลังเราก็เอาพลังมาจากข้างนอกมันก็เหมือนเหมือนเป็นเหมือนธาตุเราก็เห็นว่าเป็นธาตุที่เราต้องเอามาวนเวียนให้ร่างกายเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมองเห็นว่ามันก็เป็นเหมือนสักแต่ว่าใช้ใช้ชีวิตไปให้มีพลังไปค่ะแล้วก็ปฏิบัติธรรมแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็มีความคิดว่าเอาแล้วแล้วในส่วนที่ ส่วนของ้นจิตใจอะค่ะที่มันไม่ใช่พลังงานที่มาจากข้างนอกส่วนเนี้ยเราจะจัดการกับมันยังไงให้มันไปถึงยังจุดที่สุดของที่เราต้องการก็คือนิพพานค่ะมันก็นก็มานั่งคิดว่าเอ๊เราจะทํำยังไงแต่ว่าพอพอนั่งคิดอย่างนี้ก็ก็มาเอ๊กับตัวเองว่า เ, เราก็ขี้เกียจขี้เกียจเนาะหมายถึงว่าทำขยันเราก็ดูน้อยแต่ว่าความอยากเราก็เยอะอะไรเงี้ยค่ะ คืออยากจะสิ้นสุดนะักนะพบในชาตินี้แต่ว่าทำยังไงกับกับที่เราอยู่ในะปัจจุบันแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่เราถึงจะไปถึงตรงนั้นได้ก็เป็นคำถามที่ถามตัวเองค่ะแต่ว่าในเรื่องของสมาธิก็ ก, ก็ทำแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าตัเอยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีสัจจะเหมือนกับอ่ากาลยานามิตรท่านอื่นที่เห็นแบบว่าาท่านท่านจริงจังมากของเรานี่ก็ ทำแล้วพอถึงบางช่วงที่มันเหมือนเราหลงไปกับกับความคิดหรือไปกับงานอะไรเงี้ยค่ะล้วก็แบบ อ, อ่พอเรามีเวลานั่งคิดกับตัวเองเราก็จะแบบเออแล้ว เ, เราจะทำยังไงเราจะปฏิบัติหรือว่าดูแลจิตใจตัวเองอยังไงเราถึงจะเข้มแขแ็งค่ะลองลองเลิกถึงความตายบ้างถ้าเกิดมันเราตายขึ้นมาแล้วงานต่างๆที่เราทำที่มันมีความหมายอะไ ร, รบ้างอืมค่ะ มันต้องไปมุ่งมั่นกับมันมากจนเกินไปมามุ่งมั่นกับสิ่งที่มีความหมายกับเราดีกว่าคือการปฏิบัติธรรมมันจะได้ลดความหลงไปกับการงานกับเรื่องราวต่างๆได้เยอะอันไหตัดได้ก็ตัดมันไปเถออย่าไปอะไรกับมันมากเลยทำเท่าที่จําเป็นก็พอเหมือนบางที่เราก็ลืมค่ะ มันจะเลิกถึงความตายอยู่เลยเวลาหลงมากๆก็คิดถึงเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนะจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วิธีตายมันมีทั้งหลายหลายแปดผ่านประการด้วยกันเหมือนก็คืออย่าลืบเป้าหมายจริงๆของเราใช่ไหมคะเพราะบางทีพอทำงานปุ๊บก็ก็เควะค่ะเหมือนพ อ, อ, อทำงานก็ ก็ก็ไปอยู่กับงานแล้ว pues ก็เหนื่อยพอเหนื่อยก็มาสับสนว่าจะเอายังไงเนี่ยจะไปนิพพานเหรอแล้วก็ทําไมไม่เห็นทําเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็ลังคะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอันนี้กับตัวเองอยู่พอสมควรเหมือนเหมือนยังยังไม่ค่อยมั่นคงในเรื่องของการปฏิบัติเท่าไหร่นักค่ะพยายามนึกถึงคําสอนที่เจ้าที่ให้เราแล้วนึกอยู่บ่อยๆก็ เราเกิดมามแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามล่วงพ้นไปไม่ได้จะได้ไม่ลืมเออ่าเราทําไปเพื่อตายเนะท่านั้นนะทำแม้แทบเป็นแทบตายก็เพื่อไปรับรางวัลตอนตายนะอืคือไปทิ้งทุกอย่างที่เราหามาได้กัอนอะไรไปไม่ได้เนยะนอกจากธรรมะ ท, ที่เราปฏิบัติไนดะ้อืมต้องนึกถึงความตายให้มากๆแล้วก็ อ, อะไรที่ที่มัน ไม่ต้อเปก็าไม่ต้องทําเอาทอําแค่พอประมาณ <ทำ S 1> ใช่ไหมคะการเล้งปากเลี้ท้องนั่นพอแล้วประคับประคองที่นี้มีอีกปัจจัยสีค่ะมีอีกปัญหาหนึ่งที่เราก็ยังวันนี้เพิ่งไปคุยกับ น, น้องก็คือเราเหมือนอในส่วนของการดูแลใช้จ่ายของเราก็ไม่ได้มากค่ะแต่ีในเรื่องของอ่ครอบครัวพี่น้องเราเป็นห่วงเขาอะไรเงี้ยค่ะมันเลยแบบ แล้าก็ต้องเหมือนต้องดูแลไปเรื่อยๆรือเหมือนยังตัดใจเรื่องนี้ไม่ค่อยได้เลยค่ะเราห่วง เ, เขาเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทํางานไปเรื่อยๆเพื่อให้เราแข็งแรงแล้วก็ดูแลคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้<ช>ควรจะทจําใจยังไงดีคะพระอาจารย์ไม่ก็เรามีวันสิ้นสุดของวันใดวันหนึ่งหรือให้มันถึงวันนั้นก็<อ>ให้มันถึงถึงวันหน้าอาจะสายสําหรับไปสายเกินไปสําหรับเราก็ได้เราอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะ เราตองคิดถึงตัวเราด้วยไม่ใช่ไปคิดถึงแต่คนอื่นอย่างเดียวคนอื่นเขาก็มีแข่งมีขามีปากมีมีอะไรเขาก็ทําำเ้าก็ได้ทําไม่ได้ก็อยู่ก็ไม่ต้องอยู่นั้น<ม>อัตาอตาเฮตานูนาโถตอนเป็นที่พื้นของตนหมายถึงเราคนรที่จะต้องมีเหมือนมีลิมิตของเรา <c oughs> ใช่ไหมคะช่วยเขา <c oughs> ได้เ <c oughs> ขาช่วยตัวเองไม่ได้ก็ช่วยก็บ้างแถ้าก็ช่วยตัวเองได้ก็ปล่อยก็ช่วยตัวเขาเองไปเถิด อย่นก็เลียงกันจนไปเลี้ยงกันไปจนวันตายเลี้ยงไม่ถึงวันโตซะทีค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะพยายามปรับตรงนี้เพื่อที่จะได้ดึงตัวเองเข้ามาในอยู่ในเส้นทางที่เราต้องการที่จะไปให้ให้ให้มุงมันมากขึ้นให้มากขึ้นมาทําทำให้มากขึ้นมากขึ้นค่ะ การช่วยเหลือก็แบบนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นการช่วยเขานะเป็นการทําให้เขาเป็นเหมือนคนพิการไปต้องคอยพึ่งคนอื่นตลอดเวลาให้เขาหัดต่อสู้ดีกว่าให้เขาพึ่งตัวเขาเองดีกว่าเขาจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเวลาที่เขาพึ่งเราไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็ค่อยค่อยถอ ย, อ, ยออกมานะคะค่อยค่อยถอยออกมาเขาจะได้เติบโตด้วยตัวเขาเองได้อค่ะแล้วค่ะวันนี้ก็ก็มีถามประมาณเนี้ยค่ะ ส่วนการปฏิบัติก็นั่งสมาธิแต่ว่าไม่ไม่เท่าเดิมอาจจะด้วยความสติไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าเดิมมากค่ะอาจด้วยความอ่อนล้าของเราด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตั้งใจเพิ่มขึ้นต้องระวังอย่าอย่าให้สติลดพยายามรักษาระดับสติไว้ค่ะเดี๋ยวมุ่งมั่นใหม่ค่ะค่ะสาธุค่ะ คุณแก้วตานะคุณแก้วตาเชิญแก้วอันบิวอ่าเปิดไมค์ก่อนอันบิวไมค์ก็บอก่อนออออกค่ะเจ้าค่ะมีอะไรอยากมากราบนมวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่อได้กราบแล้วนะแล้วพอเวลาฟังเทศหมายถึงว่าแก้วนอนดึกอะเจ้าค่ะก็ฟังเทศไปเรื่อยแล้วก็ พยายามคิดคิดตามพิจารณาตามที่เทศแล้วยิ่งยิ่งตั้งใจยิ่งหิวข้าวเจ้าค่ะแล้มันเกี่ยวกันตรงไหนหรอไม่ก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันสงสัยจะตั้งใจมากน้ำย่อยตั้งใจกินตั้งใจคิดถึงข้าวมากกว่าถ้าไม่คิดถึงข้าวไม่หิวหรอกถ้าไม่คิดถึงมันก็หิวอะเ้านอนดึกอะเจ้าค่ะก็ก็เลยแบบว่า นอนท้องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปตอนกลางวันก็ไม่ไม่ไปไรไม่หิวแต่พอตอนดึกเข้าเย็นก็ทานแล้วมันมันก็ยังมันก็หิวมากมากเลยก็เลยต้องลุกไปทานตอนดึกดึกอะเจ้าค่ะน่ากีเลยหิวไม่ใช่ร่างกายหิว่ะแต่แต่แก้วก็ทำไม่ค่อยได้ยาวๆเจ้าค่ะได้ได้ทีละสองสามนาทีแล้วก็ต้องเบรกแล้วก็ทำใหม่ไม่งั้น มันจะฟุงมากอ่ะเจ้าค่ะเดีก็ยามทําเท่าที่เราทําได้นะเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะคุณแม่สบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะครับว่าความคิดถึงให้คุณแม่ด้วยนะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะคุณแม่คงดีใจมากเลยโอเคอานตอนนี้ก่อนนะเจ้าค่ะกราบัตตาร์พรบัวสุกจากอาบิซาสเปนครับน้องเลียว กลับนมัสการครับหลวงตาเอมีอะไรไหมไม่มีครับน้องริวร่วมฝอกคุณแม่ถวายปัจจัยฝากหลวงตาคุณแม่มีอะไรบ่ากลับนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อน้องริวน้องริวเขาเขาฝากถวายปัจจัยหลวงตาเจ้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอนโรงเรียนตาฝากผ่อนไ้ก็้วกันเลือเอกเลือกนเข้าบัญชีก็ได้ ค่ะเจ้าค่ะพรุ่งนี้น้องสวัวงโอนเข้าบัญชีหล่อมตาเจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะมันอ่าเบื่อหน่ายสังขารมากเลยลูกจะจะทํำยังไงเจ้าค่ะก็ต้องคิดว่าสังขารมันก็มีประโยชน์ถ้าไม่มีสังขารตายไปก็ไม่ไปต่อไปนี้ผ่านไม่ได้อย่าไปเบื่อมันเอามาใชใ้มันถูกทางเลยอย่าไปใช้ให้มันผิดทางอย่าไปใช้หาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเอามาใช้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมมันก็จะไม่เบื่อสังขารเจ้าค่ะหลวงพ่อมันมันมันรู้สึกมันเบื่อหนายมันแบบว่านั่มันเป็นทุกข์แต่มันก็ต้องอาศัยมันอ่ะมันมันเป็นเหมือนรถอ่ะดีกว่าเดินอย่างเี้ยถ้าไม่มีร่างกายนี้ก็ต้องเดินเดินไปนิพพานถ้าไมีร่างกายนี้มันก็มานั่งรถไปนิพพาน มันก็สะดวกกว่าสบายกว่าว่ามีร่างกายก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้คุณเจ้าข่ะหลวงพ่อขอบคุณโชคค่ะจ ง, งเห็นคุณประโยชน์ของร่างกายนะการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นโชคมหาศาลนะสาธุสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้ามาเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงาชางถึแม้จะเ จ, เจอพระพุทธศาสนาก็เอาประโยชน์จากพระพุทธศาสนานไม่ได้ ต่มาเป็นหมาเนี้ยเกิดมาเป็นหมาวัดก็จะกินแต่ข้าววัดท่านเองแต่ไม่ได้รู้เรื่องธรรมะธรรมโมเลยจะเข้าไปร่างกายของมนุษย์้ะคะ่ะแล้วอย่างเรานั่งปฏิบัติอย่างนี้นะคะ่ะเพราะว่าบ้านลูกจะแบบลูกจะมีนกยูงแล้วก็มีแมวเคะ่ะเวลาที่ลูกบางครั้งเราท่าากดีๆลูกก็จะปฏิบัติในสวนนะคะ นกยูนะคะค่ะเวลาที่เขาได้ยินเสียงหลวงพ่อจะค่ะเขาจะแบบเขาช่วงเช้าเนี่ยเหมือนเขาจะต้องมาฟังกับกับลูกด้วยแล้วก็แมวเหมือนกันนะค่ะ mm hmm. ลูกมีความรู้สึกว่าเอ๊ะพอถึงเวลาเนี่ยเขาจะปลุกโยมปลุกโยมที่เราบอกช่วงนี้แบบเหมือนมีกิเลสเข้ามาว่าเอ้ยมันหนาวแล้วก็ฉันนอนน้อยแล้วสุขภาพไม่ดีขอนอนต่ออีกนิดมีกิเลสมันเข้ามาหลวงพ่อจะค่ะมันกิเลสเ ข, ข้ามาว่าเอ้ะเดี๋ยวฉันนอนอีกนิดนึงนะ ก็ไ้มีมีเพื่อนมามาปลุกมามามาเจ้าค่ะแล้วเขามีความทําไมลูกมีความรู้สึกว่าแล้วเวลาลูกนั่งปฏิบัติเขาก็จะนั่งสมาธิไกยโยมกันเจ้าค่ะพระธรรมค่ะเไม่เขาาไม่ได้ทําอะไรไงเขาก็พอพอโยมทําเขาก็จะได้มีกิจกรรมทําด้วยเขาก็อยากจะทําเจ้าค่ะแล้วแฟนโยมเขาก็จะบอกว่าเออแมวเธอก็ มันนั่งสมาธิกับเธอนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนกยูเนี่ยเวลาที่เขาได้ยินเสียงหลวงพ่อเราเรามีความรู้สึกว่าเขาเขาอธิบายไม่ถูกลูกมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอยากจะฟังเหมือนเขาคุ้นเคยกับเสียงหลวงพ่อเวลาทุกครั้งที่ตอนเช้าถึงแม้ไม่เข้าใจแล้วก็ทําให้จิตเขาสงบได้สาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วเขาก็จะนั่งอยู่เพราะว่า ลูกก็จะมีพระประธานอยู่ในส่วนใช่ไหมคะเวลาที่อาการดี mm hmm. ลูกก็จะปฏิบัติข้างล่างลูกเขาก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะ <Yeah. S 2> อยู่ตรงนั้น <Okay. S 2> เจ้าค่ะเขาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอา๊ะเขาเขาจะรับบุญนี้ได้ไหมแต่ลูกก็จะบอกว่าเออบุญเนี้ยให้เขาให้เขาอนุโมทนาอาบุญด้วยอย่างเนี้นะเจ้าค่ะ mm hmm. ได้ถ้าเขานำคฟังไปแล้วเขานิ่งเขาก็ได้บุญละได้ความสงบละ ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วอยากถ้าลูกเอาขนของนกยูงอเจ้าค่ะเวลาหน้าร้อนเขาจะเขาจะผัดขนเขาเขาเออกสุกปีแล้วถ้าอย่างอย่างลูกแบบว่าเอาไปเอาไปขายแบบให้เพื่อนถูกถูกแล้วบอกว่าเนี่ยเราอยากเอาเงินอันเนี้ยมาให้นกยูงเขาเอาไปทําบุญอย่างเงี้ยเขาจะได้บุญไหมคะคงไม่ได้เลยเพราะเขาไม่รู้เรื่องเรื่องเหล่า น, นี้เขาอาจจะไม่รู้จ้าค่ะ เพราะต้องเป็นคนเขาต้องคิดเองต้องเป็นคนดําเลยว่าอ่าเอาคนต้องอยุ่งนี่ไปขายไ ห, หน่อยนะไปทําบุญให้หน่อยต้องเป็นความคิดของเขาเขาถึงจะได้บุญ า, แ, า, าแต่มไม่เป็นไรนะก็เขาอยู่ในในสภาพที่จํากัดมากกว่าเราเราโชคดีเราเป็นมนุษย์เราสามารถเข้าใจเรื่องการทําบุญได้แต่เขาไม่ยังไ ม, ไม่ไม่สามารถเข้าใจได้งันยังไม่เบื่อสังขารของเราเนี่ยเราได้สังขารที่ดีกว่าเขาเยอะแยะ เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะพยายารักษาร่างกายไว้ให้ดีเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมให้ไปไปสูงสูงไปหึงที่สุดเลยก็ได้เจ้าคลูกขอบไปนิพพานในชาตินี้นะคะหลวงพ่อเจ้าค่ะอย่าเบื่อสังขารต้องยินดีกับสังขารนะว่าวเรามีของดีของวิเศษ<ส>าาการเรียนมาเกิดเป็นบรุ่นที่เป็นของยากมาก้ยิ่งมาเจอพระพุทธศาสนายิ่งยากสองเท่ากันไปสามทูเจ้าค่ะ ขอบคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุ จ, จะ่ะอลเรียวดูในแม่นะเชื่อฟังคุณแม่นะาสาธุคุณสุสพัฒนาจะ<า><า>บ อ, บอเวียนเชิญวันนี้กล้องของเราไม่ทราบเป็นไงมันไม่ยามมันถ่ายภาพมันไฟ์มันติดอยู่แต่มันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ทำไม่ต้องทดลองดูว่าเป็นกล้องว่าเป็นโปรแกรมอ็ไม่รู้กล่าวรัชการลพราจารย์นะค่ะ วันน <Ừ. S 2> ี้วันนี้ก็ว่าจะถามแต่มีโยมหลายๆท่านก็ได้ได้ไดคําตอบจากพระอาจารย์ตรงที่ว่าพอเราพอเร า, พอเราเห็นความทุกข์ของเราอาจารย์ะะได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินด้วได้ค่ะพอเราเห็นความทุกข์ของเราแล้วเนี่ยก็พิจารณาว่าไอ้ตัวความทุกข์อันเนี้ยมันเกิดจากอะไรก็จะมองเห็นว่ามันเกิดจากความความที่ คำคำสอนของพระอาจารย์มันจะผุดขึ้นมาฮค่อที่ว่าต้องอยากอะไรสัก อ, อย่างกบเจ้าค่ะแล้วมันก็จะเป็นเป็นว่าภาวะอันนี้เรามั่งที่มันเป็นภาวะตัณหา อ, อืหรือว่าวิภวะตัณหาที่พระอาจารย์ออคำเทศของของอาจารย์มันจะผุดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ออจะทวนทวนคําสอนตรงนั้นนะคะพระอาจารย์ใช่แ ล, แ, <ต>แล้วก็ดูไปได้ก็ออค่ะมันก็จะหยุดไปตอนไหนก็ไม่ทราบเหมอือนกันแต่ว่าก็ อกใจมันก็จะเบาลงแต่ที่มันหนักหนักหนักมากเนีน่ย <c oughs> คะ่ะอันนี้ใช้ใช้วิธีนี้แก้แก้ความทุกข์หรือแก้ที่เขาเรียกว่าล์าแต่ยังไม่ยังไม่ยังจับตัวตัวตัวเหตุไม่เจอเี่ต้องค้นหาหเจอว่าเราทุกข์เพราะอะไรทุกข <Okay. S 1> ์เพราะคนเพราะคนนี้เราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเนื่อถ้าเรารู้ถ้าเรารู้ว่าว่าตรงนั้นมันเป็นเหตุ เราก็ไปหยุดตรงนั้นใช่หยุดใจเราหยุดความอยากเราก็อย่าไปาอยากก็จะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาไปอเองค่ะอยากอยากให้เขาขึ้นเงินเดือนเขาไม่ขึ้นเขาทุกอย่างก็ อ, อย่ า, ป า, ยาไปอยากเลยกินดีตามดีตามเกิดไปได้เท่าไหร่กเ็เท่า น, นั้นมันก็ไม่ทุกข์ตอนนี้ก็เลยพยายามหยุดความอยากแล้วก็พยายามฝึกสติคะ่ะอาจารย์สองอย่างใช่ ทำไรเรื่อยๆแล้วก็ปัญญามองทุกอย่างมันเป็นตายร่างอนัตตาเราไปสั่งไปห้ามก็ไม่ได้อค่ะอ๋ อ, อนี่ก็เพียนตรงนี้อยู่จ้ะจค่ะพระอาจารย์โอขอบคุณพระอาจารย์จ้ะค่ะคุณวิไลครั้งดีไมคุณวิไลไม่ทราว่าอยากจะพูดหรือเปล่าไม่ได้เปิดกล้องกล้องมืดผมลองกด u n น u t e แล้วฮะเขาก็าไม่เปิดครับอยางนี้ใบคนวลิตาเ น, ตนะ ครับหลวงพอ่อเออมายังไงมาเพิ่งเข้ามาหลือวันนี้เออเข้ามาตั้งแต่สี่สิบห้าครับตั้งุ่มสี่สิบห้ามีอะไรไหมมีครับชอบคําสอนหลวงพ่อมาเลนที่เมื่อกี้บอกอย่าให้เบื่ออย่เพิ่งเบื่อล่างกายเพราะตอนชิดหนึ่งตัวเองตอนปวดช่วงหนึ่งพิจารณาเบื่อร่างกายเบื่อจนเอ๊ะถ้าฆ่าตัวตายได้วันนี้แล้วไม่มีนรกสวรรค์ฆ่าตัวตายไปแล้วคื อ, อช่วงนั้นคิดอย่างนั้นเลยครับอ่ามันคิดไม่เป็นนะคิดแบบคนโง่คิดนะเชื่อคนโง่ คิดเออแต่พอได้ยินเมื่อกี้บอกว่ามีร่างกายเพื่อเอาร่างกายมาปฏิบัติเออมันทาไมเราไม่เคยเห็นมุมไม่เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันที่เห็นไม่ยอมไม่คิดอ่ะครับที่เหลมไม่รอ้จิตต้องไม่คุยกัวคนไม่มีทีเหลมเขาถึงจะบอกมุมนี้ได้ครับมันเหมือนมุมไม่ใช่มุมในตาําราครับมันมุมเหมือนอประสบการณ์นะ โ, โอ้เออครับหลวงพอ่อแล้วเห็น เพิ่งรู้ว่าหลวงพ่อเฟซต้นหลวงเฟซจริงของหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อคุยกับโยมคนนั้นบอก อ, อ้าครบอาทิตย์แล้วหลวงพ่อกดรับแอดผมตอนแรกคิดว่าเป็นแอดมินดูแอเบุใคลบางทีแล้วว่าเข้าไปตอีอันนี้แอดมินเขาไม่เคยเข้าเ ข, ข, ข้าไปดูแอดอะไรแล้วก็เลยลองเข้าไปดูบางว่างๆก็เข้าไปดูเท่าไหน่ อ, อ๋อครับแอดแอดไปประมาณปีกว่าๆสองปีครับเออเอ๊ะไม่หรือไม่ถึงมันไม่แน่ใจแอดมินก็มีแตโพสต์อย่างเดียว แต่เรื่องเรื่องรับคนนี้ก็ไม่ได้เขาไม่ได้เข้าไปดูข อ, อครับหลวงพ่อครับมีข่าวหนึ่งที่ผมอ่านที่มีพระมหาองค์นึงบอกว่าไหว้หมาดีกว่าไหวพญานาคเพาหาามาอย่างบางทียังให้ประโยชน์เราแต่พญานาคไม่ให้ประโยชน์เลยคือเราก็ท่านก็โดนด่าเยอะมากคือเรื่องไหวพญานาคนี่คื อ, อยังไงหรอครับหลวงพ่อเราก็ไม่รู้เหมือนกันมัน ก, มนก็มันก็เป็นเดนรัจฉานเหมือนกันพญานาคก็งูหมาก็สัตว์เดรัจฉานเหมือนกันไม่ต้องไปว่าทั้งสองอย่างดีที่สุดให้ไหวพ<น>ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พอ <laughs> นัตทีเมสรณะอันยังพุทโธเมสรณะวรังสรณะอื่นเราไม่มีเรามีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะของเราเท่านั้นครับมีอน่ครับช่วงหลังผมฟังหลวงพ่อพุทธบ่อยเลยครับชอบอันหนึ่งของท่านมาเคยบอท่านบอกว่าพุทโธ ท, ทำโมสังโฆอยู่ที่จิตเออก็เลยคิดเออใช่ ทุกท่านแต่ก่อนท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเราแนละ้วแต่แค่ท่านจิตเปลี่ยนท่านก็เลยเป็นพุทโธธ ร, รมโมสังโฆเออให้ให้เราคิดอย่างนั้นแล้วเราก็จะเออท่านเปลี่ยนได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนได้ก็เลยแบบเออใช่ไหมครับใช่เนี่ยพระเจ้าจ้าไม่มาเสียเวลาสอน่วกเราให้เหนื่อยมาถ้าเปลี่ยนไม่ได้ครับก็เลยคิดว่าเออเราไม่ได้หาจากภายนอกแต่มันคือการเปลี่ยนจากภายในจิตแล้วเปลี่ยนจิตจากกิเลสมันจากโลกกุณลงมาเป็นพุทโธธ ร, รมโมสังโฆ ก็เลยแบบโอ้โหมันชอบมากเลยครับแล้วก็คนเป็นอัลไซเมอร์นี่ถ้าคนที่ฝึกสติปัญญานจะเป็นอัลไซเมอร์ครับไหมครับหรือว่ามันเป็นร่างกายไม่เราก็ดูหลวงปู่หลวงตาที่เป็นทานอาจารานเป็นอัลไซเมอร์ต่างต่ไม่มีหรอกท่านมีสติตลอดเวลาครับพวกที่เป็นอัลไซเมอร์เพราะสติมันหายไปแล้วมันจําอะไรไม่ได้มันไนึกอะไรไม่ออกครับทําแล้วก็ลืมทําอะไรก็ไม่รู้เวลาทําอะไร ครับให้มีสติต well. ัวรับรู้เห็นจากคนใกล้ตัวคุณตาคุณยายผมเลยครับจำผมยังจาไม่ได้จำชื่อตัวเองก็จำอะไรไม่ได้ครับก็เลยแบบต่อตอนหนุ่มตอนสาวนี่หาตังเก่งทำธุรกิจมีความรู้มากมายตอนนี้เป็นคนหมดสภาพต้องจ้างจ้างใครจ้างคนผู้ดูแลผู้ดูแลมาแบบอาบน้าให้ดูแลสิดตัวเลยครับนแก็คืออันนี้จำเกิดแก่เจ็บตายจำไว้ครับก็แบบหืก็เลยแบบ น่ากลัวมากเลยแบบเป็นแบบนั้นก็ปฏิบัติทำไม่ได้เลยใช่ไหมครับหลวงพอ่อไม่ได้ไเลยไม่รูเหนือรู้ใต้ปฏิบัติยังไงใช่ก็ <Okay S 2> เลยนะขอบคุณหลวงพ่อมากครับ <Okay S 2> <ะ>ขอให้หลวงพ่อแส็งแรกค่ะคุณอาดีใช่คุณอาดีจาอนุิการค่ะมาได้ด <c oughs> มีอะไรไหม ค่ะวันนี้ของหนูไม่มีค่ะพอดีมีพอดีป้าฝากให้มาถามพระอาจารย์ค่ะป้าถามว่าอถ้าคนที่บริจาร่างกายไปแล้วอะค่ะตายไปเกิดใหม่เนี่ยร่างกายเขาจะกลับมาครบสมบูรณ์ไหมหรือว่าจะแบบพิการอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวตรงเนี้ยเ อ, เอเรื่องบริจาร่างกายนี่มันไม่เกี่ยวกับการไปเกิดใหม่คราวหน้าคนละเรื่องกัน เ บ, บอร์เบอเบอร์จากก็ไม่เบอร์จากนี่จะได้ร่างกายสมบูรณ์อยู่ไม่อยู่ที่บาปกรรมที่เราทําถ้าทําบาปทํากรรมไว้มันก็มันอาจจะเกิดมาพิกนพิการได้คนที่เกิดมาพิการหูหนวกตาบอด น, นี่ก็เป็นผลจากการที่ทําบาปทํากรรมไว้ชาติก่อนเนี่ยนี่มันอยู่ที่บาปกรรมมันไม่ได้อยู่ที่การเบริจา ก, าก ร, ร, กา ร, ราก่างกายเลยไม่ได้บริจากร่างกายอ๋อค่ะ ใช่ค่ะคิดเมื่อป้าก็ฟังหนูค่ะพราหนูก็<ช><ช>แตะหินใจให้ให้ป้าฟังท<ช>ี<ด>่ปรึกษ<ด>าพยานจะทำบาปแล้วรับราได้เกิดมาชาตินหน้าก็จะไม่พิกลพิการพยายามทําบุญรักษาศีลไว้แล้วตายไปทําบมาเกิดใหม่ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไมพิกลพิการค่ะตรงตรงนี้เดี๋ยวป้าคงจะได้ฟังค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็ไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายรอฟังธรรมมาจากพระอาจารย์นะคะ ได้ทำันักเดี๋ยวเราก็ไปวัดเร็วขึ้นเหมือนเดิมค่ะโอเคอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรคร่ะฟังเยอะมากเลยค่ะวันนี้ ด, ดีค่ะคนเยอะวันนี้ท่านต่อไปอ RBSKG ชนเดียาคุณชนเยา์ได้ยินไหมอ่านมิลไมโครโฟนใชยังไม่ได้อัานมิลเลยโอเคพูดได้แนละ้วนมรส ก, การครับอาจารย์อยู่ที่ไหน อยู่ที่สุโขทัยครับพระอาจารย์สุโขทัยมีอะไรจะถามไหมวันนี้ยังไม่มีครับพระอาจารย์พาแม่กับครอบครัวมาฟังธรรมะของพระอาจารย์ก่อนครับโอเคได้ลูกสาวหรือลูกชายอันนี้หลานครับพระอาจารย์หลานหรอหลานโอเคถ้าเปนเวลากครับ ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับสาธุจ้ะสาธุเดี๋ยวไปท่านต่อไปนะโครุปรางวะลายจอยวงเชิญกลับนรันสการค่ะพระอาจารย์ว่ายังไงมีอะไรไหมส่งกันบ้านก่อนนะคะพระอาจารย์เลยพูดดังๆหน่อยเสียงเบาไปหน่อยอเมื่อวันจันทร์ค่ะไปนั่งสมาธิหลังจากที่ถวายถวายอาหารแล้วค่ะก็ไปนั่งที่โบสถ์ ได้ประมาณอย่างละครึ่งชั่วโมงอะค่ะแล้วก็ลองเปลี่ยนที่ไปนั่งตรงหน้าพระบรมภาษีนิข ธ, ธ, ธาตุชั้นสา อ, อนั่งได้นานขึ้นอยู่คนเดียวค่ะก็แต่ว่านั่งครั้งนึงเนี่ยได้ประมาณสามสิบนาทีแล้วก็เบรกออกมาแล้วก็ได้อีกสามสิบนาทียังไม่ได้นั่งแบบระยะยาวเลยค่ะอก็ออดีที่ไหนมันจะบอกมันก็จะนั่งได้ง่ายกว่าแต่ที่สําคัญต้องอยู่ที่สติเป็นหลัก แล้วสถานที่ก็ช่วยสถานที่ที่มั น, มนเงียบ ม, มันก็จะดีกว่าสถานที่ที่มีคนวิ่งผุ้พากนนะคะก็เดี๋ยวยมว่าย ม, ยมจะหาวันไปพอดีวันนี้ได้คุยกับจีเอ็มที่ที่ทำงานนะคะจีเอ็มเขาก็เขาก็ถามว่าทำไมทำไมยมถึงมาทำงานในวันวันหยุดได้อย่างเช่นวันลิบิโตเปย์ยมก็บอกว่ายมมีภารกิจ ที่ที่ยมจะไปวัดซึ่งนยมไปทําสมาธิแล้ค mm hmm. ่ะเจ้านายยมก็เลยบอกว่าเออแล้วทําไมถึงไปที่ที่วัดยานยมบอกว่ายอมยมได้ฟังทำพระอาจารย์แล้วยอมยอมยมเกิดความรู้แล้วยมก็ค้นหาคําว่าพระพุทธเจ้าท่านท่านตรัสอะไรพูดอะไรคร่ะซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่พระอาจารย์สอนมาก็ทําให้ยมเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนามากขึ้นพอดีเม่อวันพุ่งเน่า เป็นวันพักแล้วยมก็ทําเรื่องลาไว้ปรากฏว่าตารางประชุมเนี่ยมันก็ตรงกัน uh huh. จนแต่ว่าเจ้าหายเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรยูก็ไปไปทําอะไรของยูก่อนแล้วค่อยมาประชุมทีหลังยมก็รู้สึกดีใจมากโอเคเดะทีนี้ยอมมีคําถามนิดนึงนะคะพอดียมไปได้ฟังญาติธรรมท่านนึงเขาพูดถึงว่าการสวดเนี่ยส ว, บวดบทอะไรเห็นมีญาติธรรมท่านหนึง่งเขาบอกว่าให้สวดปฏิจากสมุดปาฏ ซึ่งอพอโยมยมไปหาในหนังสือพระไตรปิฎกแล้วเขาบอกว่าเป็นธรรมที่พึ่งพากันแต่ว่าโยมอ่านแล้วยมงงแต่ถ้าโยมเขา้าที่โยมเข้าใจเหมือนโยมเคยได้ยินพระอาจารย์พูดถึงว่าเพราะมีสิ่ง น, นี้สิ่ง น, นั้นจึงเกิดอะไรอันนี้ใช่ใช่ตามนี้ใช่ ม, มันเป็นเรื่องเป็นลูกโซ่ เ, เหตุนี้ทำให้เกิดเหตุนี้เหตุนี้ก็เป็นเหตุทาให้เกิดเหตุหนึ่งช่นวิชา เป็นต้นเหตุทําให้สังขารคิดปรุงแต่งสังขารคิดปรุงแต่งก็ไปคิดที่ไปที่วิญญาณให้วิญญาณไปไปเกาะติดกับตาหูจมูกนิ้วกายพอเจอพอติดกับตาหูจมูกนิ้วกายพอตาเห็นรูกก็เกิดสัมผัสขึ้นมาก็เกิดความรู้สึกตามมาเกิดตัณหาความอยากตามมาเกิดอุปทานเกิดภาวะแล้วแล้วก็เกิดการ การเกิดใหม่เวลาร่างกายเก่าตายไปก็มีภาวะตัณหาความอยากที่จะจะมีร่างกายใหม่ต่อไปเพื่อจะได้มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปแต่ไม่ต้องไปสวนดบนไหนก็ได้การสวนนี้เพื่อเป็นการฝึกสติมีการเจริญสติสวดนบทนไหนก็ได้ที่เราจำได้แต่ถ้าแ ต, แต่ถ้าเราสวนแล้วเรา เข้าใจความหมายแล้วก็จะได้ปัญญาเข้าใจว่าอ๋อนี่คือคำสอนอุตตมะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเป็นอย่างนี้ะนะเองอีกตัวหนึ่งที่เป็นสูตรมหามหาสติที่บอกว่าเป็นสติอย่างใหญ่ที่เขาบอกว่าออให้เห็นธรรมในธรรมเวทนาในเวทนาดิคืออะไรเจ้าค่ะก็ให้เห็นเวทนานะี่ยเวทนาก็คือให้เห็นเวทนาหมายถว่าเวทนามีสามชนิดมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เราเห็นเวทนาในเวทนา มันเป็นภาษาที่เขาแปลมาตรงตัวเหมือนสมัยนี้เราแปลภาษา I speak English snake snake feed feed นี่พอมาฟังหลังฟังมันก็งงม่าแปลว่าอะไรวะค่ะจริงมันก็คืองูปลาปลานช่ไหมอืมเขาู้พูดได้นิดหน่อย snake snake feed feed สมัยก่อนใครพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งก็จะเจอผ่านหลังตัว่า I speak English snake snake feed feed นี่ผ่านหลังฟังมันก็ไม่เข้าใจ snake snake feed feed แปลว่าอะไร เราสมัยนี้ก็มาแปลบาลีเวทนาในเวทนาก็เลยงงทําในธรรมก็งงมันก็มันก็เรื่องเวทนานี่แหละไม่ต้องไปนสอนให้รู้ว่าเวทนามีอะไรบ้างรู้ว่าธรรมะมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้ต้องต้องคนจะปฏิบัติต้องเท่านั้นเองกายใ น, <ค>น<ๆ>กายเวทนาในเวทนาเนี่ยจิตในจิตเนี่ยมันเป็นคําแปลตรงตัวมาจากภาษาบาลีซึ่งความหมายเดิมความหมายเดิมก็ท่องมูนจะหมายว่าให้ ไห้รู้เรื่องของเวทนานะรู้เรื่องของร่างกายทั้งนั้นเองอืซึ่งอันนี้เนี่ยใช้หลังจากที่นั่งสมาธิก็คือสามารถที่จะพิจารณาทีหลังได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ก็พิจารณาทีละอย่างเช่นร่างกายไม่เที่ยงเกิดแกเ่เจ็บตายเนี่ยอืมไม่สวยงามมีอาการสามสิบสองไม่ตัวไม่ใช่ตัวตนเป็นดินนำ้ทำทามาจากดินนำ้ำลมไฟเป็นดินนำ้ำลมไฟอืม เวทนาก็มีสามมีไม่เทีย่ยมมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์สลับกันไปสลับกันมาอนาตตาไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งก็ไม่ได้จิตก็คืออารมณ์ต่างๆที่มีในจิตของเราจิตเราก็ดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างไม่สุขบ้างโกรธโกรธบ้างอโลภบ้างอะไรนี้ก็เลยเรียกอารมณ์ในจิต ดูว่ามันไม่เที่ยมมันเปนน็นเรื่หน้าตาเหมือนกันเราไปถามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เจ้าค่ะเดี๋ยวโยมไปฟังคำที่น่ากติพรุ่งนี้เจ้าค่ะโอเคเจอกันพรุนี้นะค่ะ ข, ขอบคุณค่ะ อ, อท่านสุดท้ายคุณชายกรเชิกราบนมันสการพระอาจารย์ครับและสวัสดียศริธรรมทุกท่านนะครับมาจากที่ไหนมาจากกรุงเทพครับพระอาจารย์ ครังกเหรอครั้งแรกครับได้ยินชื่อเสียงพระอาจารย์มานานแล้วครับออมีอะไรไหมก็ผมอยากจะถามว่าช่วงหลังๆนะครับเพราะผมมีอาการแบบซึมเศร้าเข้ามาบวกกับผมเป็นคนสมาธิสั้นอยู่แล้วแล้วผมกินยาตัวหนึ่งซึ่งมันควบคุมสมาธินะครับผมเลยไม่รู้ว่าระหว่างก่อนนันนั้นเนี่ยผมเรียนกูสมาธิกับพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังใช่ยไหมครับอืมระหว่างหลักสูตรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าระหว่างที่ผมปฏิบัติเนี่ยมันได้เพราะยาหรือว่ามันได้เพราะจิตเราคุมได้กันแน่ครับพระอาจารย์ ก็ดูวมันควบแน่นตลาดเวลาแล้วเป่าถ้าควบแน่นตลาดเวลาไม่ต้องกินยาว่าแสดงว่าไม่ใช่ยาแต่ถ้ายังต้องกินยาอยู่เรื่อยก็ต้องเป็นยาแล้วเราควรหยุดยาเดี๋ยเราควรใช่ควร<ว> จ, จะหยุยาควรจะใช้ธรรมโอสดดีกว่ายาธรรมะดีกว่าใช้สติดีกว่าท่องพุทโธพุทโธไปดีกว่ า, อ, ว า, อ, วาอืมเพราะยานี่มันก็มีมีผลข้างเคียงแล้วมันทําให้เราติด แล้วถ้าเวลาไม่มียาแล้วก็จะไม่เราก็จะทุกข์อีกเ อ, อย่าไปเพื่ อ, ของของข้างนอกการปฏิบัติจิตนี่ต้องพึ่ขงของข้างใน ข, งข้างในก็คือสติอืมแล้วบางทีเรามีขันท์ธมานี่ครับพระอาจารย์อย่างเช่นเวลาเรานั่งอยู่นานๆนะครับยังไม่ถึงสามสิบนาทีตามที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านบอกใช่ครับก็เกิดมีขาชาไงครับพระอาจารย์ก็กลายเัญนชาไปเลยไปสนใจเลย ปลอยมันชาแบบให้ชาก็รู้ว่าชาใช่ไหมครับกลับมาที่พุทโธพุทโธอย่าไปดูมันยิ่งไปดูมันยิ่งอยากให้มันหาชามันยิ่งเจ็บมันยิ่งทรมานใหญ่อถ้าไม่ไปสนใจมันมันก็จะใจก็เฉยเฉยเฉยไม่ทุกข์กับมันอืมถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธไปอแล้วมันก็จะนั่งต่อไปได้นั่งต่อไปได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไม่ต้องอะไรอยาบแขนขยับขาอะไรทั้งนั้นปลยบัญชาไป เจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปถ้าเราไม่ไปยุ่มมันใจยังไม่เดือดร้อนใจเราอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับการสวดมนต์ไปก็ได้เข้าใจเข้าใจครับพระอาจารย์แมีคำถามเพิ่มครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนพวกเอธิสเนี่ยชอบวิจารณ์พระพุทธองค์เยอะมากอย่างเช่นเรื่องของการที่พุทธองค์ออกมาเพื่อเป็นมหาบุรุษเพื่อออกมาตัดสรู้ใช่ไหมครับ <ว><า>เขากอก บ, บอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยทิ้งพระนางพิมพากับพระราหุลไว้เหมือนกับคนที่จริงลูกทิ้งเมียเพื่อออกไปองวอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ <ณ S 2> ผมก็ไม่รู้จะแก้ต่างให้พก็มีพระภาคเจ้าไหครับก็ทิ้งไว้เชั่วคราวไปรำไปรักษาตัวเองคนไม่สบายคนต้องทิ้งครอบครัว ไ, ไปแล้วบ้าเวลาคนไม่สบายจริงคร<ณ>ับพระอาจารย์พระพุทธเจ้าก็ไม่สบายทางจิตใจท่านก็ทิ้งครอบครัวไว้ชั่วคราวไปรักษาจิตใจ เราจิตใจหายแล้วก็มาช่วยช่วยครอบครัวให้ให้ให้รักษาให้หายมกันหมดเป็นบ้านอาหารกันหมดเห็นไ mm ้มทำไมเขาไม่ไม่ไม่ดูทั้งหมดอ่ะดูแต่ครึ่งเดียวอืไร mm hmm. ดูแต่ตอนต้นไม่ดูตอนจบอ่ะใช่ไหมละครมันมีทั้งตอน ต, อนต้นมีตอนจบเนี mm ่ย hmm. ตอนจบพระเอกก็ขี่มา้าขาวมาช่วยเหลือตอนต้นก็ต้องไปช่วยตัวเองก่อนตัวเองยังช่วยตัวเองไม่ได้ไปช่วยคนอื่นได้ยังไง สา จ, จารย์จะแจ้งเห็นกับตั ว, ต ว, ตวงตรงไหนถ้าเห็นกับตัวนี่จะมีพระพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี้เหละจริงครับไม่ต้องไปถีงกับคนพวกตามบ่อนเสียเวลาเปล่าเขาอยากจะด่าก็ปล่อยก็ด่าไปเหมือนคิด่าเป็นเหมือนหมาเห่าก็แล้วกันหมามันอยากจะเห่าก็ปล่อยมันเห่าไปมันไม่มีเหตุมีผล น, นะพวกนี้เข้าใจไหมสาธุครับพระอาจารย์เข้าใจครับเค อาจารย์นี้นะครับรก็เสทุกคนให้มีโอกาสถามคำถามหมดแล้วนะเกือบจะสามชั่วโมงแนละ้วต้องรีบสรุปแล้ววันนี้ไม่เกินสามชั่วโมงนะเพราะมันเด็ลนะจะเกือบสิบเอ็ดโมงคุณลาใช่ไหมคุณลามีคำถามไหมมีเจ้าค่ะมีทั้งหมดสี่คำถามจากทาง Facebook และ YouTube เจ้าค่ะเอาเลยเชิญเลยคำถามที่หนึ่งจากคุณเสียนทองปัญญาขอฝากเียนถามพระอาจารย์ว่า การแอบเอาปลาของภรรยาที่ขังไว้เพื่อไปทำอาหารเอาไปปล่อยจะผิดศีลข้อสองไหมครับอเาที่เขาไปขโมยของเขาอ่ะเราต้องขอเขาขออนุญาตของ เ, อง เ, องเจ้าของเขาก่อนคถามต่อไปจากคุณพลากรสุวรรณสมลูกขอกลับน้ำสักการองค์หลวงตาครับผมผมเคยนั่งภาวนาบริกรรมพุทโธนั่งไปสักพักเกิดความเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้น เพ่งดูทุกทุกก็ดับกายก็เบาเหมือนปุยนุ่นลอยลมจิตก็ว่างลมหายใจก็ไม่มีมันดับหมดทุกอย่างเลยไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่มีอะไรเลยครับความรู้สึกแบบนี้เรียกว่าอะไรครับหลวงตาสาธ<ม>ุธรมที่งั้นจิตสงบจิตว่างมันก็ไม่มีอะไรดรงไานอยู่แต่มันเป็นชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ถอนออกมากกลับทุกอย่างก็ลกลับก็มามา คำถามต่อไปจากคุณอุยกาบเรียนถามพระอาจารย์เป็นคนที่มีโทสะจริตเห็นอารมณ์ที่อยากทำลายผู้อื่นในจิตใจแต่มีสตคิควบคุมไม่ปล่อยออกไปอยากถามว่าจะแก้โทสะในจิตใจของตนเองให้หายไปอย่างถาวรได้อย่างไรคะเราต้องลความอยากความอยากเป็นต้นเหตุของความของของความโกรธพออยากได้อะไรไม่ได้จังใจอยากก็โกรธขึ้นมา ถ้าไม่มีความอยากได้อะไรแนละ้วก็จะไม่มีวันโกนคำถามสุดท้ายจากคุณจิตสว่างเป็นคำถามที่ยาวหน่อยเจ้าค่ะน้อมกราบน้ำมศการท่านพระอาจารย์ด้วยความเคารพสูงสุดหากเราภาวนาดูลมหายใจไปแล้วเกิดเอ๊ะเห็นลมหายใจเราทั้งข้างในกายกับภายนอกกายเราเป็นอากาศเป็นเดียวเป็นอากาศอันเดียวกันและลมหายใจที่อยู่ในกายคนอื่นก็เป็นอันเดียวกันกับที่เราหายใจ จึงเห็นธาตุลมในกายนี้เป็นของของธรรมชาติที่มันเวียนเข้าออกในร่างกายเพื่อทรงธาตุดินน้ำลมไฟให้มันตั้งอยู่เป็นกายต่อไปให้ได้เท่านั้นจิตเราเห็นว่ามีแต่ลมของธรรมชาติไม่มีของเราเราไม่มีและทำนองเดียวกันก้มกราบพระพอเห็นหน้าผากแตะพื้นดินก็เออกับตัวเองสักหน่อยเราก็กลับมาอยู่ที่ดินทุกคนเป็นดินอันเดียวกัน ปัสวะลงพื้นซึมลงดินก็เป็นน้าําจากใต้ดินนําน้ําจากใต้ดินนํามาดื่มกินมันก็เป็นน้ําอันเดียวกันแล้วก็เห็นน้ําของทุกคนก็เป็นน้ําอันเดียวกันกราบเรียนขอเมตตาถามพระอาจารย์ว่าผู้น้อยจะใช้สิ่งที่เกิดเอ๊ะเห็นนี้คอยให้สามารถคอยต่อ ย, ยอดให้สามารถภาวนาออกจากวัฏฏสงสารหยุดการเกิดอีกได้อย่างไรบ้างเจ้าคะน้อมกราบน้ำมัศการเรียนถามและน้อมกราบขอบพระคุณเจ้าคะ่ะ ก็ต้องปล่อยวางร่างกายเนี้ถ้าเห็นว่ามันเป็นท่าก็ต้องปล่อยมันมันจะเจ็บจะตายก็ต้องปล่อยมันถ้าเห็นแล้วยังไปยืดหยุก็แสดงว่ายังเห็นยังยังเป็นเราเป็นของเราอยู่ถ้าเห็นว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟก็มันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันไปไม่ต้องไปทุกข์กับมันโอเคนะค่ะอันนี้คําถามหมดแล้วมีใครอยากจะถามกม็จะให้อีกครั้งถ้าใครอยากจะถามยกมือแล้วก็อ่านนิ้วมา เกือบสามชั่วโมงแลนะคิดว่าพอสมควรกับเวลานะวันนี้เดึกระอาจารย์วิกุญแจครับมือจิ๊บเหรออาเชิญ พระอาจายตอนรโยมยกมือแล้วยมวางมือเลยค่ะคับเอาเร็วๆเลยนะคะพระอาจารย์คะถ้าเวลาเราทํากิจวัตรประจําวันเราก็ควรจะคิดพุดโทโธพุโทโธไปเนืองใช่ไหมคะทีนี้ระหว่างการภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆกับการโฟกัสว่าตอนนี้เราหยิบผ้าเราพับผ้ า, ผาแบบไหนมันจะฝึกสติได้ดีกว่ากาันคะใช้แต่งกันได้แล้วแต่เราจะถนัดแล้วแต่เราคือเป <C oughs> ้าห <C oughs> มายก็คือไม่ให้ใจเราไปที่อื่นให้อยู่ในปัจจุบัน อ, อีกคำถามสุดท้ายนะคะบทสวดพาหุงอะค่ะพระอาจารย์ที่จะมีแตกกันว่าเตกับเมย์คือเต เ, เพื่อคนอื่นเมย์คือเพื่อตัวเองอันนี้มันต่างกันยังไงเจ้าคะก็เป็นไวยากรณ์ไวยากรณ์เวลาพากสวดนี่ยท่านจะสวดให้คนอื่นทั้นในเตะเวลาเราสวดท่านจะสวดให้เราแล้วก็ใช้เมย์อะไรแล้วเราสวดให้เราเพื่ออะไรคะแล้วเพื่ อ, อคนอื่นเพื่อเพราะว่าพ ร, า ะ, พราะมันก็มาให้พรไง Oh. อารมนี่ก็เป็นเหมือนพอร oh. แล้วให้พรตัวเองแล้วเราสวดแ้วไม่สำคัญแรบมันเป็นแค่วากรณรการสวดจริงๆนี่เป็นการสวดเพื่อให้เกิดสติมากกว่าเพื่อทำใจให้สงบมากกว่าเพื่อทำใจให้สงบอย่างนี้เราก็การเมยก็ได้เมก็ได้ตังมยก็ได้ <laughs> เจ้าค่ะนิยมยมเ ข, ข้าใจแล้วค่ะยมแค่ไม่แน่ใจว่าการสวดบทนี้คือสวดอะไรกันเพราะว่าบัญทีมันไม่หาห า, หาคําแปลไม่เจอค่ะอันน้นักวิชาการเขาก็ต้องมีตามว่าไปตามบทาขาอองพยากรณ ก, ก็ขต้องสวดให้คนอื่กก็ต้องว่าเตยสวดให้ตัวเองก็ว่าเมย์บัญทีถ้าสวดให้ตัวเองก็ต้องว่าเปลี่ยนจากเตยเป็นเมย์ไล้ไปบ้านโยมยมก็สวดแทนโยมก็เปลี่ยนจากเมยเป็นให้เป็นเตยไปนั ถ้าเราสวดให้ตัวเองก็ไม่เป็นการเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะไม่ก็ปฏิบัติก็เพื่อตัวเราเองนั่นเอช่วยก็เพื่อจิตเราสงบเจ้ า, าค่ะก็ะวันนี้ไม่มีอะไรล้วจะขายมจะพยายามปฏิบัติขอพระเจ้ า, ารักษาสุขภาพนะคะเห็นพระอาจารย์ไอหลายรอบแล้วโอเคอ่นนะอ า, อ า, านหนญตโยมทั้งหลายอันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วนะเกิดจะสิบเอ็ดโมงแล้วอีกหนึ่งนาะทีก็สามทุ่โมงเต็มเต็ม ก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังในครั้งนี้และนำมาปฏิบัติให้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปนะเอาแค่นี้ก่อนสาตุ้สาทุ